อาจารย์พรท่านสาธุชนพุทธบอยสัผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนและประเสริฐของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรก็เชิญถามได้โดยเราก็จะเรียงลำดับตามถามที่ท่านเข้ามาใครเข้ามาก่อนก็ถามก่อน ท่านแรกวันนี้ก็คือคุณไพรวนศ์จากกรทมใช่ไหมคุณไพรวงศคนลาสัดอาจารย์ครับขอโทษได้ครับอรย์ได้ได้ยินไหมครับได้ยินชาทีครับครับผมวันนี้ผมผมมีคาถามอยู่สองข้อครับอาจารย์ครับนไปสดี สึกใหม่ผมอาจไม่ได้ยินอาจารย์ได้ไไดใช่ใช่ได้ได้ก็ผม<ช>ผมมีคําถามในเรื่องการปฏิบัติอยู่ข้อนึงนะครับทอาจารย์ครับคือในการปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยในในฌานสมาธิก็จะมีทั้งในเรื่องของวิตกวิจารณ์ปิติสุขเกะกคตานะครับแล้วก็ในส่วนของพอเราข้าม ฌานต่างๆก็จะลดใ น, ในในในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประดับใช่ไหมครับอาจารย์ครันี่ผมผมมีความสงสัยอย่างนี้ครับอาจารย์คือในส่วนที่ที่เราเราเอ่อก้าวข้ามข้ามผ่านแต่ละฌานขึ้นไปเนี่ยมันจะลดในเรื่องของอในในฌานที่สองเนี่ยแล้วลดวิตกวิจารใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกคือการปฏิบททัติจริงๆเนีย่ย เราไม่ต้องไปกังวลกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น <ทะ S 1> สิ่งที่เราทำอย่างเดียวก็คือให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนายันท่าดูรมองก็ให้ดูรม อ, อย่างเดียวส่วนอย่างอื่นนี่มันเป็นผลที่เกิดตามจากการที่เรามีสติอยู่กับอารมณ์แล้วนั่นเองไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้วิจตวิจารอยู่เมื่อป่าหายหรือเปล่าไไม่ต้องไปกังวล คือคืออย่างนี้ครับ้อาจารย์คือคือผมมีความสงสัยตรงที่ว่าคือเมื่อเมือ่อคือคือผมก็นั่งสมาธิมาเมื่อเมื่อการปีที่แล้วนะครับคือในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะพอมันมีพอเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตมันรวมแล้วเกิดเราเรามีความสุขครับแล้วก็เหมือนกับผลผลลุกที่ว่าเราเราเราเ อ, อิบอิ่มในการที่เห็นอในในอารมณ์ตรงนั้นนะครับแต่พอช่วงหลังๆมันมันไม่เกิดตรงตรงช่วง เรื่องของการเอปิติตรงนั้นขึ้นมาไม่ไม่ทราบว่ามันมันเกิดการมดันจะเกิดขึ้นช่วงไหนไหมช่วงไหนบ้างเพราะมันชินก็จะไม่ไม่รู้สึกตรงนั้นใช่ไหมครับใช่มันจะไม่มีมันจะพุ่งไปที่ความสงบความดันครับมันก็จะไปพอเราจิตรวมมันก็จะนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนิ่งอยู่กันไปสัจธรรมโลกความสุขอันนั้นนหละคือเป้าหมายของการภาวนา ครับผมส่วนส่วนระหว่างทางมันก็มีปิติมีสุขบางทีมันอาจจะมีแต่ไม่ชัดเจนไม่เหมือนครั้งแรกๆครับแล้วก็มันมันสมาธิการปฏิบัตินั้นไม่แน่บางทีมันลงเนี่ยคลอดคลอจะมีครับผมบางบางบางทีมันก็ลงไปขั้นขั้นไปแต่บางเป็นเป็นเหมือนขั้นบันไดบางทีก็เหมือนตกกระโดดตกลงมา รไม่สำคัญขอให้มันขอให้มันถึงพื้นก้กันขอให้มันให้มันถึงความสงบให้โมเคารครับผมครับขอบพระคุณพระ อ, อาจารย์ครับมีอีกอีกเรื่องหนึ่งครับคือพอดีผมอ่ก็พอพอมาทำเรื่องทาสมาธิาต่างๆพยายามก็อ่านหนังสือนะฮะผมอ่านหนังสือเรื่องอ่พุทธธรรมจบไปแล้วเล่ม น, นึงนะน เดือนหนึ่งผมก็จะตั้งเป้าว่าจะอ่านอ่านอ่านหนังสือนะครับอ่านวันละสิบวันหน้าสิบวันหน้าอย่างนี้ฮะที่ตอนนี้ผมก็มานั่งอ่านพระใจบิดกบับประชาชนตั้งเป้าหมายไว้ว่าสักสองเดือนจะอ่านให้จบเจ็ดร้อยวันหน้าวันนี้พออ่านมาเนี่ยมามาเจอมาเจอในส่วนของที่ที่ตอนที่เกิดพิกษุนีองค์แรกนะฮะ พระนางมหาประชาบดีนะครับที่ที่มีผท่ไปขอรรออขจคับไปพระพุทธเจ้าที่จะให้บวชแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ไม่ให้บวชแต่สุดท้ายพระนนลก็ไปขอก็ท่านพระพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าต้องให้ให้รันขายไว้ง่ายๆมีเงินขายแปดข้อนะครับอันนี้ผมผมมีความสงสัยในข้อที่สองครับอาจารย์ครับ ที่พระพุทธเจ้าให้ให้รับเงื่อนไขที่ว่าห้ามห้ามห้ามต้องผ่านศาลห้ามผ่านศาลในในในในอในที่ไม่มีพระภิกษุโอ้ครับผมตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรคามปลอดภัยความปลอดภัยของผู้หญิงโอ้ถึงว่าเป็นวัดใช่ไหมครับหลือจังอ่าก็ให้อยู่วัดอยู่วัดแล้วก็มี มีพ่อพักเสอยู่อยู่เป็นคนลันมีคนแสแยกกันอยู่คนละฝ้ากันอย่้<อ>แต่ก็ให้มีพ่อพักเเป็นคนที่เลี้ยงไปคอยดูแลไปป้องกันภับ<อ>ถ้าเป็นผู้หญิงคนนู้นนี่มันพวกมีจฉาทิพย์พวกที่ไม่ประสงดีก็อา จ, จะมีความขังเกินอาจจะไม่เกรงกลัว<อ>แต่ถ้ารู้ว่ามีเพืยบนผู้ชายอยู่ด้วยนี้เขาก็เราก็ต้องคิดก่อน อันนี้คิดว่านี่ยนี่เป็นการวิเคราะ์ของเราเนะ่ยคือผู้หญิงเป็ น, ป น, ปนยิ่งโดยสมัยโบราณีมันมันไม่ทันสมัยมันเราสมัยนี้ที่อาจจะผู้หญิงอยู่อย่างคนเดียวปลอดภัยได้แต่สมัก่านมันมันไม่มีที่ปกเป็นวิธีก็เลยครับต้องให้พระภิกษุเป็นผู้ดูแลภิกษุอีกที่ก็เป็นเหมือนครอบครัทวทางครอบครัวก็เราไม่สามารถมีดูแลภรรยาได้นะ สบายดูแลครับผมเพื่อป้องกันใครเพื่อเพื่อดูแลป้องรักษาก็เลยทรงห้ามไม่ให้พิกษณีสองภาพพลิกศรีือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ถือว่าตอนนี้ฉลาดกว่าหรือรู้มากกว่ามีหลายหลายข้อที่เป็นปกคล้องของเราแไม่ใช่รู้มากกว่าก็ให้เก็บไว้เฉยๆไม่ไม่ต้องสแสดงตอนนี้น ว, ว่าเป็น ไปสั่งไปสอน พ, พ้ภาจารต้องการนกษาในผู้สั่สอนวันนี้มีสองข้อครับอาจารย์ครับ้อีกอนหนึ่งก็คือถึงแม้พิกษุณีจะบวนมากี่ปีกี่พราตา่จะต้องเคารพภักด์สุดซึ่งที่พงบวไให้ให้ให้เคารพภักดิ์สุดทุกลูกเขื่อว่าพรรษาไม่ชของภิกษุนี้น้อยกว่าิกซุของิกเมื่อิกษุกษจะบวมาเพียงวันเดียว ก็ถือว่าเป็นผู้อุปสมบทพิสุทธิ์ทำไมทำไมมันทำไมเป็นอย่างนั้นครับพระอาจารย์ครับก็ให้เขาลบนะจะได้เชื่อฟังคำสัง่งคำสอนแต่ว่าในในในความเป็นจริงก็พิสุณีที่บวชมาก่อนก็น่าจะมีความมีปัญญามากกว่าใช่ไหมครับใชแ่แต่ก็แต่ก็ทรงไม่ต้องการให้ไม่ให้พิกสุนีเป็นผู้ปกครองให้มีผู้ปกครองคือพิสุทิน ปกครครับขอบพระคุณพ่อาจารย์ครับถ้าเรื่องการปฏิบัติถ้ามีธรรมแล้วมันไม่สำคัญหรอกใครจะป๊ใครใครจะอันนี้เป็นเพียงแต่หลักการของการปกคอร อ, อง<ก>ของโลกที่ต้องมาใช้ผู้ที่แข็งแรงกเป็นผู้ปกคอรองผู้ปกคอรองก็ต้องคอยต้องให้ความพคารพให้ความเชื่อฟันจากผู้ที่เขา มาปกครองคุ้มป้องกันคุ้มครองนะรับแม้แต่บวดก็ต้องบวชสองสองสองด้วยสองเดียวบวชไม่ได้ช่นภิกษุณีจะ บ, บวชนี้ต้องมีบวชกับภิกษุณีหนึ่งสองแล้วก็ไปบวชกับพระภิกษุอีกหนึ่งสอสองชั้นเลยครสองชั้นใหภิกษุสองรับรองการบวชของภิกษุณี อย่างสมัยนี้จึงบทพิเศษนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีพิเศนี้สองแล้วลที่ในต่างประเทศเขาเรียาคือของสายมหายานก็ยังมีมีอยู่ของของเทรวาสนี้จะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีแล้วนั่นคนสมัยใหม่นี้เลยผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความคิดว่าทุกคนเจ้าเทียนไปก็เลยรู้สึกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่รังเกียจผู้หญิง แต่ควาจริงมีมีเจตนาดีเพื่อจะคุ้มครองป้องกันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้ตลอดนอนสัต์ไปแต่คนสมัยนี้ไม่ได้มองทีมองแต่อัตตาตัวตนก็เลยการเปเรื่องไม่เท่าเทียมกันขึ้นมาแล้วแต่นะที่ใครจะคิดยังไงเราก็เข้าร่วความคิดของเขา แต่เราก็เราก็เชื่อพระพุธเจ้ามากไปนะฉันชเชื่อพระเจ้าพระจ้าไม่ใช่เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อำนาจบานใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้พระเจ้าพูดหรือทานี้เป็นสิ่งที่ได้กัดกล่ามาด้วยปัญญาอย่างรอบคอบนะโดยแรงผลโดยประโยชน์ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยใจเจ้าค่ะออ คนที่เกี่ยวกันนี่ยการปฏิบัติธรรมมันเป็นพิกสูงดีแล้วเป็นพิก ษ, นกษุนก็ต้องปฏิบัติค่าที่เลืกันใชคือคือตอนแรกสงสัยเจ้าค่ะแต่ว่าสงสัยแค่นิดเดียวแต่พออ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ ก, ก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นระเบียบเพื่อให้หนึ่งก็คือเป็นระเบียบให้ปกครองปกครองได้สองก็คือลดอัตราตัวตนของผู้หญิงผู้หญิงอาจจะแบบ อีกหน่อยใหญ่โตอาจจะจึ้งจ้างนันอะไรเนี้ยเจ้ก็เลยต้องแบบว่าพระพุทธเจ้าอาจจะรู้ก็เลยรู้ดีใส่ผู้หญิงดีนะเจ้าค่ะก็เลยแบบก็ให้รถอัตราไว้ก่อนให้ยอมอย่างนี้ก็จะให้บวชเจ้าค่ะก็เลยคิดอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ทราบมาว่าเอ่อถ้าเราเป็นถ้าเราบรรลุอรหันต์แล้วมันไม่มีเพศใช่ไหมเจ้าค่ะมันการปฏิบัติไม่มีเพศอยู่นะเจ้าค่ะมีแต่กิเลสกับมธรรมนั่นแหละ ก็เลยก็เลยก็เลยไม่ร <su> ู้สึกอึดอัดเจ้าค่ะว่าว่าว่าว่ายังไงแต่ว่าถ้าเกิดชาติหน้าเนี่ยเจ้าค่ะอยากเป็นผู้ชายเจ้าขยากบวชทำยังไงเจ้าค่ะให้เกิดเป็นผู้ชายไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกผู้ชายมีผู้ชายเยอะแยะไม่มีใครอยากเกิดบวชกันเยอะแยะอื่าอยากแบบเข้าไปปฏิบัติกับครูอาจารย์ใกล้ชิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนี่เป็น ที่ใชใจชาตินี้คือกับคุณปิ่งแล้วคุณแม่ชีแก้วก็ได้ลองศึกษาประวัติของคุณแม่ชีแก้วอ่านเจ้าค่ะอ่านนเธอก็ศึกษาจากหลวงปู่มั่นก่อนเจ้าค่ะหลังจากหลวงปู่มั่นมอนั้นภาพเขไปศึกษากับหลวงตามหาบัวจนในที่สุดเธอก็บรรลุถักขั้นสุดได้เจ้าค่ะแต่ว่าถ้าโยมไปอยู่วัดแล้วโยมเข้าไปถาม พระอาจารย์แบบใกล้ๆแบบแม่ชีแก้วถามหลวงปู่มั่นพระอาจารย์จะตอบย ม, มใช่ไมเชียวพระอาจารย์พระอาจารย์จะปิดกั้นกันเบ้าพบใช่ไหมเถอะก็ไม่ตอนนี้เขาไม่ได้ปิดตอนนี้ก็ได้พบกันใช่ไหมแบบมันมันแบบว่าเหมือนกับไม่ไม่ทราบนะคะคิดถึงสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดกันตัวตับ ต, ต, ต, ตัวมันจะมีพลังงาน ที่สื่อสารกันได้ดีกว่าอะไรไม่ไม่จําเป็นไม่ไม่จําเป็นเสมอัปเราไม่เคยไปคุยตัวตัด ต, ต, ตัวกับหลวงตามครับแล้วเจ้าค่เคยเข้าไปเลยจริงเหรอเจ้าคะ่ะอไม่เคยเข้าไปกราบทามคําถามและสนทนาธรรกับทา่านหนึ่งตอนหนึ่งนีแต่รอฟังให้ท่านเรีกประชุมพระแล้วก็ฟังเทศน์ฟังทําไปแต่หนึ่งตอนหนึ่งก็ตามหน้าอ่านหนังสือของท่าน อ๋อนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเจ้าค่ะแล้วยมจะจําไว้เจ้าค่ะเราเข้าใจผิดว่าริต้องมีบุคคลสองคนอวามจในหนังสือที่เราอ่านเหมือนก็เหมือนหนึ่งตอนหนึ่งนะอ่าพระตรีปิฎกนี่เหมือนได้ได้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยก็เลยเออในบางทีตอนสบายที่เราอ่านเรื่องแรกเราเพิ่งปิติมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้แสดงทํามให้กับเราเลยใช่ใช่ค่ะ ยมอ่านพุทธพุทธประวัติจากพระออดที่ท่านพุทธทาสเขียนเล่มหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าหน้าอย่างนี้ค่ะย่อมอ่านตั้งแต่เย็นหกโมงเย็นถึงเช้าหกโมงเช้าทีเดียวเลยเมืบบเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงใช่เนื่องจากพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ที่สลายฤทธิร ล, ละคือตัวพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตย่อมค่ะได้าาศึกษาธรรมปั๊บในคำเหมือนได้เข้าถึงพระพุทธเจ้า แม่มพระุทธเจ้าจะดับขันบรินิพพานไปตั้ง 2,500 กว่าปีก็เหมือนท่านอยู่กับต่อหน้าเราสดอนนอนูนอนเวลาฟังธรรมและเข้าใจธรรมมันประทับใจมากใช่ทราบซึ้งมากเลยค่ะเวลาอ่านเรื่องของเพรานอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลมาถึงตัวร่างกายให้ยึดติดกับสาระธรรมของท่านขอบคุณเจ้าค่ะยมมีเรื่องรายงานเจ้าค่ะเอ่อยมเจริญสติ เกือบทั้งวันตลอดมาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี้ยเจ้าคะ่ะแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาได้ดีสงบเจ้าคะ่ะแล้วก็ทำตามที่อาจารย์บอกคะ่ะแบบมีสติปัจจุบันพยายามฝึกสติไว้ฝึกสมาธิให้ชำนาญกับสามารถสงบเวลาใจเครียดใจทุสร้างขึ้นมาสามารถดับมันได้ทันทีทันใดก่นะนแล้วค่อยไปทำปัญญา เมื่อทางปัญญานี้บางทีไปพิจารณาอะไรบางอย่าง ก, ก็อาจจะทําให้ฟุ้งหรืออาจจะทําให้วิตกกังวลหรือหวาดตัวขึ้นมาก็ได้แต่ถ้า<อ>มีสมาธิและใจจะเฉยใจไ ม, มเบรคขาแล้วจอสามารถรับฟังรับรับศึกษาความเป็นจริงได้ยไม่สะทกสะท้านนั<อ>่นอย่าบอกข้ามสมาธิสมาธิที่สาคัญมากไม่ว่าจะฆ่ากิเลสไม่ได้บังลุ้นทำไม่ได้ แต่ถ้าต้องเป็นเครื่องมือของปัญญาทีเียเจ้าค่ะน้อมนํามาปฏิบัติเจ้าค่ะพยายามทําแล้วนี่เอาสมาธิเอาสติให้ชํานาญตื่นต้องแต่ตื่นมาพั๊พอลืมตาตั้งสติปั๊บนี่แสดงว่าเราเราพัฒนาแลเจ้าค่ะนี่เป็นการด้านโยชน์ก่อนที่จะคิดอะไรนี่คิดถึงสติก่อนหนึ่งลืมตาขึ้นมาสติอยู่ไหนวะมัญหาแว่นตา <c oughs> คน คนสายตาไม่ดีเวลาตื่นขึ้นมาเพราะเขาจะมองหาหาแว่นตาก่อนใช่ไหะเราก็ใจเราก็เหมือนกันใจเราก็ตาไม่ดี ต, ต้องาอาศัยสายแว่นตาก็คือสติที่เราตื่นมาแล้วบางช่วงโยมเจอคว้านลมหายใจอย่างนี้ใช่สติไหมจ้ะคะใช่ก็ใช่ใช่เราหายใจร่างกายก็ได้พุโทโธก็ได้ไม่ใช่ mm hmm. ตื่นขึ้นมาไปถึงอดีตอานาคตเรื่องอะไรหนึ่งแปดพรรษการอะไรนะ ตอนต awesome. นี้ไม่มีอดี well ตไม่มีอนาคตแล้วเจ้าค่ะนี่แต่ปัจจุบันนะเจ้าค่ะเจ้าของพระคุ่มเจ้าค่ะสาธุคุณสาธาาเชิ่มาร่วมฟังธรรมครับอาจารย์ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะก็ก็คือถ้าว่างก็เหมือนว่าถ้าอยู่แบบหน้าร้านนะคะถ้าไม่มีคนก็เหมือน ฝึกสมาธิไปเรื่อยๆค่ะนิดๆหน่อยๆก็เอาหมดได้หมดนะคะพะอาจารย์อย่าปิดตาเดี๋ยวคนขโมยเข้ามาขโมยของเล่นะไม่ขโมยไม่ขโมยดั่งอยู่เป็นเดียวสบายอารมณ์เรื่อยๆชิวค่ะพอาจารย์ปิดจ็ปิดกล้องวงจรปิดไว้ก็ได้แล้วก็นั่งหลับตาไปให้กล้องเขาถ่ายไว้ใครหน้า กันดัน้งไวเรื่อยๆแบบถ้าไม่มีคนกันดั้งข่าววจารณ์ข่าวข่ามาฟังเท่ากันวิจารณ์โอเคสาธุสงบดีนะท่านอาทิตย<ด>์ท<า>ี่ผานมาไม่มีเรื่อ ง, ไ ม, มองไม่มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลอะไรนะไม่ไม่มีอะคะ่ะแต่ว่ามีของอปาอปาจะคือด้วยนิสัยของคนอายุเยอะอ่ะค่ะแกจะกังวล น, นูน่กนกังวลนี่แล้วลูกก็พยายามบอกว่า เอออยากกังวลอะไรอย่างเงี้ย hmm. พยายามอันนี้แต่ว่าก็เป็นอุปนิสัยก็เลยลูกก็ว่าที่พระอาจารย์สอนนะคะฟัน hmm. อย่างเดียวแล้ว ก, ก็คิดว่าเขาเป็นส้มเราเป็เพียบไม่ได้ hmm. ขอพระอาจารย์ก็ <Okay. S 2> <laughs> แต่ก็จะแทรกทาไปอะค่ะที่ hmm. ที่ฟันแต่พระอาจารย์ก็จะบอกเขาว่าเอออาปาอาปาต้องอย่างนี้นะอาปาอายุเยอะ ถ้าปลาคิดห่ ว, ว, วงนุ่นห่วงนี่อ่มันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. เขาก็ฟังแต่เขาก็ว่าคือลูกไปทางเนี้ยเขาก็แบบเหมือนซับซึ้งค่ะเด <Okay. S 1> ค่ะค่ะ <ไป S 1> พระอาจารย์ไปไ ป, ไปที่คุณนโมเด็กชายนโมมกกรสรานครัพระอาจารย์วันนี้ก็เข้ามาส่างกันบ้านแล้วก็มีคําถามมาถามพระอาจารย์ค่ะบถามว่าเมืเ่อไง ก็ที่พระอาจารย์ให้ไปฝึกสติเพิ่มเติมะครับก็ไปฝึกแล้วครับพระอาจารย์แต่ว่าคือที่โรงเรียนก็จะมีบางคนนะครับเพื่อนบางคนที่อาจจะเหมือนทําให้เราแบบรู้สึกลาคาญแต่ไม่ใช่กัญญาณมิตรนิสุมนะครับพระอาจารย์คนอื่นนะครับแล้วก็ทําให้บางทีเรารู้สึกลาคาญใจะครับพระอาจารย์แต่ว่าบางทีคือก่อนจะปฏิบัติะครับถ้าเขามาทำเราแบบเนี้ย เราจะรีบตอบโต้กลับไปเลยะครับอาจารย์แบบพูดไม่ดีใส่เขากลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอฝึกแล้วก็จะหยุดปากไม่ให้พูดกลับได้ครับอาจารย์แต่ว่าความโมโหมันก็ยังมีอยู่ในใจะครับอาจารย์อย่างนี้ก็คือใช้พุโทโธกำกับต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับก็เวลาเกิดความโกรธความไม่พอใจกรับพุทโธพุทโธไปเพื่อมันเท่าแต่ถ้าจะให้มันหายจริงเราก็ต้อง รเราเขต้องแปลงเขาจากการเป็นศัตรูให้มาเป็นมิตรให้ไ ด, ด, ด้คิดถึงคิดคิดถึงมิตรเอาความรู้สึกของเราที่มิตต่อมิตรแล้วเราก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่กับคนที่เราไม่มีเรามม่กลมามน้ำเกียบบอกว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันมิตรเขาเป็นคนมิตรของเราเ้าก็เป็นคนมีอาการชาสิบสองผมขอเลื่อนไป คนนี้เขาก็มีอาการอันสองทำไมเราจะไม่สามารถให้ความ ร, รู้สึกอยางเดียวกับชอบเขาทั้งสองคนได้เท่าเท่ากันต้องทําได้ไหอย่า๋ยต้องลองดูค่ะแฝดใจก็คนเหมือนกันจะมีผมขนด้วยฟันเหมือนกันเราไม่พอใจผมขนด้วยฟันคนนี้เลยแล้วเราพอใจผมขนด้วยฟันคนหนึ่งมันก็เหมือนกันไม่ใช่ผมก็เหมือนกันไม่ใชแล้วตัดออกมากองไว้สองกองเยอะหรืว่าเป็องใคร ถ้าพอใจอันนี้นปัญญาใช้ปัญญาคิด่ลยมันปัญญาให้มองให้รถทุกคนนี่เหมือนกันหมดส่วนพฤติกรรมเขาจะดีชื่วมันก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ครับผ่าจ แล้วก็ทุกวันนี้เวลาจะมานั่งสมาธิอะคระอาจารย์ก็คือพอนั่งปุ๊บแล้วหลับตาปุ๊บอะครับมันมันจะสามารถแบบสติมันจะไปอยู่ที่ลมหายใจได้โดยอัตโนมัติอะครับทั้งทั้งที่ยังไม่ได้จะบพุโทโธอะไรเลยมันจะรู้เลยอะค่ะรับอาจารย์อย่างนี้คือเราต้องกลับมาอยู่ที่พุโทโธก่อนไหมครับหรือว่าสามารถทําเป็นอานาปานาสติแบบไม่ต้องพุโทโธกําลับไปได้เลยไ ด, ได้จะทํา ดูลมหายใจได้เลยก็ดูลงไปเลยไม่ต้องใช้พุโทโธไครับ <c oughs> มีท่านนี่เหรอมีมีอีกค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สงสัยอีกอย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์ว่าคือเวลาก่อนนอนนะคะผมจะชอบฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านต่างๆนะครับแล้วก็เออก็เลยอยากรู้ว่าเออแล้วก็จะพอฟังก็จะปฏิบัติไปด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยากรู้ว่าการทําแบบนี้นี่ถือว่า การฟังไปด้วยนี่ถือว่าจะเอื้อไหมครับหรือว่าจะรบ ก, กวนการปฏิบัตินะครับเพราะการฟังก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติครับเพราะอันนี้สองประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมนี้มีอยห้าข้อเลยถ้าฟังด้วยความตั้งใจนะคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว เมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลับสามจะทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆไปได้ให้หมดไปได้สี่จะทำให้เรามนความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทำให้จิตใจเราสงบเพียงนสบาย น, นี่คือเราทาด้วยสตินะคือใจจดจ่อไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ให้อยู่กับธรรมที่เราฟังเพลง ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวก็จะทําให้เกิดความสงบของใจขึ้นมาบางคนนั่งสมาธิเองยังไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมกล่องใจไปก่อนก็ได้แต่อย่านอนฟัง น, นะนอนฟังนี้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติมันเป็ น, เ ป, นเป็นการเอาธรรมมาวางเป็นยามอนหลับ <c oughs> วางไว้แล้วเดี๋ยวก็หละครอดครอบไปค่ะใจแล้วก็ออเวลา ผมนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่รักในดนตรีอะค่ะอาจารย์แล้วก็แล้วก็พอไปฟัง เ, เรื่องศีลแปดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็จะบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรนี้มากอย่าไปสนใจพวกดนตรีมากเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาค่ะอาจารย์ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปด้วยแต่เราก็ยังรักในดนตรีอย่างเงี้มันจะถือว่ า, ามีปัญหาต่อการปฏิบัติไหมครับ มีเพราะว่าถ้าเราฟังมนตรีเราก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติเราก็ฟังมนตรีไม่ได้ถ้าเรายังฟังมนตรีอยู่เราก็จะไม่มีเวลามามาปฏิบัติมีมีมีน้อยถ้าเราไม่ฟังเลยเราก็จะมีเวลามากต่อการปฏิบัติการปฏิบัติผลที่ได้จากการปฏิบัตินี่มันดีกว่าผลที่ได้จากการฟังมนตรี ความมันต่างกั น, ม น, ก น, มนหมืนฟ้ากับย้อาจารย์เลยเข้าใจค่ับอาจารย์นักคำถามสุดท้ายลครับคือก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้คือยายเขาเปิดฟังธรรมครับผ่านทางทีวีแล้วก็พระที่มาบรรยายคือหลวงหลวงปู่พุทธานิโยครับอาจารย์แล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องที่ท่านใช้ พลังแห่งการปฏิบัติพระธรรมเนี่ยสามารถที่จะระงับอาการอาภาษของท่านได้ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากทราบว่าอย่างพระพระป่าเนี้ยครับสามารถใช้สมาธิในการระงับอาการอาภาษได้อย่างไรครับคืออาการอาภาษณ์บางอย่างนี่มันมีผลที่เกิดจากความฟุ้งซ่านกงขิตใจความวิตกความเครียดต่างๆ่างพอมาทำสมาธิใจสงบ ความเครียดมันก็หายไปแล้วก็อาการอภิพาทที่เกิดจากความเครียดมันก็หายไปแต่ไม่ได้หายทุกโลกนะจะหาทุกโลกภาก็ไม่มีวันตายสยิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ผมจะจ้างยังต้องตายเลยแต่หมายถึงุโลรคอภิพาทที่เป็นเกิดจากความท้อแท้เบื่อหน่ายความไม่มีกระจิตกระใจความเสีย อ, อกเสียใจทําให้ร่างกายซึมเศร้าหมออะไรอย่างเนี้ย ถ้ามาปฏิบัติธรรมได้มันใช้ธรรมะโอสถใช้สติใช้ปัญญาเป็นก็จะสามารถทําให้อาการต่างๆเนี้หายไปหมดครับอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มีเพื่อนเข้ามากี่คนเนี้ยสามสี่คนนะมีสองคนเหมือนเดิมครับอาจารย์มีพอลแล้วก็มีแม็กขันอาจารย์โอเคพอเช่พอเช่ไม่ได้เป็นเพื่อนเดียว อใช่พอเชนี่เป็นพรชื่อพรถามว่ามาพอเชนี่อะไรบ้างอืมวันนี้มีคําถามถามหนึครับถ้าสงถ้าอืมชาติหน้าอยากอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนะครับต้องทําอย่างไรเพราะมันมาเกิดทุกคนอนะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรไม่ทําอะไรถึงเวลามัน มันต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เีนไหว่าการจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันจะไปเกิดเป็นอะไรก่อนมันจะไปเป็นเทวดาก่อนแล้วค่อยมาเป็นมนุษย์เนืยอจะไปเป็นมหมาก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์อันนี้มันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรถ้าทําบุญแล้วก็ตายไ ป, ไ ป, ก, ป, ไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาก่อนถ้าไปทําบาปเราก็ลงไปเกิดเป็นสุนัขก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อาจารย์นะยังถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นสุ น, นัขไม่อยากจะไปเป็นสัตว์ในราชาก็อย่าทําบาตรักษาศีลห้าให้ทําแต่บุญตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวาดาถ้าไม่ได้ทําบุญเพียงแต่รักษาศีลไม่ทําบาตรตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีไม่ต้องไปเกิดบนสวรรค์อาจารย์ แล้วก็วกที่เขาก่อนถามไปเรื่องที่มีเพื่อนคนหนึ่งที่เต้าราอ่อก็ได้จริงๆแล้วก็คุยกันอยู่แต่ว่าบางครั้งอารมณ์เขาก็ร้อนอยู่นิดนึงเราก็ไม่ได้บางครั้งก็โกรดนิดนึงแต่ถ้าถ้ามันเป็นแบบเลือดเล็กๆน้อยๆก็จะไม่ค่อยโกรธเท่ากับเรื่อนหนอื่น เราไปที่ว่าเขาไม่ดีกะนะ้าวแล้าเราโกรธเขาเราก็ไม่ดีเหมือนกันทําไมเขาไม่มองความโกรธมันดีที่ไหนใครคนอื่นเขาโกรธเราเราเราเราพอใจไหยถ้าเขาโกรธแบบนี้อันนี้เราเราไปโกรธเขาทา ไ, ไมบางทีงเราเราคนจะมองตัวเราเองมากกว่าเรามองคนอื่นจะดีกว่าครับคนอื่นเขาจะดีจะเชื่อเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ใช่ไหมค่ะ แต่เราดีเชื่วเนี่เราเปลี่ยนได้แล้วทู้จ้าบอกให้ดูดูตัวเราดีกว่าตอนนี้เราโกรธหรือเปล่าเราโลภหรือเปล่าเราโง่หรือเปล่าเงี้ยเราเปลี่ยนได้ถ้าเราโกรธล้วก็ยับยั้งมันได้เราโลภเราก็ยับยั้งมันได้เราโง่เราก็ทําให้เราฉลาดให้โง่ได้เรื่องมาเปลี่ยนตัวเราดีกว่านะไม่ต้องไปกังวลเขาเรื่องของคนเ่ยครับถ้ารู้ว่าคนเ่ยก็เป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน เขาเขาก้าวล้างว่ารู้ว่าเขาก้าล้างเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วมันไม่รู้ครัก็ส่วนมากก็ปกติบางครั้งก็เดินหนีบางคํา้งถ้าถ้าคบกันไม่ได้ก็ <c oughs> ก็อยู่คนละด้านกันแล้วกันเข้ามาทางนี้เราก็เดินไปทางนู้นอย่างนี้จไม่ต้องไปมีเรื่องเวลาของเขานะเอาก็ปกติ ชองมาแบบคุยเซวเล่นนะครับก็ได้ถ้าคุยเซวนั่นไม่มีปัญหาแล้วก็คุยได้ถ้าจะเกิดการทะเลาะบอกแว้งมีเรื่องเวลากลเราก็ถอยไป<อ>นะอย่าไปเอาแพ้เอาชนะกันนะประจานไหมค่ะ<อ>โอเคหมดแล้วใช่ไหมมีแค<อ>่กนะัแล้วอาตาก็อรแร่านี่มาอยู่เรียนเดียวกันหแรบบือเมื่อนสนคนละที่กัน อัตตาอัตตาออนไลนอันยืมก่อนกล่าวนะว่าสการพระอาจารย์ค่ะอ่าค่ะอ่าวันนี้พาเด็กๆมากราบพระอาจารย์ค่ะคนนี้ชื่อจามัตตค่ะแล้วคนนี้จัตี้ค่ะพาไปใส่บาตรพระอาจารย์สองครั้งแล้วค่ะอ๋อพระัญชาอะไรเลยชาวอังกฤษค่ะที่พระอาจารย์ถามค่ะค่ะแล้วก็วัดค่ะ วันนี้คอนโต้เขาอยากจะมาขอการบ้านพระอาจารย์ค่ะครับขอการอะไรการบ้านอะไรก็ได้ไม่พูดโกหกได้มั้ยไม่พูดโกหกได้กนได้งั้เราตอบไปนี้ไม่พูดโกหกนะถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็เฉยๆไม่ต้องพูดไปก็ได้ใครก็ถามแล้วเราบอกเราเราคิดว่าเราไม่ควรจะตอบเพราก็ดีแบบดีกบบให้โกหกเขาเพราะว่า การพูดโกหกนี้จทําให้เราขาดทุนคือความเชื่อถือของเราจะนดน้อยถอยลงไปพระพระรุทธเจ้าก็เคยสอรสามเณรลาหุ่นซึ่งเป็ น, นูกของพระุทธเจ้าอายุหกขวบก็บวชเป็นเณรแล้วก็สอนให้เราผม่นนี่รักษาศีลเจริคืออย่าพูดคําพูดปลดต้องยกตัวอย่างจากน้ําขึ้นมาขันหนึ่ง แล้วก็เทน้ําออกไปเท น, นิดแล้วก็พูดว่าทุกครั้งที่เธอพูดโออกก็เหมือนเธอเทน้ําทิ้งไปทิ้งไปนิดเดียวถ้าคุณพูดโออกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีน้ําเหลืออยู่ไหนคขัง mm hmm. ก็คือคุณจะไม่มีสัตว์จะเอาหน้าเชื่อถือไว้ใจอยู่ในตัวของคุณหลัไปคุณพูดอะไรกับใครต้องจะไม่มีใครเขาเชื่อฟัง mm hmm. ทัน ไ, น mm hmm. ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ ปกป่าไว้ก็ถือว่าคัดใช้ได้นะถ้าจะพูดก็พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไมต้องพูดพูดนรื่งไปปฏิเสธไปบอกว่าผมพูดตรงนี้ไม่ได้ไม่มีใครมาบังคับให้เราพูดได้เข้าใจไหมเราเฉพาะอย่างยิ่งให้พูดกหกน่ไม่ไม่มีการมาบังคับหรอกนะให้ถือว่าการพูดความจริงหรือไม่พูดกหกเน่เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งต่างๆที่เราอาจจะสูญเสียไป มันที่เราจะพูดกหกเพื่อรักษาเพื่อนเพื่อรักษาอะไรบางอย่างของที่เรารักษานี่มันไม่คุ้มค่ากับของที่เราเสียไปเวลาเราพูดตกหกเข้าใจไห ม, ไมคือความความเชื่อถือของเราความดีงานของเรามหมดไปไม่มีเครดิตแล้วคนไหนเป็นพี่ชายคนที่โดนเลิกหลานมาสุด เราอยู่ไกลกว่าอยู่ไกลกว่าหางกันอายุเท่าไหร่อายุหักันเท่าไหร่กี่วคนนี้สิบสามค่ะคนนี้เก้าค่ะสิบสิบสิบเรียนโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่างเรียนเดียวกันต้เรียนเดียวกันครับเดียนโรงเรียนเดินงเรียนอะไรเรีอบายน่งสาชามอบูรพาสาขที่มองบุรพา เป็นภาคภาษาอังกฤษวภาพภาษาไทยปัจจุันทั้งสองภาษาค่ะสองภาษาบางทีก็มีอะไรไหมมีอะไรไหมตันนี้เราเราเราไปรักษาดูแล้วมันละมาลัยงานละวันอาทิตที่ผ่านมานี้รักษาสัจจะได้ไหมไม่พูดผลได้ไหมค่ะโอเคต้องมีสตินะครับก่อนจะคิดก่อนก่อนจะพูดอะไรต้องให้รู้ก่อนว่าเราเราจะพูดอะไร ถ้าเราถ้าเราไม่มีสตินี่บางทีมันมันพูดออกไปแล้วพอคิดอะไรปุ๊บมันก็พูดไปบทีะครับน uh huh. ก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทำอะไรพระพุทธเจ้าสอนาให้คิดให้รอบคอบก่อนมาพูดไปแล้วทำไปแล้วนี่เสียหายหรือไม่เสียหายเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษก็อย่าพูดอย่าทำถ้าเป็น uh huh. เป็นประโยชน์ก็พูดได้ทาได้คับ uh huh. โอเคนะมีอะไรอยากจะถมดูไหมไม่ีแล้วค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสวัสดีวันนี้มีธรรมะหลายระดับด้วยกันอันนี้ไปที่ส่วนหลวงพระศาสนาต่อกล่าวถึงพิธการพระอาจารย์ค่ะก็ท่านี้จะเริ่มวนรอบใหม่แล้วพระอาจารย์เดี๋ยวไปเผาชีโอนก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปสามวัดเหมือนเดิมไปทุ่งนงแทุ่งไปเป็นขอทานเล่นรอบเหมือนที่พระอาจารย์บอก ก <c oughs> รู้สึกว่าดี <c oughs> ดีมากค่ะอาจารย์ก็ก็ตอ น, นที่เห็นอย่างนชัดชัดนะคะพระอาจารย์คือขับรถเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันสักแต่ว่ารู้ได้คือสมัยก่อนจะเวลาขับรถเนี่ยจะเป็นอะไรที่เห็นอารมณ์ได้งา่ายที่สุดตอนนี้คือเห็นแล้วค่ะว่าเราสามารถที่จะดูแล้วมันมันมันมีความสุขแล้วมันนิ่งได้พระอาจารย์ไ <c oughs> <ต> <c oughs> ม่ <c oughs> มีอารมณ์ก<ว>ับการขับรถเลยค่ะอาจารย์อันนี้เห็นชัดชัดนะคะคใช่ค่ะ ก็รอบนี้ว่าจะไม่เอาเวลาตั้งแล้วนะคะพระเจ้าว่าจะเดินนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาดูที่มองนนั้รู้สติกับสัพเพชะมานาตาดูที่ใจว่ากระทบแล้วมีอารมณ์หรือเปล่าทําแค่ตรงนี้เลยพระเจ้าแล้วก็นอนแค่ห้าชั่วโมงอย่างนี้แล้วมีอะไรเพิ่มไหมคะพระอาจารย์ที่ที่เขาเชีโอนนะคะที่จะไปอาทิตย์หน้านีก็ทําตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นถ้าต้องไปทำภารกิจอะไรก็ไปทำ ในคณะที่ทำก็ให้มีสติตอยู่ตลอดเวลาในทุก ท, ทุภารกิจที่เราทำส ต, ตินี้จะเป็นในทุกกรณีที่เจ้าขาดไม่ได้ขาดแล้วสติแ ต, ตกใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้ดีมากค่ะอาจารย์คือรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ทํามาปีกว่าเนี้ยรู้สึกว่าคือตอก่อนเนี้ยมันแค่มันจะมีหงุดหงิดมีราคาญนะแต่ตอนนี้รู้สึกเลยว่ามัน มันเข้าใจที่พระอาจารย์บอกอะว่ามันไม่ซึมเข้าไปข้างในแต่ว่าเราต้องใช้สติคือรู้สึกว่าเวลาจรดบัญญาใช้สติเนี่ยเยอะกว่านั่งสมาธิแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่ามันมันทักผ่อนได้มากกว่าเพราะว่าเราต้องมีสติเยอะเวลาเราจะดูจุดที่ใจอ่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวต้องทําให้มันเยอะจนกระทั่งไม่ไม่ต้องแบบเพ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะตอนนี้มันเหมือนมันต้องจ่อต้องเพ่งแบบว่าต้องมีสติเวลาเราเราดูใช่ไหมคะพระอาจารย์แสดงว่าเรายังต้องงเพ่งอยู่แปลว่ามันยังมันยังไม่มันยังไม่ได้เป็นธรรมชาติของร ใช่มันยังไม่ตั้งมันม่นจะลงอยู่เรื่อยๆใช่เพราะนั้น <c oughs> ต้องทําต่อไปเรื่อยๆให้มันตั้งมั่นให้ได้ <c oughs> ไ อ, อย่าเผลออย่าเถลอเลยถ้า <c oughs> จะตืน่นจมาจนหลับนี้ไม่ได้เผลอเลยมีสติตลอดเวลาแล้วก็จะเดินข้างล่างด้วยนะคะพระอาจารย์จะลองดูเพราะว่าเพราะว่าจะไม่คุ้นชินกับสถานที่เพราะารู้สึกเลยว่าคือจะไม่คุ้นชินว่าเออให้เราชินกับกว้างกับลิงแล้วก็จะลองดูว่าเราลงไปแล้วยังดูใจว่ายังเหมือนเดิมไหมพระอาจารย์ใี่ไหมคะ ต้องต้องต้องทำางนี้ใช่หมคะอาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวกาประมาทกลเป็นประมาทว่าเราชินเลไอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่กรณีบางทีมันอยู่ที่มันชินก็แล้วก็ก็รู้มันชินแต่ก็ก็ไม่ให้เผลอสติให้ชินก็นเหมือนกับเป็นที่ที่ที่แปลกใหม่เพราะอาไรจะอาจจะเกิดขึ้นได้จะเมือนอาจจะไม่เหมือนเหมือนทุกวันเหมือนทุกเวลาก็ได้ไม่แม้จะเป็นสถานที่เดียวกันอันนี้เป็นการทําใจให้เหมือนกับว่า แม้จะอยู่กับที่เก่าแต่แล้วคิดว่มามันเป็นที่ใหม่ก็ได้ได้ครับอาจารย์จะลองทําดูวันนี้ไม่มีอะไรล้วค่ะทําต่ อ, อคนะคุณนรนททัศน์ใช่อันนี้ถึงบนแล้วนะข้าพึ่งมาถึงเมื่อเช้าเจ้าค่ะพระอาจารย์เรียบก็พอดีช่วงนี้ยังยังจัดการหลายๆอย่างให้ให้ให้โอเคก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก็พยายามเจริญสติ อยู่ให้มากที่สุดเจ้าค่ะอาจารย์ไม่เอะใจทิ้งเลยทำได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําค่ะค่ะก็วันนี้ถ้าทิ้งเวลากลับมาทําใหม่มันจะยากใช่ใช่เจ้าค่ะลูกก็ก็สังเกตก็พยายามตอนผลของตอนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพยายามเจริญสติตลอดให้ไม่มีอารมณ์ที่จะไปทําร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเจริญสติอยู่เจ้าค่ะกับคุณพ่อคุณแม่ก็ก็เห็นมากขึ้นว่า เราไม่ได้อยู่กับเขาสามสิบปีอะเจ้าค่ะพระอาจารย์กันความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องระวังมากเจ้ า, าค่ะพระอาจารย์ค่ะแสดงยกท่านเทิดทูนท่านเสมอว่าท่านเป็นพ่อแม่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านท่านสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กเราอยากไปสั่งสอนพ่อแม่เป็นเหมือนการนอกจากขัน้นทางค่ะได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสําสหรับวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะมากราบพระอาจารย์แล้วเราร่วมรับฟังเจ้าค่ะโอเค ไปที่คุณดาวคุณดาวอยู่ที่อุบลนะใช่ค่ะการนมัสการพระอาจารย์นะคะก็จริงๆหนูไม่ทราบพระอาจารย์จำได้หรือเปล่าก็คือหนูให้ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูให้เพื่อนๆที่อยู่ภูเก็ตไปกราบพระอาจารย์แทนพอดีวันนั้นหนูไปกราบหลวงปู่บัวเกตตอนช่วงบ่ายก็เลยไม่ได้เจอพระอาจารย์อันนี้ปัญหาที่หนูจะถามพระอาจารย์เนี่ยก็คือ อ่าหนูมีสภาวะหนึ่งที่เวลาเดินจงกรมเนี้ยค่ะพอเดินไปสักพักแล้วมันผ่านช่วงจิตรวมอะไรไปหมดแล้วเนี่ยกายมันหายไปอะค่ะมันไม่มีกายในขณะที่เดินแล้วหนูก็ไม่ทราบว่าหนูจะทำยังไงต่อหนูก็เดินพยายามเดินต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีกายไปเรื่อยๆหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันเฉยๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมาเองเหรอคะอ่ะอะ จนกว่ามันจะออกมารับรู้รับรู้ร่างกายเราอีกรอบแล้วค่ะเพราะว่าพอเดินไปสักพักหนูรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกแล้วหนูก็เลยแบบออกมาดีกว่านี่ค่ะก็คําว่าไม่ท้รู้เลนี่หมายความว่าไงไม่ไม่เห็นร่ากายเคือคือคือมันไม่มันไม่เห็นไม่ต้องเดินเนี่ยไม่ถ้ามันถ้ามันเดินมันก็ต้องเห็นนี่คือความรู้สึกของการรับรู้ของกายมันหายไปหมดเลยค่ะตอนที่กําลังเดินจงกรมนี่แหละค่ะ อ่ะเนีนยมันก็รับรู้แล้วเนี่ยมันจะไปรู้กันเน่ยได้คือคือมันหนูอธิบายไม่ถูกอะค่ะคือมันเหมือนกับเออมันไม่ <c oughs> ไม่ไมใช่แล้วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นแสดงว่าหนูทำผิดแน่เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงก็คืออ่าตอนคือปกติหนูก็พุดโธพุดโธอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะในเวลาปกติจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตมันก็สงบอยู่ใ น, นระดับหนึ่งแล้วพอเวลาเราแบบเจอคนพูดจาไม่ดีมาเนี่ย อันนี้หนูจะสอบถามพระอาจารย์ว่าการวางจิตของหนูถูกหรือเปล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอหนูได้ยินคนพูดไม่ดีมาปุ๊บเนี่ยหนูรู้แล้วว่าอสติมันจับได้แล้วว่าอวิญญาณคือวิญญาณาขันมันได้รับรู้มานรับภาษามันกระทบแล้วหนูก็เริ่มไม่พอใจละแล้วมันก็เข้ามาที่เวทนาคือทุกข์ละแล้วก็สังขารมันก็ปรุงต่อเรียบร้อยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยหนูวางจิตเป็นอุเบกขาก็คือแบบไม่ไม่ไปยุ่งกับมันดูจะดูมันว่าเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ มันก็ค่อยๆจางลงเองแล้วจากนั้นหนูก็ค่อยไปเดินว่าหาสาเหตุว่าทําไมมันถึงทุกข์หาสมุทัยแล้วก็พยายามหาสาเหตุจนได้คําตอบคือมันอันนี้รู้อยู่นะคะว่ามันได้จากความคิดมันไม่ใช่เกิดจากทำที่มันผุดขึ้นมาเองแล้วก็พอเราหาสาเหตุเจอแล้วว่าเออเราไปอยากกับอยากให้เขาพูดดีกับเราแล้วก็เราไม่อยากให้เขาพูดไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นทุกข์ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าเราเอาไปยึดกับ คำพูดของคนอื่นเราไม่ได้ดูที่ตัวเราเองว่าเราโง่ไปแบบเอาคําพูดเขามาทําให้เราทุกข์ทำไมแล้วทําไมเราถึงแบบไม่มาดูที่ตัวเราเองว่าว่าเราไปทุกข์พ่อคําเขาได้ยังไงในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่งนี้ค่ะสุดท้ายมันก็พอได้คําตอบมามันก็มันก็เหมือนแบบปลดล็อกแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่าอาฆาตพยาบาทกับคนนั้นอีกตอนแรกหนูตอนแรกที่หนูเจอปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่หนูจะพูดโทรพุดโทรเข้ามาเลยแล้วคราวนี้พุทโธพุดโท ร, โทรมันเหมือนเป็นการ กดแต่มันไม่ได้เป็นการแก่ค่ะหนูรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเจอปัญหาเดิมหนูก็เต้นเหมือนเดิมอีกนะคะหนูก็เลยลองลองเดินแบบเพ่งแต่สติเพยงแต่ระงับชั่วข่าวค่ะ้องใช้การตพิจารณานึกปัญญาให้เห็นอารยารยาสักสิค่ะพอหลังจากที่พิจารณายงั้นมันกดได้มันก็จะหายต่อไปแล้วก็จะไม่เป็นปัญหากับคนั้นหนึ่งต่อไปย้อนหน้านึ่งต่อไปค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีนี้มันน่าจะถูกหรืเล่าหนูก็เลยไม่แน่ใจมาถามพระอาจารย์ดูแต่ว่ามันเป็นจากความคิดพิจารณาของเรามันยังไม่ใช่ภาวนาเมายาปัญญาอันนี้แหละภาวนามายปัญญาอันนี้เหรอคะอืมอืมอืมอื ม, อ ม, อมค่ะแล้วกไ็ไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะผุดขึ้นมาเองด้วยอัตโนมันมันเปลี่ยนไปไม่ได้ถ้าเราไม่เคยพิพจารณามต่อมันก็ไม่ผุดขึ้นมา เหมือนกับว่าเราพยายามคิดว่าเราทุกข์เพราะอะไรแล้วเราจะหายทุกข์เพราะอะไรมันก็ผุดขึ้นมาอย่างเงี้คือภาวนาไม่ปัญญาอันนี้ภาวนาไม่ปัญญาคือพิจารณาด้วยด้วยปัญญาและด้วยอุเบกข์ไปพร้อมพอกันอ๋อแสะดงว่านี่คือวิปัสสนาแล้วใช่ไหมคะอ่าวิปัสสนาแล้วค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะคือหลังจากที่จิตหนูเข้าเวลานั่งสมาธิพอจิตรวมแล้วที่หนูเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่ามันก็ถอยออกมาเอง แล้วก็หนูก็มาพิจารณากรรมฐาน5อาการ32คือหนูพิจารณาเยอะมากค่ะแล้วกอนุโลมปฏิโลมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่หนูก็เลยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเลือกมาสักอย่างเดียวเพราะเรากวาดไปหมดอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงอสุภะที่เป็นนอนเนี่ยหนูรู้สึกเลยว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เร็วมากมากที่สุด กับพิจารณาคงกระดูอะ่ะค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูจะเลือกเอาเฉพาะอะไรได้เฉนะพาะอันที่ทําให้จิตเราสงบนอ๋อแสดงว่ า, านหนูก็เอาปัจจยยาจะมียาชนิดเดียวกันจะมีสิบยี่ห้อนะจะลองยี่ห้อหน ม, มันอาจจะดีกว่ายี่หอหนึ่งแล้วก็ี้เอายี่ห้อหนั้อนอืมแต่ถ้าหนูอยากจะพิจารณากระดูกอะหนูไม่แน่ใจพอตั้งคงกระดูขึ้นมาแล้วเนี่ยปกติที่หนูทํำคือหนูจะหมุน คือเป้าหมายมันให้เรากำหนัดกำกำจัดความกำหนัดยินดีในกาลเวลาคะเวลาเราเห็นร่างกายของคนที่สวยงามน่าดูหน้าราบอ่างนี้ก็เกิดกาลมาลขึ้นมาเพราะนเราต้องดูส่วนที่มันจะทําให้เราไม่พิศสไม่ไม่พิศวโสว่าดูโคล น, น, นก็ดนได้โ<ะ>คลมก็เห็นดูลําไส้ก็ได้อน่าแต่เร า, าเลือกได้ หนูว่าน่าจะเป็นป่าชาเก้าที่มีนอนเยอะๆเนี่ยหนูรู้สึกสะอิดสะเอียนที่สุดะแล้วมันตอเจ็บ <นะ S 2> มันจะเข้าที่ดับการมันลมได้ก็ใช่ได้ค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยหนูจะมีปัญหาเรื่องของโทสะค่อนข้างเยอะแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าการเจริญพรมวิหารสี <c oughs> ในรูปแบบของการทําสมถะเนี่ยก็คือท่องคาว่าเมตตากรุณามุ้ทีตาอุเบกขาไปเรื่อยๆหรอคะหรือว่ายังไงอ๋อไม่ใช่หรอก เราต้องเข้าใจความหมายของการใช้ใช้เมตตาว่าใช้อย่างไรปฏิบัติอย่างไรเช่นเราโกรธใครเนี่ท่านก็บอกให้เราไม่จองเวรกันก็คือให้อภัยค่ะเราต้องให้อภัย<ม>พอเราให้อภัยเขาได้ความโกรธก็จะหายไปออืก็คือหมายถึงว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดความโกรธเนี่ยให้เราคิดถึงเมตตากรุณ า, มาเมตตาอุเบกขาเมตตานี่ยก็เป็นการแก้ปัญหา คืพอเราอ่ะไม่เป็นไรเขาเขาด่าเราเลรแล้วก็ทําอะไรเราแล้วมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่อยากจะมีเรื่องเวลากันเพอให้อภัยแต่มันความโกรธมันก็ยังมันมันยังไม่ได้ไปได้รับการแก้ที่ต้นเหตุต้นเห็นมันเข้ามาที่อาลีอัสัตว์สี่ามโกรธก็เป็นความอาลีอัสัตว์ี่ก่อนค่ะความโกรธก็คือคามทุกอย่างใช่ไหมมันมันก็ต้องเกิดจากความอยากใช่ไหม อยากให้เขาดีกับเราอนี้พอเขาไม่ดีกับเราถ้ า, าจบทีบนี้เราก็ต้องมาอยู่ตรงที่ความอยากเราอยากให้เขาดีกับเราเพราะเขาเปน็นทงน้นตาเราไปควบคุมมันครับขอไม่ได้อันนี้เรื่องปัญญาวิปัสนาค่ะเอานี้ที่หนูสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือ ที่ที D ่เคยไดินคูบาอาจารย์ว่าดวงจิตพุทธโธพุทธะที่ว่าเป็นดวงจิตที่สว่างสวยที่เราจะได้อันนี้เขาเรียกวิวปัสสนาญาณที่เกิดจากการทําสัมมาส ม, มาธิไประดับหนึ่งอะคา่ะเราต้องผ่านจุดนี้ก่อนที่จะบรรลุที่จะละสักกยะทิฐิได้หรือเปล่าคะเราต้องผ่านผัานเบรคขาให้ได้ให้จิตสงบสัตวะรู้รแล้วก็ ใจตึกกาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเน่พอเราได้อันนั้นแล้วเราก็สามารถที่ไปเจรณญวิปสนะัสสนาเพื่อล ะ, ะเพื่อละสังโยชน์ต่างๆได้แต่คราวเนี้ยเวลาพิจารณาฐานกายเนียคะ่ะการจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเอมันจะต้องเห็นเป็นนิมิตเป็นธาตุอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันจําเป็นเห็นให้ให้เห็นให้ให้เกิดความเข้าใจ โอเคค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอดีว่ามีอาจารย์คาราวาดบอกหนูว่าจริงๆอ่ะตัวหนูนะ่ะปรารถนาพุทธภูมิมาให้หนูไปละหนูก็ไม่หนูรู้สึกว่าตัวหนูเองไม่ไม่ได้อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกมาอย่างงี้หนูก็เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราปรารถนาพุทธภูมิก็ถ า, ถามว่าเขาจะรู้ได้ไงเมื่อตัวเราอย่างนี้ไม่รู้เลย <laughs> เด็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกแล้าบอกให้หนูปละหนูก็ไม่เข้าใจหนหนูก็โงไปฟังเขาหูก็รับรู้เรื่องตัวเาบางดีกว่าคนอื่นหนูก็แบบอะไรวะเราไม่เคยอยากเป็นพุธจนั่นเนงเอาง้ไปฟังเขาไหแก็แบบว่าเขาก็เก่งกว่าเราเยอะอ่ะหนูก็เก่งเก่งเรื่อง่เราก็จะมาเก่งเราได้ไง โอเคค่ะคำถามนี้แค่นี้นะคะขอาวการราสการอาจารย์นะคะถ้ามีโอกาสจะไปขึ้นเขาเป็นพยาบาลไม่เป็นแพทย์เป็นเป็นเป็นหมอเ่ยเป็นหมอค่ะเป็นหมอทางไหนเป็นหมอรักษาระบบสมองค่ะเป็นนิวโรค่ะนิวโรเมค่ะเหมือนเหมือนดรเวีเหมือนเป็นหมอวีรันธ์น่าเขาหน้าจะเป็นรุ่นน้องหนูนะคะรุ่นน้องดติดตามรายการก่อ ยังไม่เคยเลยค่ะหนูยังไม่เคยติดตามเข้าไปดูใน YouTube ก็เสิร์ชทุกวันดอรวีดูแต่ทุกทุกวันอาทิตย์ก็เนี่ยในในในในในเพจของเราเขาก็มาทุกวันอาทิตย์สองทุ่มโอ้โหคงปฏิบัติไปไกลละก็ไม่แน่ถ้าเรามาฟังดูจะได้รู้่ะค่ะว่าหนูพวกหนูกับเพื่อนว่าจะไปนอนบนเขาจะไปปฏิบัติบนเขาดูอยู่ค่ะ โอเคต้ามีเวลาจะกลับไปค่ะถ้ามีเวลามีโอกาสนะคะขอกลับขอบคุณค่ะถ้าที่คุณแม็กต่อพรกกวัดพรกกวัดแมพักกวัดอยู่ที่ไหนพรครับเ่อรพระอาจารย์สุชาติครับว่าไงอมผมมีคำถามครับพระอาจารย์อม ผมกลัวครับว่าภูมิเทเฮวามาหลอกผมตอนผมมันเด็กอะครับเพราะตอนนั้นนะคะตอนผมมันเด็กใช่ไหมครับแล้วผมไม่บวชอะครับผมจะอยู่ในห้องใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นแก้วอะครับแล้วห้องแก้วนั้นนะครับก็มีพระอาจารย์ใช่ไหมที่ดูแลอะคะ่ะแล้วทีนี้อะค่ะมผมรู้นะคะว่าผีเข้าวัดไม่ได้แต่ทีนี้อตอนพระอาจารย์ออกจากห้องห้องอที่มีแต่แก้วใช่ไหมครับ ผมไปดูข้างนอกใช่ไ้มครับแล้วมันก็มีพระอาจารย์มองอยู่ครับมันแบบมองเอียงอะครับมันเป็นภูมิาเทวาได้ยังเปล่าครับไม่ถามมันดูเนี่ยมันรับเชื่อไม่ถามมันดูเนยเพราะถ้าผมถามไปใช่ไหมแล้ว อ, อ, อาจารย์ก็บอกเขาไม่ได้ทำเลยเข า, า, าไม่เห็นก็ไม่เห็นไบเราไม่ต้องไปรุงแต่งคิดขึ้นมาเอง เราเจอใครล้วก็ต้องถามชื่อเขาใช่ไหนะคุณชื่ออะไร mm hmm. ไม่ใช่อยู่ดีคุณไปนยังบอกอ่นี่ชื่อชื่อเทพชื่อชื่ออะไรคุณไปตั้งชื่อให้ขได้เหรอวะอ๋อโอเคของเขาแล้วมีค mm hmm. อถามอีกอันหนึ่ง่ะคะอืม mm hmm. uh, คนที่เกิดในจารุมหาราชิกาเป็นอ่ม uh, อะไรนะคะเทวดาเหมือนอ่อ uh, อะไรนะคะ คนท่านเทว ด, ด, ดามีหลา ย, ลายชั้นไงเหมืนเรียนห<ช>นังสือเรามีเรีนหนังสือเรามีปอหนึ่งถึงปอหกใช่ไหมอือเทว ด, ดาก็มีชั้นหนึ่งชั้นสองถึงชั้นหกนั่นไงอยู่ที่ว่าทําบุญมากทําบุญน้อยแต่มผมได้ยินมาครับว่าอืมคนท่านอ่ะค่ะที่เกิดในจาตุมหาราชิกาใช่ไหมครับ<ม>จะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เหมือนแบบชอบอืมอะไรนะตนตรีอ่ะครับมันจริงไหมครับไม่จริงอ่ะมันอยู่ที่นิสัยของแต่ละคน ไม่เกี่ยวครับพระพิฆาตมัยต้จะไปอยู่ชั้นดาวหนึ่งก็ได้ชั้นดุสิต์ก็ได้อ๋อแล้วมีคําถามอีกงานหนึ่งอะครับพระอาจารย์คนที่เกิดในดุสิตบุรีใช่ไหมครับ<ม>ต้องทําบุญอะไรที่จะได้เกิดในดุสิ์ครับก็ทำบุญมากๆเลยคือแบบบุญนี่มีแบบงเป็นอบชั้นก็หมายถึงว่าถ้าหนูมีเงินเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี้ยถ้าหนูทํา ร้อยละยี่สิบเนี้ยก็ได้ชั้นชั้นที่หนึ่งถ้าถ้าทำร้อยละสี่สิบก็ได้ชั้นที่สองได้ขึ้นไปเรื่อยๆที่มากน้อยเข้าใจัหยโอเคครับขอบคุณมากนะคะพระอาจารย์สุชาติครับโอเคหวัดดีคุณยนดีถึงบ้านแล้วเหรอถึงอเมแล้วเหรอถึงแล้วค่ะท่านอาจารย์รยนินดีค่ะลูกขอพระคุณเนีายสูงค่ะ แล้ววันนี้เดวิดเข้ามากราบได้ค่ะท่านอาจารย์ ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ See you later okay when you come back <laughs> alright maybe your next your next appointment will be in Thailand of c o u e สาธุค่ะท่านอาจารย์ alright bye bye a l r okay คุณนนนแนนจากอุดรก่รรับะกายค่ะท่านอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะ เย็นคุณอ้อมตอบออมอจากบอวินเตรียมขึ้นเวทีเขาใช่ไหมค่ะงานมสการค่ะวันศุกร์นี้ค่ะไปสู้กับเสือสู้กับเนี่ยสู้กับผีใช่ค่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงให้กินอย่างเนี้ยค่ะ ก็ไปรอบก่อนก็นั่งคิดเอ๊ะเพราะว่าผ้าจารย์บอกว่าให้เอาสติปัญญาไปด้วยก็เอ้ยกลางวันกับกลางคืนมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่เองก็เลยพยายามใช้ปัญญาเยอะๆค่ะแล้วพวกสัตว์ที่มันอยู่ในป่าแม่มันกลัวผียังไงใ่ไหมใช่ค่ะมันก็อยู่แบบปกติของมันมันก็อยู่ท้อได้ใช่ค่ะเราปรุงแต่งด้วยเองมันลงเองใช่ค่ะคิดเองเพนั้นต้องมีสติค่อยๆควบคุมวามคิดไหม พอไม่คิดมันก็หายไปหมดผีพอปล่อยมันคิดผีก็มาเต็มไปหมดใช่ค่ะต้องหยุดเวลามันจะคิดขึ้นมาต้องหยุดมันหลายมันมันนอุบายให้ไปฝึกสติกันไงถ้าอยู่ที่ปลอดภัยนไม่ยอมใช้สติกันเพราะมันไม่คิดถึงผีเวลาอยู่ที่บ้านไม่คิดค่ะพอไปอยู่ที่วันอยู่ที่เปียวกันเดียวน่คิดถึงผีอย่างเดียวระามันให้ผีหายมันก็ต้องเจริญสติรุ้ทัวรู้ทไป ต้องไม่คิดเรื่องมันขึ้นมาเลยใช่ต้องหยุดมันนานๆค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมีสติต่อไปเราอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่กลัวเพราะความกลัวมันเอามาจากใจเราไปปรุงแต่งเองานที่เขาไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะมันก็เหมือนเดิมนะคะใช่กลางคืนกลางวันก็เหมือนกันง่ายแต่พอสว่างปุ๊บก็กลัวเลยใช่ค่ะต้องต้องไม่คิดเลย พอมันจะผุดขึ้นมาก็หยุดไว้ก่อนแสดงว่ามันมีสตินะเราเรื่องมันผุดขึ้นมาพอผีจะมาก็หยุดมันก่อนได้เลยค่ะค่ะนี่แหละผีผีขเขาอยกผีหลอกค่ะ<า><ต>ผีตัวเองอหลอกตัวเองผีจริงเราวิญญาณต่างก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกค่ะ<า>โอเคนะไม่มีคำจานใช่ไหมค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญคุณสมชายจากเพนซิเวเนีย โ <Okay. S 2> อเคอไปแล้วยังปแล้วยังพูดได้เลยอ่านเาะโอเคครับกับท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็มีมาตอกหน่อยแล้วก็ผมก็ได้รับจากท่านเคยบอกว่าข้ามกินเล้า so far two week แล้วครับไม่ได้พยายา ม, มอดทีส ต้อไปก็จะต่อไปก็จะไม่อยากกินเองเพราะถ้าเราเหลวมันก็ความอยากก็จะหายไปแล้วก็ก็การท่องพุทโธบางครั้งก็นอนหลับยากคิดถึงนู่นคิดอันนี้ก็จะไปนู่นจะมานี่อ่าคน น, นู้นคนนี้บั่งผมก็เลยตอนเด็กๆส่วนมากจะนอนไม่ค่อยหลับผมก็เลยต้องท่องพุทโธ ท, ที่ท่านเคยบอกไวค้ครับ มันดีขึ้นหมหลับง่ายขึ้นไหมครับก็บางครั้งก็หลับไม่รู้ตัวครับดีครับแล้วถ้าถ้าทําสินนี้ให้หมดแล้วต่อไปผมจะต้องทําอะไรต่อไปครับก็รักษาปเป็นื่อยจวันตายเลย <c oughs> รักษาสินไปจนวันตาย <c oughs> แล้วก็มาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิ <c oughs> แล้วต่อไปก็เพิ่มสินจากรสินห้าเป็นเพจสินแปดมีหลายชั้นสินมีหลายชั้นด้วยกันช <c oughs> ั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาชัน้นมัธยมก็สินแปดชั้นอุดมศึกษาก็สินสองอ้าแยกเจ็ดเข้ามาเป็นพลาทัา้งหมดเป็นพลาอ๋อเข้าใจไหมเข้าใจ อตอนนี้อตอนนี้ยังอยู่ชั้นปฐมอยู่ทุกงนานชั้นปฐมบนาดนี้ยังยังยากของบากต้องให้ให้มันผ่านศีรษะได้ก่อนแล้วต่อไปก็ลองมาถือศีลแปดด้านต้นในวันอ า, อาทิตย์สักหนึ่งคันก่อนแล้วไปเช่นวันพระในบางไทายเราคนที่รักษาศีรษะอะไรก็จะนิยมมารักษาศีลแปดกัน นอกจากสิ้นปดไม่มีอะไรบ้าง<อ>มันกสิ้นห้าแต่เพิ่มอีกสามข้อไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วนอันนี้ผมควบคองทำได้ครับอันนี้แล้วการไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ดูบันเทิงไปแต่ไม่เ้องนําทําเพลงไม่แต่งหน้าทาปากแต่งเนื้อแต่งตัวอ๋อไม่ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลง อ, อาทาแต่ ง, งานอย่งังได้ <c oughs> oh. ไม่แล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายไม่นอนบนชุ่ง้นาๆเตียงใหญ่ๆให้นอนกับพื้น <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่จะได้ไม่นอนมากเกินไป oh. นอนกับพื้นปูเสื่อปูกผ้ามันจะได้ไม่สบายเกินไป <c oughs> <c oughs> ต้องนอนในพาริ빙รูมนอนพื้นเนี่ย <c oughs> พื้นห้องนอนก็ได้ แ้วห้องนอนก็มีพื้นไหมเพื่อนที่เอาเดินอ๋อครับไม่ต้องนอนโซฟองโซา่เข้าอะไรนู่นอืมอ๋อครับแล้วจะต้องทช้ผ้าห่มปูผืนเดียวก็พอนะใช่ใช่ไม่ให้มันสบายเกินไปเพราะมันจะนอนมากเกินไปทํเาเวลามันนั่งสมาธิดีกว่าไม่ล่ะท่านนั้นท่านนอนกับพื้อนแล้วมันจะนอนได้มากมันก็จะตื่นตืน่นขึ้นมาแล้วก็มานนั่งสมาธิแทน ผมได้ยินแตบบ่ว่าสมาธินู่นสมาธินี้ครับศินห้าแล้วประมาณจะต้องเป็นสินแปดอีกแต่มีสามข้อเพิ่มขึ้นแล้วก็อ๋อครับแล้วก็ก <c oughs> <c oughs> ็ได้วันดูเแกะไรอาเก็อ๋อแล้วเชื่อว่าท่านเคยสอนว่าเอาทะเบียนเอาทะเบียงไปนะฮะเ <c oughs> อาทะเบียนตอนที่ อายุมากผมก็อายุมากอกสึกว่าแล้วผมจะอาัยถ่แล้วล่ะครับอ่าผมก็กเสียงก็เป็นสบีย่างเหมืีนเสีงนี่เป็นเป็นสบีย์ที่จะทําให้เราไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและป้องกันไม่ให้เราไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรแล้วถ้าทําบุญทําทานนี่ก็จะเป็นเสบียง์้าเราไปอยู่บนสวรรค์ ถ้า บ, บุทำทรนนี้ก็ช่วยได้ครับนี่ก็ทำผมก็ทำไปทำโน่นทำนี่ท ำ, ทำนี่กันอลองทำไปเรื่อยๆดูนะเอาสินะให้ได้มั่นคงก่อนนะอ๋อให้ได้มั่นคงแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เพิ่มอีกสามข้อฟังเทศฟังธรรมด้วยศึกษาธรรมะบ้างเอาเอา่อานหนังสือธรรมะบ้างฟังเทศฟังธรรมเข้ามาสนทนาธรรมนะ เรามีเรามีมีธรรมะแสดงสดทุกวันสามารถเข้าไปฟังในในยู u ูบก็ได้ใน Facebook ก็ได้ครับครับ บ, บางครั้งผมฟังทัานพูดที่ที่ t u b ูวันนี้ผมจัดผมจัดแอดเดรสไว้แล้วก็ก็คงผมก็ฟังท่านเรื่อยครับฟังข้างลังครับฟังกจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่มมากขึ้นครับ <c oughs> ล้าตอน ตอนภาคภาษาอังกฤษนี้ท่านท่านซ้ายเวลาเดียวกันใช่สองอนนช่วงเหมือนกันแต่ต้อเข้าไปในเพจภาษาอังกฤษแต่ไม่แ ต, แต่แต่ใช้ลิงก์อันเดียวกันก็ได้ถ้าจะเข้าในช่วงก็ใช้ลิงก์กันเดียวกันครับผมจะพยายามผมหาหาอยู่แต่ก็ไปแกนไฟละไม่เจอครับก <c oughs> ็เอาเอาเอาลิงก์ที่คุณเข้ามาวันนี้ครับนั่น ค, ค, คือทางก็ใช้ลิงก์กันเดียวกันแล้วก็ the basic one ก็ อ่าทำศีลห้าให้หมดทุกอย่างอศีลห้าบางครั้งก็อย่างอย่างท่านพูดเมื่อกี้ว่ามุกษาวาตาเรียกว่าการกดไม่กดไกดไม่โกหกกับมาไม่ต้องไม่ถ้าอ่าแบบว่าถ้าไม่พูดถ้าไม่ก็ไม่ต้องพูดเลยถ้า ถ้าจะพูดความจริงไม่ได้ก็อยากพูดไปเฉยๆไบอกเขาว่าปฏิเสธไปว่าพูดไม่ได้ตอบไม่ได้ที่เ อ, เอเมริกาเขามีให้ take the fifth ไม่ใช่หรอใครได้ยินคำ take the fifth นะ take the fifth เยอะอัน <laughs> นี้ต้องขึ้นรอเยอะครับ่นแะต้องเหมือนกันไม่มีการบางังคับให้คุณพูดได้ถ้าคุณไม่พูดรับ just do just ครั บ, yes, รบอันนี้ก็อ่า แล้วก็งกษาแล้วก็ก็รักเล็กรักใ่ผมขโมยรักเล็กรังใหญ่ก็เหมือนกันนะรักเล็ก็ไม่ได้รักใหญ่ก็ไม่ได้โกงไม่ได้โงเอาเงินของคนอื่นมาไม่ได้ถ้าของคนืนมาไม่ได้แค่แต่วันเพ็มนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะเอาต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนของก่อนอแล้วก็หลักจากนั้นก็ค้าแบบผมแล้วก็ไม่ไม่นอนกับคนอื่นนอกจากภรรยาของตนเพราะ ข้อสามอะแล้วก็อ๋คอครับไม่ commit e r y ข้อสามนี่ห้าม commit e r y แต่ถ้าถือศีลแปดข้อสามนี้เปลี่ยนมันไม่ไม่นอนหลับลกับใครเลยถ้าถือศีลแปดอ๋อที่เนที่เน no one is like no one ไมถอ And oh. abstain from sexual activity. Celebrity, mm or the -hmm. celebrity. a yeah. At u at 1 8 c a s <coughs> t h y o u n l e e i t h o f e s e e p with y o n o n t n o n e โอเคครับวันนี้ผ ม, มจะมารายงานอาทิตย์หน้าก่อนครับวันนี้จะให้ครบทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะนั่งจะนั่งสมาธิดูเอาสักสิบนาทีสิบห้านาทีก่อนก็ได้ครับพุโทโธพุโทโธนั่งดับตาแล้วก็ทําพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปคิดอะไรให้นานาที่สุดเท่าที่จะนานได้ไม่ต้องดูนาฬิกาด้วยก็ได้ไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาก็ไครับอ๋อ ตาธอเอาวะนี่ยมันจเกินไปในแห่งไอ้แค่นี่โจ้ได้รับอนิโมลโอเคครับขอบคุณมากครับตาเธอคุณพัฒนาจากบอเวนเช่นเดียวกันเช่นกล่าวมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มากล่าวพระอาจารย์แล้วก็มาขอความธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติดีอยู่นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยปฏิบัติชอบก็เพียนเพียนทุกวันนะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ แต่ยังไงก็เพ่งเร่งเรื่องสติแล้วก็เรื่องสมาธิเจ้าค่ะเนี่เฉพาะฟังธรรมก็พอจะได้ปัญญาเพิ่มเติมเข้ามาเจ้าค่ะอาจารย์ดีเนี่ยไม่มีอะไรเข้าไปที่คุณหมอสัทธาชนิตะคุณหมอจะรูปษาบิดแทงเขาให้ไหมหนูอยากกระตุนทางนี้ค่ะ ทำไงหนูจบชั้นไหนครับปีนี้ก็ีเจ้าค่ะขึ้นกวห้าแล้วแต่เจ้าค่ะได้เกรดดีแม้ยังไม่ดูผลดูผลแล้วเจ้าค่ะดีไหมดีอยู่เจ้าค่ะดีนะดีก็ดียินดีด้วยค่ะวันนี้เห็นเขาบอกว่าจะมีเรื่องกลับกลับรายงานท่านผู้จย์เจ้าค่ะว่ามาลเลยจะ สามารถพุดโธนอนได้แล้วก็ค่ะพุทโธนอนเน่ยต้อพูดโทนอนนั่งสิพุดโธนอนไม่ไม่เกิดประโยชน์่ากก็พุดโธนอนนั่งดีกว่าลองหัดพุดโธตั้งห้านาทีสินาทีได้ไหมลองทำดูได้เจ้าค่ะลองนั่งหลับตาแล้วพุดโธพุดโธพุดโทไปในใจไม่ต้องออกเสียงหรือหรือจะดูลงหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าดูลมได้ก็ดู หนอที่ปาจะบอกว่าลมกำลังเข้าลมลมาลังออกแค่้ง่ายๆนั่งแาอยากไปคิดเรื่องือ่ให้อยู่กับลมอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวและหนูจะพบกับความสุขที่หนูไม่เคยพบมาก่อนท่านอาจารย์คะมีอยู่วันอาทิตย์เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าคะ่ะช่วงเช้าพอตื่นนอนขึ้นมาอขอบอกกับหนูว่า เขาฝันถึงท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะเราก็เลยถามกันไปว่าแล้วท่านพะยะอาจร์อยู่ที่ไหนเขาตอบมาว่าอยู่ที่วัดเราเลยถามไปอีกว่าแล้วท่านพระอาจารย์ทําอะไระเขาตอบกลับมาว่าท่านพระอาจารย์เทศธรรมแล้วฟ้ากับแม่ก็นั่งฟังธรรมอยู่บนศาลาเจ้าค่ะ<ม>เขาบอกเขามีความสุขมากลูกเลยอยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าทําไมเด็กถึงฝันแบบนี้ได้เจ้าคะ ได้เพราะจิตช่องเด็ดกับผู้ใหญ่เหมือนกันทีม่มีอายุอายุเท่ากันนั่นมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายจิตบางที่อาจจะมีมีความรู้มีความสามารถมากกับผู้ใหญ่ก็ได้ความฝันก็มันก็เกิดาความคิดปรุงแต่ที่เอาเหตุการณ์ต่างๆที่เคยได้สัมผัสรับรู้มามาฟันมามามาฝันมาคิดใหม่นะ่น่นาจะการเป็นความฝันไป เขาบอกว่าเขามีความสุขมากค่ะก็ดีเนี่อเพราะเวลาเราคิดถึงเรื่องที่ดีมันก็มีความสุขคิดถึงเรื่องไม่ดีมันก็จะมีความทุกข์ในที่เราคิดถึงเรื่องดีเพราะเราทําแต่ความดีในที่เราคิดไม่ดีก็เพราะเราทําไม่ดีพอเราทําไม่ดีเราก็จะเวลานอนหลับเราก็จะฝันไม่ดีถ้าเราฝันดีสแสดงว่าเราไม่ได้ทําบาป ท, ทาสิ่งที่ไม่ดี พยายามอยากไปทบาบาปนะเราจะได้ันดีและไม่ผลลายาคเพอใจนะมีเรื่องการเปี่ยนฐานอาจารย์อีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะ <มา S 2> เป็นมามาค่ะคําถามอ่าพี่ที่ทํางานเจ้าค่ะอ่าที่ทํางานที่คลินิกที่รู้ทํางานอยู่เจ้าค่ะอ่ามันมีอ่าบ้านเยื้องๆบ้านตรงกันข้ามเขาที่คุณป้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเจ้าค่ะทีนี้เนี่ย ต้นมะม่วงมันกำลังเหมือนกับออกลูกแล้วที่พี่เขาก็เขาบอกว่าเขาเข้าไปเด็ดมะม่วงแล้วก็ก็บอกคุณป้าว่าคุณป้าที่เสียชีวิตว่าขอมะม่วงนะเราก็เลยบอกเขาว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นการไปขโมยอย่างนี้ลูกบอกถูกไหมเจ้าค่ะอ๋อแล้วมะม่วงนั้นคุณคุณป้าที่เสียไปไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วหมดสิทธิ์อ๋อ เป็นคุณป้าที่เสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านเจ้าขาแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็ถือว่าหมดสิทธิ์หมดหมดกรรมสิทธิ์ในของสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้นะอ๋อแต่ว่าอ่ายังมีลูกเขาที่เป็นผู้เหมือนกับผู้รับมรดกจากบ้านก็ต้องคออนุญาตจา ก, า จ, ากจากผู้ที่เขาเป็นเจ้าของไหวค่ะอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมเจ้าคะ่ะถ้าเขาอยากทานใช่ถ้ามันไม่ได้เป็นของเรามันอยู่ในที่ของของ ของกันเก็ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ก่อนค่ะถ้าเราไปเอามาม้วนไว้ที่ไม่ได้บอกใครก็ถือว่าผิดศีลข้อหลักทรัพย์ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพราะไม่เอาของโดยที่เจ้าของก็าไม่อนุญาตค่ะค่ะแต่ถ้ามันเป็นของที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็เช่นอยู่ในในป่าเดินเดินเที่ยวป่าแล้วเจอมาโม่บนตามพื้นนี่เราเราหยิบมาได้มารับประทานได้ถ้าไม่มีเจ้าของ ที่เขาจะได้เข้าใจเจ้าค <Okay. S 2> ่ะโอเคค่ะหมดคำถามเจ้าค่ ะ, ะอรับท่นอาจารย์เจ้าค่ะวันนารีเชิญวารีตาุฒากาศตอนนีน้อยู่ที่นภานยล อ, อยูุ่ากาศค่ะหลวงพ่อกล่าวหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อได้นหนูปะคะชัดเจนชัดเจนค่ะหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าบางครั้งมันรูน้สึกว่า มันโล่งๆว่างๆแบบไม่มีอะไรก็ดีจะไม่มีอะไรก็ดีปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีอะไรอแต่ว่ามันโล่งๆดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ได้ทูกครั้งค่ะหลวงพ่อมันมันไม่ได้ได้มันไม่ได้ต่อเนื่องทุกครั้งค่ะหลวงพ่อก็ทําไปเรื่อยๆจากนั้นมันก็ต่อเนื่องค่ะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อคะหนูฟังฟังธรรมฟังประวัติอย่างงี้ค่ะมี ท่านหนึ่งอะคะ่ะเขาเป็นค า, ารวาสแล้วเขาก็มีสามีแต่ว่าท่านสามารถบรรลุธรรมได้อะคะ่ะอั น, นอันนี้หนูฟังจากประวัตินะคะได้ตอ น, น, นสามารถมันทำได้มันขึ้นอยู่แบบท่านท่านชื่อชื่อเอ่อแม่บุญเรือนนะคะแม่บุญเรือนอันเนี้ยอันนี้ก็มีมีท่านก็มีสามีแต่ว่าแต่ว่าบารรลุธรรมได้แล้วแล้วตอนที่ ท่านเสียไปแล้วว่ากระดูกก็เป็นพาธาตุอย่างนี้ยค่ะได้ก็เป็นได้ทุกคนกธรรมะนี่ไม่ได้กจำกัดอยู่ที่ต้องเป็นพระเทกหรือเป็นผู้ชายอย่างเดียวทุกคนสามารถบรรลุไดนะ้ถ้าตัดสัญญาณศีลได้ก็บรรลุบรรลุเป็นพระหัได้ถ้ามีศติสมาธิปัญญาก็สามารถบรรลุธรรมได้เท่ากันค่ะแล้วแล้วหนมูมานึกถึงที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าถึงแค่ศีลห้าเนี่ย มันก็จะเหมือนมันจะไปไม่ถึงเก้าไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่เมื่อท่านเมื่อกี้ที่หนูบอกอ่ะท่านก็จะรักษาแปดตลอดอย่างเงี้ยค่ะท่านสินแปกก็พอแล้วสินปก็เท่ากันสินแปดนี่ครับเท่ากับสินสิทเท่ากับสินจอที่เจ็บมาสินนท่ออนๆเนี่ยมันเป็นสินสินที่ไม่ไม่ไม่ไม่สําคัญเท่ากับสินแปค่ะแล้วแล้วถ้าสมมติอย่างเงี้ยเรา เราตั้งความหวังว่าเหมือนเรามีกำลังใจว่าท่านท่านก็เป็นคนธรรมดาปกติไม่ได้ไปบวชท่านยังไปถึงได้แล้วอย่างอย่างเราถ้าเราหวังไปขนาดนั้นมันจะสูงเกินไปไหมคะหลวงพ่อไม่สูงหลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่หวังมันอยู่ที่ทำหรือ ไ, ไม่ทา <laughs> ก็คือพยายามที่จะจ ะ, จะทำตามอย่างอย่างนี้นค่ะหลวงพ่อทาสมาธิให้มากๆทำจเจริญ สเตย์มากมากดันชำนานแล้วก็มาพิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆในขันห้าออกไปก็ปล่อยวางขันห้านะค่ะหลวงพ่อแล้วหนูมีคําถามอีกอันค่ะแล้วแล้วอย่างคนที่เขาถือศีลแบบว่าเออเป็นเป็นใส่ชุดขาวที่ไปปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เรียกว่าเนศขมมะอะไรเงี้ยค่ะมันมันถือศีแบบแลแป้งก็ถือศีลแป้งการบวชศีลแป เพราะในคำนั้นแปลวาการออกจากการการรับการหาความสุขการการบสรสนค่ะแล้วงแต่นั้นแต่ก็เรียกหลายชื่อทีพตามว่าเรียกในแต่ในมันมีบางคนก็เรียกว่าเป็นส่วนบวชเป็นโยคีบ้างอะไรก็ว่านี่ไหนูหนูกำลังจะถามว่ามันตุ่มต่งกันไปมันมันตุ่มแต่งเป็นป้ายติดไปทค่นั้นเอง ตอนนี้ก็ถือศีแลแปดนะครับบวชเชื่อถือศีลแปดเป็นตามหลัทกทําก็เป็นพวกอุบาสุปอบาสิกาขอยันนะมุตบุญสัตว์สี่มีภิกษุภิกษุมีอุบาสุปอบาสิกาพวกที่ทเป็นผู้หญิงรักษาศีลแปดก็เรียกว่าอบาสิกาพวที่เป็นผู้ชายรักษาศีลแปดก็เรียกว่าอุบาสุแต่สมัยนี้มันไม่เท่มันสมัยยุคยุคไคฮโซยุคไคฮเทค ต้องมีชื่อที่มันทําให้คนฟังเรารู้สึกก็โอ้โหเป็นของพิสดารรู้สึกพิเศษอ่นั่นแหละรู้สึกพิเศษเอ๊แล้วมันต่างกันกับที่เราทําอยู่ไหมอะไรใช้เป็บุญเพื่อรักกิเลสกับเป็บวญเพื่อสร้างกิเลสขึ้นมาอีกกิเลสบรรดาตัวตนมันยังไค่ะแล้วแล้วที่บอกว่ามีคําสอนที่บอกว่าทําบุญเพื่อให้ได้ทรัพย์คนอื่นอย่างเงี้ยหนูไม่เคยได้ยินค่ะหลวงพ่อมันไม่มีใช่ไหมคะ ไม่มีหรอกทําบุญมาจากเสียทรัพย์จะไปได้ทรัพย์ได้ไงได้ทรัพยก็ไม่ไ ด, ไ, ด, ไ, ด ไ, มไม่ได้เป็นการทําบุญนะไม่การทำการค้านัะค่ะหลวงพ่อนะแต่จะได้ทรัพย์คืนในพบหน้าชาติน้าไดคืนเงินที่เราทําบุญนี่เหมือนเงินฝากไว้ในธนาคารแต่เขาเขาไม่ให้เบิกเข้าใจไหมเบิกได้ต้องรอชาติหน้าถึงจะมาเบิกได้เหมนฝากประจำเนี่ยฝากประจำเนี่ยพอฝากครบก็ห้ามเบิกห้ามถอน แต่ทานได้ก็ต้องเรื่อคบคบเวลาก่อนว่าจะได้ดอกเบี้ยด้วยค่ะลองค่ะแล้วแล้วอย่างถ้าเกิดไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาเป็นเป็นมนุษย์หรือว่าลงต้อคนต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ว่าจะไปเกิดในนรกก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วลงมาท่านได้ไหมพระเจ้าท่านนี่อ่ะก็ต้องไปลงนรกก่อนพอคนโทษออกมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะมาเป็นเท่าพระเจกครับพระเจ้าตอบไป ค่ะหลวงพ่อแ ล, แล้วแล้วอย่างอย่างที่สมมุติว่าไม่ได้มาเป็นมนุษย์แต่ว่าไปไปลงอบายยปุ่มนี้ได้ไหมคะคนที่เป็นเดือนอะไรอบายภูมิมก็นรกเนี่ยนรกเปรตผสมรากายแล้วก็เลราฉานนี่เรียกว่าอบายยปุ่มค่ะหลวงพ่ออบายสีนี่เรียกอบายสีค่ะและ้วแล้วอย่างท่านพระเทวทัศน์อย่างเงี้ยคะ่ะทุกทุกวันนี้ก็ยังอยู่ มหาลนานลงอยู่อย่างนี้ไหมคะหลวงพไม่รู้เหมือนกันนี่เราไม่ใช่นคนแปลตัวตาา้านไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเราต้องไปรู้หนูวางประวัติแล้วหนูก็สงสารแล้วอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราทําบุญเราอุทิศบุญไปอย่างเงี้ยได้ไหมคะค้อาอยู่ใน<า>นั้น อ, อยู่ในนั้นลงไม่ได้่ะต้องมาเป็นเตะต้องมาเป็นเตะถึจะมารับได<อ>้ค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีคําถามเท่านี้ค่ะหลวงพ่อ กร่าวคำขอบคุณค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะอาจารย์อาจารย์สายทีมเชิญสารครามนึกตอนก่อนแก่เลยอยู่สารครามเจ้าค่ะกล่าวนมั ส, สกา ร, รพระอาจารย์ค่ ะ, ะมีอะไรไหมรายงานอ่การบ้านที่พระอาจารย์ให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะที่หนูเคบอกว่าชอบใส่สวยงามๆค่ะพระอาจารย์ Hmm. เรื่องอาหารการกินก็จัดพระอาจารย์เลยบอกว่างั้นให้กินอยู่จานเดียวทุกอย่างหน hmm. ูก็เลยอาจานเดียวก็จานเดียวค่ะม <All right. S 2> ข้าว mm hmm. มีผลไม้แล้วก็มีโยกเกิดได้ค่ะ hmm. ไม่อร่อยค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงกับคุกนะคะพระอาจารย์แต่มันก็มีไหลๆไปใส่กันบ้างค่ะ hmm. ก็ก็ทํามาเรื่อยๆอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้มาวันนี้ค่ะมีน้ํำมะพร้าวแล้วก็เลยคิดในใจว่าเอ๊แต่ต้องเฉาะใส่ในนั้นไหมนะ นูก็เลยก็เลยเป็นช้อนต้มเอย่าเลยเป็นช้อต้มเลนูก็เลยเอ า, เอาใส่ถ้วยอีกถ้วยหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปเป็นน้ําล้างตอนถ่ายค่ะพระอาจาร<ม>ยังยังไม่ยังไม่กล้าวพวกน้ําลงไปค่ะ<ม>ก็ไม่ลอ ง, ไ ม, ลองไม่ลองสักครั้งเลยรวมมันหมดในรวมมิตสักครั้งเดิมมันยังมันจะตายแล้วเปลอาก็เลยเอาน้ามะพร้าวน้ำมะพร้าลูกหนึ่งมันจะกลายเป็นยังไงนะก็เลยเดี๋ยวมา บอกมาเล่าให้ผอาจารย์ฟังก่อนค่ะนนไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้ามีพวกน้ําจะลองดูค่ะเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องไม่ใช่เลยแต่ถ้ามีแบบนี้คงจะหายยากพวกน้ําหวานไปได้เยอะเลยค่ะผ้าอาจารย์ใช่พอไม่อยากามันมารวมกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวโนดจะลองดูค่ะ เพราะว่าตอนนี้มีโยเกิร์ตลงไปนี่ก็แบบอุ้ยมันเปรี้ยวแล้วก็มีข้าวอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เ่อนัดเปรี้ยวหวานหมอก็เปรี้ยวแลนู่ความอร่อยหายหายหายไปเยอะเลยค่ะพอาจารย์ทาให้แบบรีบๆกินแล้วก็รีบๆเสร็จค่ะอาจารย์จไม่ไม่ไม่มาติดกับรสชาติอาหารกินเพื่ออยู่ไ้อยู่เพื่อกินค่ะพอเป็นอย่างนี้ก็เลยก็ ก็เลยคิดถึงความใจว่าเอ้ยอย่างนี้สินะมันกินเพื่ออยู่จริงๆแล้วก็มีมีบางครั้งที่มีความคิดขึ้นมาว่าพอแบบบางวันเอ้เราขับรถไปกินร้านนี้ดีไหมแล้วก็คิดในใจว่าเอไม่ควรทานะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกิเลสที่เราเคยเป็นก็เลยทุกทุกอย่างร้านไหนก็เหมือนกันหดค่ะก็คิดว่าเออก็เหมือนแบบเราก็แบบ เหมือนอยากไปกินของอร่อยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยห้ามใจว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำดีกว่าค่ะ ก, ก็เลยก็เลยกลับมากินที่ห้องตัวเองค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือให้ทุกอย่างอยู่ในจานเดียวค่ะพระอาจาราย์ดีประหยัดเงินได้ด้วยต่อไปไม่ต้องไปเสียเงินกินอาหารแพงๆค่ะ น, น่าจะเพาเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ได้เยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็มีป๊ ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ปฏิบัตินั่งสมาธิก็ก็นั่งบางวันนั่งได้เยอะบางวันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้นั่งค่ะเพราะว่าเหมือนล้าจากจากงานค่ะพระอาจารย์แต่จะพยายามไม่ให้มันมันหะไม่ไม่ให้แบบไ ม, ไม่ไม่ทําต่อเนื่องหลายๆวันอะไรอย่างนี้ยค่ะพยายามนั่งอยู่ค่ะดีพยายามฝึก ส, สติไปเรื่อยๆค่ะไไค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวรับไปปฏิบตัติต่อค่ะพระอาจารย์ อ, อาหารนี่เราคุกมันสักครั้งไม่ได้คุกมันไปเลยเหมือนเวลาเรา คุกข้ามาอย่งเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวพวกนี้ทําได้ค่ะภระอาจารย์มันดน่าไปมันจาต้องคุกด้วยเหรอะพระอาจารย์ต้องเอบวางวางกินเเดียวเดี๋ยวมันก็ต้องไปคุกในท้องอยู่แล้วไม่ดีไม่ใช่ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาที่ท้องท่าในท้องมันมีช่องมันแบ่งไว้อาหารขาวอาหารหวานเป็นช่องเลยเราก็ไม่มันมันค่ะภระอาจารย์แต่ว่าก็จะทําตอนที่อยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์ถ้ากลับบ้าน แต่ไม่จล้าทำาต่ยังไม่ทำยัไม่ทำต่อหน้าคนอื่นเขาจะอ่านคาว่าลองบ้าค่ะถ้าถ้าไปที่อื่นก็จะทำปกติแต่อาจจะเอามารวมกานดูไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวถ้ากินหลายอย่างจะจะทาแบบที่พระอาจารย์บอกค่ะมันจะได้ดัดธนูนึ่งร่อมกินอย่าเดี๋ยวจิ้วจีจุกจิจะกินนู่นกินนี่ใช่่กินเจแล้วไม่ผลมนก็เท่ากันใช่ไมกินแล้วมันก็อยิ่เหมือนกันดับความอาเหมือนกันน่น ให้พิจารณาเป้าหมายของการกินเพื่อดับความหิวค่ะทำแล้วเนี่ยม่ได้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดจากการออาหารขาดอาหารกินเหมือนกินยาเองค่ะก็ถ้าอาจารย์จะจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อระงับกิเลสตัวเองค่ะ ก็ก็อ่านวระวัติของเจ้าคุณนอณออ้องท่านกินอาหารเปยังไงรู้ไหมท่านกินพวกท่านกินพวกอาหารกินถั่วกินผักท่านให้ามาันทาตำเป็นเหมือนกับกะปิอ่เงี้ยเป็นแล้วก็กินอย่างนั้นทำของทอดทัว่วมาทํามาตําำไปแล้วกากินแบบนั้นไง ทำให้ให้ให like ้ให้ละเอียดให้เคี้ยวง่ายๆสาษาภาษาก็ทำก็อย wow. ่างว่าให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเอามาคุกรวมกันอ่าเป็นน้ําที่ริกเป็นเหมือนที่พรกอย่างเงี้ยอ๋อเออเป็นเหมือนน้ำที่เราเอามาทับน้ำพริี่พวกของอะใช่ไหมที่มีส่วนผสมอะไร่ะเขามาตับตับตัท่านก็ท่านจะกินถั่วกินผักอะไรท่านก็เอามาตับตับแล้วก็กิน โขลกรวมกันเลยใช่ไหมคะขลกรวมกันข้าวเครื่องเขาขลกวมกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนูลองเอาแบบเอาคู่ก่อนคมาใหเครื่องปั่นึัไม่ต้องทำไมได้แต่แม่เครื่องปั่นไฟฟ้าเนี่ยเอาสา่เข้าไปดูนะปั่นมันเลยแล้วมันเดืไดไม่ได้มีของคุณพ่อทำอยู่ค่ะเพราะว่าปั่นไม่ดี เคยปั่นผลไม้รวมทุกอย่างแล้วก็พ่อบอกว่าชิมไหมหนูชิมแล้วหนูแบบหนูนหนูบอกว่าไม่ไหวตห้ไปเวลาแก่ก็อาจจะต้องกินแบบนี้นะคนแก่ที่ที่ที่เที่ยวไม่ได้เกิเที่ยวไม่ได้เขาก็ต้องปั่นอาหารแบบนี้ใส่ใส่สายยาให้เข้าเข้าไปในท้องเลยอืมค่ะตอนนี้ก็คุณพ่อก็เริ่มปั่นแล้วค่ะพี่ปั่นเพราะว่าปั่นท่านไม่ค่อยดีค่ะท่านก็จะให้เรา ทำอาหารเสร็จให้ปั่นผลไม้รวมปั่นผักด้วยค่ะเราก็ให้คุณพ่อทานคนเดียวเราฝไปก่อนค่ะนี้พอต่อไปเราต้องกินอาหารปั่นมจะได้ไม่ทุกกับมันอืมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสเต็ปคู่ก่อนนะคะพันธ์ศรเดี๋ยวสเต็ปปัน่นสเต็ปปัน่นน่าจะไม่ทานกับคนอื่นได้ค่ะอาจจะเดี๋ยวค่อยลองลองไปกับคุณพ่อด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อเหมือนจะแบบ เริ่มปั่นแล้วก็บอกบอกหนูอยู่ค่ะว่าอย่าปรุงแต่งคุณพ่อได้ทํามามากกว่าค่ะคุณพ่อบอกจะทําอะไรเยอะแยะกินเข้าไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะพาระอ า, าจารย์ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะพยายามไปไเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ปร้อมกับฝึกติสัมม า, าดาพัฒนาการปฏิบัติไปเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสมันจะได้กลัวกิเลสจะได้ตายบ้าง ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอให้คิดว่านี่เป็นการข่ากินกินเพื่อข่ากินกินเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากกินเองค่ะได้ค่ะพระอาจารย์จะได้แบบลดลดเกรดตัวเองลงไปให้มากขึ้นค่ะลดเกรดก็เท่ากับลดความทุกข์เพิ่มความสุขขึ้นมาด้วย โอเคไม่มีอะไรไมากวันนี้ยังไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์จะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะสาธุค่ะไปที่อาจารย์พรมพิไลหายหรือยังเชื่อหมดหรือยังเป็นมากกี่วันแล้วอาจารย์หายแล้วค่ะหมดแล้วเหละเอ อ, อเป็นมาวันนี้นนเป็นพุธที่แล้วค่ะอ๋ออาทิตย์หนึ่งนะของคุณอนุคูณเอ่อ เป็นแต่วันศุกเป็นก่อนห้าวันค่ะหัวหนุกูลหายเรียบร้อยอาการรุนแรงไหมไม่ไม่รุนแรงค่ะไม่มีไข้กันค่ะค่อนข้างค่อนข้างจะปกติดีแต่ว่าแล้วจะใครตัวมิดคคุณแม่ก็ปลอดภัยคุณแม่ก็คุณแม่ก็พาคุณแม่ออกไปอยู่โรงพยาบาลข้างๆค่ะ ที่เป็นโรงพยาบาลผู้อเ อ, อผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลผู้ป่วยแบบผ่าตัดมาอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็รู้จักกันก็ให้แม่ไปอยู่ก็สุขสบายดีเดี๋ยววัานอาทิตย์ไปรับกลับแล้วค่ะโอเคก็เรียบร้อยขอบพระคุณค่ะเรียบร้อยอาทิตย์ที่แล้วก็ยุ่งค่ะวันอาทที่แล้วเพราะว่าต้องไป <Yeah. S 2> ไหนไม่ได้ต้องจัดการทุกอย่าง ก็ไม่น่ากลัวนะคะก็จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้ ว, ลวไม่อยม ไ, ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนเหมือนที่คิดนะคะมันก็เหมือนเราเป็นไซนัสเราก็คือเป็นไซนัสเหมือนเดิมเราก็ไม่มีไข้จริงแต่เพื่อได้ยามาก็ผ่านห้าวันเมื่อไม่มีไข้มันก็ไม่ค่อยจะมีอาการมากนะคะไม่ทรมานค่ะแต่พี่เป็นที่รังเกียจของผู้คน ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องควรทุกคนให้ให้เอกอาหารมาวางให้หน้าห้องอะไรอย่างนี้นคะคะ<ม>ก็ก็ลําบากกับคนอื่นซึ่งพวกก็กลัวว่าจะติดไม่มีใครติดนะคะอันนี้แล้วคนที่เขาช่วยเราเอ า, อาหารถ่ายบาทของเราก็ติดพาที่เขาดูเอาบาทให้มอบให้กับเรา้็เขาก็ติดแต่เรายังไม่ติดเราก็ยังไม่รู้ว่าจะติดเม่อไหร่เออ ตอนนี้มันแพรกกระจายแบบเหมือนของเล่นแหละได้ยินเพิดบอกใครไปก็บอกอ้าวที่บ้านก็ติดคนนั้นก็ติดคนนี้ก็ติดหมู่บ้านติดที่สิบสองคนแล้วติดที่สิบสองคนเงี้ยก็ก็ระวังไว้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่ก็ให้ระวังก็ยิ่งติดก็ดีนะไม่ต้องฉีดเข็มที่สี่ยังต้องอยู่ค่ะต้องอยู่ก็โคบอกว่าฟรีสักเดือนหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปลลลาได้เดือน แต่ในระหว่างนั้นก็คงต้องระวังก็งต้องฉีกก็คงต้องฉีกแล้วต้องควรจะเป็น M I N A ค่ะ M I N A ด้วยคลเสื้ออะไรนี่นะค่ะก็ก็จะมีภูมิได้เยอะกว่าแต่ต้องได้ยาเร็วนะคะเพราะว่าพอรู้ปุ๊บได้ได้ปุ๊บในเย็นนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างลดเร็วอันนี้คนละโกงอยู่ค่ะ โอหลับไปนานไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันค่ะเพราะว่าลูกจับแยกตัวคนละห้องค่ะก็ควรไปหมดค่ะมื่อไหจะเมื่อไหร่จะเลิกจับตัวคุณตุ้งควรเลิกแล้วค่ะเอของค่ะวันวันศุกร์เช้าค่ะ้าให้คนเข้ามาฉีดยาเนี่ยไปสองรอบแล้วค่ะเดี๋ยววันศุกร์เรจะมาฉีดห้องที่อยู่นะคะแล้วก็ก็จบแล้วค่ะ เน่ค่ะก็เรียบร้อยก็ได้ได้พระจาระคะที่เป็นที่พึ่งนังวีตทงวันแต่ว่าบททดสอบนี้สบายค่ะคือจิตนี่เฉยมากมสบายมากมสบายมากจัดทุกอย่างได้ก็จัดกับลูกลนะคะ่ะก็จัดได้อย่างสบายสงบนะคะไม่ไม่ร้อนเลย น้อยก็ทำอะไรไม่ได้กแต่ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่รู้สึกแล้วก็สามารถสั่งอหารให้ผู้คนทั้งบ้านได้ทุกวันเหมือนเดิม <ๆ S 2> ค่ะแต่ว่าออกไปไม่ได้ จ, ดจัดทุกอย่างได้ครบถ้วนๆๆๆนะคะโอเคนะตกลเาล่ะสัการคุณกอลฟกาแฟกอจากสรลาทานสักการคร <ๆ S 2> ับ ไม่มีคำถามครับมาร่วมฟังครับครับนี่ตนที่ท่านต่อไปแล้วนะจะได้ไม่เสียเวลาครับอาจารย์เดี๋ยวผมฝากเพื่อนซื้อขนมไปตักบาทวันศุกร์นะครับขนมปังใช่ครับเป็นความต่อไปความอยกได้รวยความอยากได้รวยสวัสดีค่ะอ่ว่ามามีอะไรไหม มีนิดนึงค่ะก็คือว่าเ อ, อหนูก็ฝึกเอจดเลนสติพุโทโธพุโทโธนะคะที่ที่ท่านพายการแนะนํามาค่ะก็ดีขึ้นนะนะคะแต่ทีนี้หนูก็อยากให้ตัวเองนี่แบบมีใจที่ผ่องใสและเบิกบานอยู่เสมอนะคะหนูเองก็บางทีก็คือมันมีเรื่องมากระทบอารมณ์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะจ ะ, <c oughs> จะทําเช่นไรให้อารมณ์มันเสถียรนะคะ เราอย่าหยุดอย่าอยุดเจริญสติอย่าหยุดตงเจริญตลอดเลยล่ะเหมือนเวลาเราทํางานไหนมันก็ต้องมีอะไรให้คิดอะค่ะหรือว่าคิดเฉพาะงานเลยอย่าไปคิดนึกหนงสมมติว่าเจอเจอวีนเจอเวียงเจอลูกน้องเจอผู้บังคับบัญชาอะไรเนี้ยค่ะอ๋ออันนั้นก็อยากใหคิดนีให้ทําพุทโธพุทโธไปเอาบางทีพูดจาไม่ดีใส่มาอะไรนี้ก็เลยหองเขาไปไม่ต้องไปสนใจแล้วก็พุทโธพุทโธเอาไป คิดแต่งเรื่องการที่เราต้องทำจริง่านคิดบัญชีบ ว, ว, วกแรกบวกแรกบวกลบปัญหาใดคิดได้แต่อย่ไปคิดถึงวิภาควิจารณ์คนนั่นคนนี้ดีไม่ดีไม่ใช่เลื่องถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจเราก็จะไม่ไม่หวั่นไหวใจเราก็จะเฉยเฉยกับคนต่างๆได้เราไปยุ่งเขาเขาเองเพราะเขาไม่ได้มายุ่งกับเราเราไปยุ่ ง, ขงเขาเอง แต่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่พอใจหรืดีใจเสียใจไปกับเราแล้วค่ะเขาคิดไม่ดีกับเราแล้วคะคอาจารย์ก็เหมือนฝนตก่ะฝนตกเราอะฝนฝนตกเจะทะํายังไงเห็นไหมฝนตกแม่สั่งให้ฝนมันหยุดได้แบบว่ไม่ได้นะเดี๋ยวฝนก็หยุดเองใช่แล้วเขาคิดไม่ดีแล้วก็ไปสั่งว่าไม่คิดไม่ดีได้ไมันเดี๋ยวเาก็หยุดเองนี่ ไม่อยู่กันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราะตังดีไม่ดีไม่อยู่ที่เข้าคิดนะอยู่ที่การกระทําของเราทำถ้าเราทําดีอย่างต่อให้เทวดามาสา์มาแช่งว่าเราไม่ดีมันก็ทําไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้จริไงไหมแล้วอาจารย์ครับทยังไงให้เราแบบเกิดฉันทาในงานได้ตลอดแล้วก็มีความตั้งมั่นแห่งจิตนะคะคิดถึงเงินเดือนที่จะได้เนี่ย บางทีเงินเดือนอ่ะจะไม่เนเราอาจจะคิดว่ามันคือหนูทําราชการเนาะบางทีทํามากก็ได้เท่านี้ทำน้อยก็ได้เท่านี้ช้าช้าเช้าช้าก็เด้าชาเช้าช้แต่บางทีทําเยอะไปแล้วคนไม่ทําอาจจะได้ดีกว่าก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างในสิ่งที่เผชิญมานะคะออ อันนี้กานเราก็ต้องอย่าเราก็อย่าอย่าไปมองที่เรื่องเรื่องผลตอบแทนเรามองถึง <c oughs> ประโยชน์ที่เราทําให้กับให้กับโลกให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้ผู้อได้มากเราก็มีความสุขมากทาแน่น้อนเราก็มีความสุขน้อยเหมืนเป็นการทําบุญทำทานไปค่ะแต่ใจต้องกว้างจริงๆถ้าคิดถึงท่านนี้คือหมายถึงว่าถ้าคนทั่วไปก็ต้องคิด ตามกิเลสทั่วไปก็ต้องคิดถึงโปรไฟต์ะนะคะเราไม่เราไม่ได้เป็นคนทั่วไปแล้วนี่เราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้านะเราค<ฆ>ิดแบบพระพุทธเจ้าสอนให้คิดใชเราคิดเพื่อเป็นการการทำบุญทำควำามดีใ น, นการทําอำคือว่ารับใช้ผู้อเรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้เป็นเป็นวิธีทําบุญอย่างหนึ่งศีประการด้วยกัน การรับใช้สังคมรับใช้ราชการอะไรก็ว่าไปทําไปทําให้ดีที่สุดทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยไม่ไปรัผลตอบแทนจากผู้บังคับบัญชาว่าจะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้รางวัลอะไรต่างๆเอาแค่เงินเดือนก็พอเพราะเงินเดือนมันจะเป็นต่อการดำอบชีพเราทําแค่นี้ทําเพื่อมเงินเดือนทําเพื่อมดำอบชีพเราไม่ได้ทําเพื่อหวังลาบยุศสาเสรือในจากใคร ถ้ามาก็ดีไม่มาก็ไม่เสียใจคิดเฉยเลยขอให้า ไ, ได้ทําคุณประโยชน์อย่างเต็มที่ดีกาค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะบางทีหนูเป็นคนที่ตั้งตั้งใจเป็นเรื่องๆแล้วบางทีก็ก็หยุดไปมันความตั้งใจมันไม่สม่ําเสมอมค่ะไม่รู้ว่าก็ต้ององโทษเนีน่ยต้ององโทษตัององษ้ตงใจแล้วถ้าไม่ทํำก็ต้องลงโทษเช่น เช่นผักทำเงินเดือนเอาเงินเดือนไปทําบุญแทนที่อางเงินไปใช้ไปอะไรตามที่เคยใช้เงาเงินนี่ไปทําบุญ็นการลงโทษตัวเองตั้งใจจะทําแล้วล้มเหลวต้องเอาล้มเหลว่ต้ อ, อง อ, อ, องโทษต้ อ, อเอาเงินเดือนมาสักส่วนหนึ่งเงินที่จะไปใช้เที่ยวใช้กินใช้ที่ไม่จําเป็นเอาไปทําบุญแทนต่อไปมันก็จะได้มันจะได้ไม่ล้มเหลวว่าล้มลเหลวก็ถูกปรับใช่ไหม ใช่ค่ะสมาธิเราเรียนทั้งเรียนนั่เรียนหนังสือยู่ที่โรเรียนก็บางคั้งได้พูดภาษาอังกฤษแต่ในใหม่ก็ไม่เคยไม่ชินพูดไม่ได้ก็ชอบชอบคุยภาษาไทยกันเพราะมีกฎว่าถ้าครูได้ยินเขาเขาจะปรับครั้งละหนึ่งบาทเนี้ยพอโดนะปรับแคะสองสามครั้งเองดี๋ยวนี้ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดภาษาไทยเลยตอนนั้นพูดแต่ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันต้องมีการลงโทษตัวเองว่ามันจะได้เข็ดละพยานนะ ท้าไม่งั้ก็อย่าไปตั้งใจงถ้ารู้ว่าตั้งแล้วลบก็อยากไปตั้งใจงอยากไปหอกตัวเองรู้ว่ายังทําไม่ได้ก็อย่าไปตั้งเพราะของบางอย่างมันอาจจะมันยังเหนือวิสัยเราอยู่เรายังทําไม่ได้ก็อย่าไปตั้งตั้งในสิ่งที่ระกี้เราพอเราจะเอื้อมได้กระจายยังเข้าใจแล้วค่ะงั้นหนู <Okay. S 1> ขอทําแค่นี้ก่อนแล้วค่อย ปรับใช้ในสิ่งที่ที่ที่อาจารย์แนะนําก่อนนะคะเอาเป็นเรื่องเรื่องที่ที่รู้สึกว่ากระทบจริงๆก็มีหลายเรื่องแต่ว่าอย่าอย่าอยากลองปรับตามที่อาจารย์แนะนําเป็นเรื่องเรื่องก่อนอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจนะเอาพูดโท้เลยก่อนใส่พูดโธ้พูดโท้ไปกับเรื่องฉันทะางที่มันกับสันทะในงานค่ะบางทีมันก็มีแบบว่าแวบๆที่เกียดมีเบื่ออะไรเงี้ยค่ะก็คิดดูพระพุทธเจ้าเป็นตอย่าง พุทธชาตท่านทำมาให้กับพวกเราสี่สิบห้าปีแล้วไม่ได้เรียกร้องเงนเดือนหน้แต่บาทเดียวแสดงธรรมทุกวันวันละห้ารอบวันละสี่รอบตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนพระทิกษุดทีุ่นี้ตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนะเราบินเบาทต้งเร่งยานก็จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษทานี้มาทุกวันสีน่บห้าปีกันเรียกพุทธกิจห้า ถ้าอยากจะมีกำลังใจในเรื่องการทำงานก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเรื่องนมาขอเงินเดินขึ้นไหมไม่เคยขอเงินเดินจากใครใช่ไหมไม่เคยขอตำแหน่งจากใครเลยไม่ขออะไรทั้งนั้นทำท่องเปความสุขจากการให้ทำประโยชน์ให้กับผู้นี่เป็นความสุขเป็นความสุขที่ซื้อด้วยเงนินด้วยลาบด้วยยศไม่ได้ความสุขแบบนี้ต้องทำต้องเกิดจากการเสียสละสำหรับ เราพร้อมที่จะเสียสละไหมยังถ้าเราอยากจะเป็นคนวิเศียนงพระเจ้าก็ต้องกล้าเสียสละอย่าคิดจะเอาอย่างเดียวตายไปก็้อาไปไม่ได้ครับเอามาทำเอาของที่เราไปได้ดก่อเอาความสุดใจที่ได้จากการสียสละไปไม่ดีกว่าจริงไหยค่ะ ใจมันต้องใหญ่มากจริงๆต้องก็งงไ ป, ปร่วมศิษรพุเจ้าก็ต้องใหญ่ตามพุทธเจ้าเราถือพุทธทางศานามไม่ทาไมถือแต่ปากมันต้องถือด้วยการปฏิบัติะนะฮะถือพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างหรือคูบาอาจารย์ก็าอาริยสงฆ์ทั้งหลาก็ได้ <c oughs> มีร่มได่านเรียกร้องอะไรจากใครบ้างห้าระอริยสงฆ์ท้งยนไม่ด้องอะไรจากใคร ท่านทอแล้วใจของท่านอิกไม่หิวกับอะไรไม่หิวกับหน้าเยิ้ม 100% โอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุณวิไลพ อ, อต่ายอมหญิงกับนมัสการ <Okay. S 2> ์ค่ะค่ะวันนี้นเลยเข้ามาช้าค่ะพอดออีลูกสาวพาไปซื้อของโยมก็มีกิเลสในการที่จะรีบๆกลับมาฟังรมพระจารย์ค่ะ กิเลสแบบนี้ไม่เป็นไรกิเลสแบบดีค่ะพระอาจารย์เล่แบบนันทะและความอยากชนิดดีไม่เป็นโทษค่ ะ, <ฆ>คะพระอาจารย์คะระหว่างที่โยมฟังพระอาจารย์เทศธรรมะคะ่ะโยมก็รับรู้ถึงลมลมหายใจเข้าออกในขณะที่โยมดูพระอาจารย์เทศด้วยแล้วโ ย, ย, ยมก็ดูลมของของโยมด้วยแต่ในความรู้สึก ที่มันเด่นขึ้นมาพระอาจารย์ยมชอบจับความเด่นของของการเต้นของหัวใจโยมจะรับรู้การเต้นได้ได้ได้ชาร์ตมากเลยพระอาจารย์ทั้งดูลมด้วยแล้วก็ทั้งเอ่อการเต้นการตุบตุบตุ บ, ตบอย่างเงี้ยค่ะยมยมจะชาร์ตะค่ะพระอาจารย์ยมดูทั้งสองอย่างได้เลยใช่ไหมคะถ้าอะไรเด่นขึ้นมาเราก็ดูเลยใช่ไหมคะไม่ควรนะ่ะควรจะอยู่กับเรื่องเดียวถ้าเราฟังธรรมก็ต้องอยู่แต่เรื่องการฟังธรรมอย่างอื่นเป็นเป็น ไม่ต้องไปให้ความสัมผัสกันมันไปเองเพราะจะจะหูหูเข้าใจพระอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วเราก็รับรู้แต่ตแต่ไม่เต็มร้อยถ้าเราไปนับรเรื่องอื่นจะไม่เต็มร้อยอ๋ อ, อค่ะให้ให้เกาะติดกับเรื่องธรรมะอย่างเดียวแล้วฝั<ต>งธรรมได้ค่ะธรมะที่ก็เกาะติดอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวลมหายใจค่ะไปสนใจกันเรื่องอื่ค่ะเราอีกอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่า เยอมมีความสุขว่าไม่โยมจะจับความรู้สึกการเติมถุกๆได้ได้เร็วดังบางทีมก็เขาก็จะมาที่ฝ่ามือบางทีเขาก็จะมาที่ต้นแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่สําคัญไม่สําคัญไม่สำคัญไม่ต้องไปให้ความสําคัญแค่ดูลมกับพุทโธอย่างเดียราหวังที่เราดูกายปกติถ้านั่งสมาธิเราก็ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวค่ะ แต่ว่าระหว่างวันยมก็จะเจริญสติตลอดค่ะพอพอเผอปุ๊บยมก็จะกลับมาดูลมตลอดพารู้ตัวปุ๊บก็จะกลับมาดูลมตลอดท้งนี้ทั้งวันค่ะก็ไม่ควรจะดูลมถ้าเราเคลื่อนไหวควรจะดูการเคลื่อนไหวนี้จะจะดีกว่าอเดี๋ยวเราจเดินไปเหยียบอะไรไม่รู้บ้างตัวแต่ดูลมนะเดินไปเตะอ๋อดูดูหมดเลยค่ะพระอาจารย์ยมดูทั้งตัวเลยค่ะเราดูตั้งดูดูที่ที่ตัวพอดูที่กายก็พอไม่ต้องดูที่ลมก็ได้ ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วอีกคำถามหนึ่งนะคะพอดีโยมโยมฟังฟังเทศของของพระอาจารย์ตามคลิปะค่ะแล้วก็พอดีเลื่อนไปเลื่อนมาค่ะโยมก็ได้ไ ด, ได้ได้ฟังพระท่านเทศแต่น่าจะเป็นของของออพุทธวจนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ เขาเขาจะสอนผิดกับหลักเกมที่ที่เราฟังพ่อแม่ครูอาจารย์สอนนะคะเพราะแม่ครูอาจารย์สอนว่าเราควรแยกกายกับใจออกจากกันโดยเฉพาะสมมติว่าถ้าในขณะที่เราเจ็บป่วยหรือหรือว่าเราเราเราป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะพยายามแยกกายกับใจอ ย, อยากให้กายมามาเ ก, กาะกับใจแต่ในในคลิปของน่าจะยุวพุจนะค่ะถ้าถ้าโยมจำโยมพยายามจะหายทีนึงแต่ว่าแต่ว่าไม่ mai, ไม่ไม่สามารถห า, après, หาเจอแล้วท่านเทศบอกว่า ถ้าเราขณะที่เราป่วยอะคะ่ะพระอาจารย์ทอท่านเทพบอกว่าให้เราเอาเอาจิตมาเกาะอยู่กับกายโยมว่าเอ๊ะ ม, มันไม่ใช่เพราะว่าท่านเทพบอกว่าให้เราเอาเอาจิตมาเกาะอยู่กับกายเพื่อที่ว่าอในระหว่างที่เราป่วยถ้าเราเป็นอะไรจิตเราจะได้ไม่ไปไปเกาะอยู่จุดไหนโยมว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าในกรณีที่เราป่วยนอนอยู่บนเตียงเนี้ยคะ่ะก็ตามหลักแล้วการการพิจารณาก็พิจารณาที่จิต ว่าจิตเราทุกข์กับความเจ็บป่วยของร่างกายหรือเปล่าถ้าเจ็บป่วยถ้าทุกข์ก็แสดงว่าจิตเราไปยึดไปติดกับร่างกายที่มไม่ที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราต้องพิจารณาร่างกายนี้มันไม่เที่ยมมันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นธรรมดาอเราจะได้สอนใจให้ปล่อยจะได้ไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยความตายของร่างกายอ๋อค่ะ เรื่องที่ท่านสอนว่าเอากายเอาจิตมาก่อนหมน่่งไโอเคค่ะเข้าใจเขาแล้มาทําให้โยมสะสมโยมว่าเอ๊ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนให้เราเด็กที่พระอาจารย์สอนอย่างนี้ถูกต้องกว่าโอเคค่ะอย่างนี้ถ้าคนเขาไม่ไม่ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่สอนถูกก็เดินทางผิดเลยค่ะพระอาจารย์ผิดทางแน่จะไม่ใช่ที่นี่นี่ค่ะ โ<า>ยมกลับขอบพระคุณค่ะโยมมีพ่อแม่ครูาอาจารย์ที่ประเสริฐสุดเลยค่ะโยมน้อมนำคําสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติทุกวันค่ะแล้วก็คําสอนที่จําขึ้นใจคือโยมจะจำได้หลอดเลยว่าพระอาจารย์สอนว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราห้ามหยิบแล้วก็เพิ่งผ่านมาทดสอบมาค่ะพระอาจ า, ารย์เหมือนกับว่าโยมมันจะมีตู้ตู้กาแฟเตาเต่าบินนะคะเราต้อง <S 2> <S 2> <S หยอดเหรียญใช่ไหมคะอาจารย์โยมก็หยอดไปสามสาสิบาทแล้วโยมก็บอกโอ้โหตู้ตู้นี้ไม่เวิร์กเลยอยากกิน กินตังยมไป30บาทแต่แต่ด้วยด้วยยมอยากอยากรู้นยคะยมก็ไปเปิดช่องที่ว่าเหรียญเหรียญหยอดมาค่ะเหรียญเหรียญก็หยอดออกมายอมยมหยอดไป30แต่เหรียญน อ, อ่งมา4 40บาทแต่ยอมยมก็หยิบมาหมดพอพอยอมหยิบมาเอ๊พะพ่อเจะถอนว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราข้ามหยมิบยอมอ่าเราหยอดไป30มสิบเราก็เราก็หยิบแค่30มยมก็เอาสิบาทคืนคืนกลับไปที่ช่องหยอดเหรียญ ถูกต้องแลใช่ไหมคะดีแล้วนะของที่ไม่ใช่ของเราอย่าเอาไปใช่ค่ะคําสอนพระอาจารย์จำขึ้นใจเลยค่ะไม่ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราห้ามหยิบขนาดเดินเดินเข้าลิฟไปตังตังอยู่ร้อยหนึ่งโยมก็อะไรไม่ใช่ของเราเราก็ไม่หยิบคําสอนพระอาจารย์ขึ้นมาในหัวตลอดขอบขอบมากคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะ ค่ะสาธุแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะว่าอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้ไปงานศพของพ่อพ่อเพื่อนนะคะท่านเป็นนายพลแล้วท่านได้เครื่องเครื่องลาดใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่โยมมองมองมองมองมอ ง, มอ ง, ม, องมองพ่อค่ะโยมก็คิดโอ้โหมีมีเครื่องลาดแต่เครื่องลาดก็ต้องถูกดักทืนไปแล้วมีกระบี่ทุกอย่างมีครบหมดแต่ว่าตายไปไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยค่ะว่าอาจารย์ร่างกายก็ไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะพระอาจารย์การพัฒนาล่ามยุทธสารเสนเป็นขอาไม่เที่ยงถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะมีกิดแล้วก็ต้องมีถ่ายไปดับบนดาใชมีเสื่อมใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กับนวัสการค่ะคุณพ่อบอกว่าอยากไปใส่บาทพระอาจารย์นะคะเราจะพาไปได้ชได้ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะนมัสการค่ะเชิญคุณท่านอาบุตรตอม การนพสการกัปปอาจารย์<น>ก็เป็นหนึ่งในของผู้ป่วยโอมิคอนนะครับช่วงนี้นก็เลยเก็บตัวก <c oughs> ็เก็บมาเก็บมาหน้เป็นก็อ่นาน่าจะตั้งแต่วันตั้งแต่วันระหัตก่อนนะครับเรากเกิดมาที่หนึ่งแล้วนะก็น่าจะก็เกิดอีกแล้วครับอนนี้ <c oughs> มันจะไม่มีแล้วมันหาย <c oughs> แล้วก็อาการปัจจุบันก็หายแล้วครับ เป็นแต่ว่าในในในช่วงแรกที่เป็นเราก็ออกโอเคเราต้องแยกมากักตัวก็ถือว่าน่าจะดีได้โอกาสได้โอกาสแยกตัวกับปฏิบัติอันนี้เอ่อช่วงที่อาการช่วงที่ที่อาการเป็นปกติเนี่ยไม่ใช่อาการคือช่วงที่อาการเบาเนี่ยมันก็เราก็ประดานได้ก็เนี่ยนะแต่ว่ามันจะมีลักษณะของมันเป็นเป็นเวทนาที่เกิดจากอาการของโรคนะที่เรามันคุมมันเราควบคุมมันไม่ได้เลยอย่างเช่น อาการเด่นของโอมิคอนคือคือคันคอเจ็บคอนี่ครับคือระหว่างเราคือปกติผมจะอานาบานสติพอเราจับลมปุ๊บมันก็จะคันคอพอพอเราไม่จับลมเราเราเปลี่ยนเป็นพุทโธมันก็จะเจ็บคอมันก็เหมือนกับว่าอาการนี้มันจะขึ้นมาขึ้นมาแทรกเราตลอดนะมันเหมือนกับมันมันคุมมันไม่ได้เลยครับแล้วก็ก็เลยมาคิดจะน่ะว่าเออย่างนี้ถ้า ถ้าคนที่ที่อยู่ในช่วงท้ายแล้วมันมีการป่วยที่เกิดจากโรคเนี่ยเยอะๆนี่มันก็น่าจลําบากเหมือนกันนะในการที่แบบว่าเมื่อวัที่มันอยู่ที่สติเอามากว่าถ้าสติเราดีดูลงได้มันเป็นไรอาจจกการคันคอไม่เกี่ยวมันแล้วก็ดูลงไปมันก็ขันเหมือนกันดูดูไม่ดูก็ขันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนสติเรามันไม่มีพอมันก็เลยลาคาญกับอาการคัน มอืมันคอืมแล้วบางจังหวะมันจะพ่านไปผ่านไปนึกในลักษณะว่าโอ้ถ้าเราเราดูลงมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงปอดเดี๋ยวไปอะไรนี้อีกซึ่งมันแบบมันปรุงมาไม่มีไม่มีสติสติมได้ครับมันก็ลุดน้ำนอยมันก็เลยปรุงแต่งไปถ้ามีสติถ้ามันมันจะจบลอยที่ลงมันไม่มันไม่สนใจทำอะไรทั้งนั้นครับแต่ว่าถ้าช่วงที่ช่วงที่อาการทุเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้มีปัญหา แต่ในส่วนของแกนวางใจเรื่องว่าถ้ามันจะเป็นหนักมันจะเป็นอะไรเราอันนี้อันนี้เราผ่านนะครับ ม, มันก็แสดงให้เห็นว่าการสติของเรานี่มันยังไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ใช่ครับ ย, ยังทําได้ในช่วงบางช่วงบางช่วงก็ทําไม่ได้ใช่ครับรู้กับเวทนาไม่ได้ความเจ็บคองมันก็เป็นเวทนาครับใช่ใช่ ใช่ครับก็รบเรียนมาได้มากแค่นี้ม็พยายามฝึกสติให้มากเพราะต่อไปอาจจะเจอเวทนาที่รุนแรงแบบนี้ก็ไดครับครับครับเดินเท้าไม่เชนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพว่าเวทนามันมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเหมอนเดินฟ้ากับผมตกแย่เราไปห้ามมันไม่ได้ไก็อยู่กับมันไปใช้กับออกอย่าไปทุกข์กับมันอย่าพยายากให้มันหาย มันน่าเอ็ดาันก็ไปเองได้เมันฝนตกครับอันนี้เอนดานอย่างนี้อย่างนี้มันก็ถ้ามันเป็นอาการใหญ่ะครับเป็นอาการใหญ่แบบอาการแบบว่าปวดเมื่อยหรืออะไรเงี้ยระวังได้ครับก็คือก็คือมันแยกได้เลยครับแต่ว่าพอมาเจอตรงเนี้ยมันสะดุดปุ๊บมันไม่เคยมันไม่เคยมันก็เลยมันก็ต่อต้านมันกใชหายก็ใช้แบบเดียวกันใช้พิจารณาแบบเดียวกันเปรียบที่บมันมันเป็นเหมือนฝนตกก็แล้ มันตกมันหยุดมันตกเองฝนเราเดี๋ยวมันก็หยุดเองอาจารจิอาการเจ็บคอมันก็เกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับไปเองครัาไม่ต้องไปทำอะไรเราสั่งสั่งมันไม่ได้ให้มันดับไม่ได้ถึงเวลามันจะดับก็ดับถึงเวลานี้ไม่ดับมันก็ไม่ดับถ้านั้นเองเพื่อใจเราจะได้ไม่ไปยุ่งไม่ไม่เป็นไปยุ่งกับมันไม่เป็นสร้างความอยาก สร้างความทุกข์ให้กับใจอืมครับแต่ว่าช่วงที่เป็นก็ก็พยายามแก้ทางมันยิ่งแก้มันก็ยิ่งยิ่งแก้ยิ่งไปครับอาจารย์ใช่ไม่ต้องแก้ให้อยู่เฉยเฉได้ใช่ครับใช่ครับแก้ไม่ได้มันมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับใจมันเองมันครับชาบครับครับครับก็ แก้เรื่องสติแล้ครับแก้ทางใจได้ด้่ปัญญาได้สติได้ทางใจไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทร ม, มานกับการเจ็บของร่างกายได้นะก็ดีจะได้จะได้รู้ว่าเนี่ยการปฏิบัตินามีประโยชน์อย่างไนเวลาที่เกิดเจอ<ะ>เจออาการเจ็บไข้ได้ปวดอยากตามทุกข์ยากลำบากมั น, มนก็ถ้ามีสติมีปัญญาก็ทันทาผ่านไปได้อย่างสบาย ก็ไม่ครับผมขอบพระคุณครับมันปายยังอยู่บ้านอยู่รกานแบบนี้ว่าอยู่อยู่บ้านเดียวกันครับอยู่บ้านเดียวกันครับอย่างที่เรียนนะครับแกปรดีตอนนี้แกมีมีว่าเไปครับไปเรียนเรื่องเรื่องพิธันประเดีว่ามีกลุ่มเขาอยากอยากเรียนกันก็เลยเขาก็เลยไปไปกับกลุ่มเจริงเรียนแค่สติตัวเดียวพอครับ เรียนกับเพื่อนชวนอะไรอย่างนี้แหละครับเรียนกับเพื่อนตายเรียนพระไปิฎกทั้งพาะไตไปิฎกคนจางก็บอกเป็นใบรานปล่าทั้งหมดนนะมันก็อยู่แค่กับทางหมอเก็ทางถ้ามาเรียนสติดีกว่าครับใช่ครับพระุทธเจ้าเคยพูดกับพระโพทินัคนเรีนจบพระไตไปิฎกว่าเธอนี้เป็นเหมือนใบลานเปล่าไปก็อยู่ไปก็ไม่ได้อะไร อยู่ไปเปล่าๆตายก็ตายแบบเกล่าก็ไม่ปฏิบัติอย่างเรียนอย่างเดียวเขาไม่ไม่นําออกไปปฏิบัติไปกับเรียนแล้วออกมาใช้ไม่ได้อั่นคืเอเราเอาเนื่องที่เราต้องใช้ออกมาม า, ม, ม, า, ม, ามาปฏิบัติเลยง่ายๆก็สติคําเดียวเนี่ยหละใช่ครับสติปฐ า, านสี่แค่นี้นครับครบจนวัน 7, เจ็ดเดือนเจ็ดปีก็อยู่ตรงเนี้อยู่ตรงสติกับฐานสี่จะเปเรียนว่าพี่ทําให้มันเสียเวลาทำไมับ หรือจะจะจะไปบอกสกิลบอกนี่ครับคอนี่ากไม่อยู่แลวพูดได้ไม่อยากจะพทษกับการโดยตรงนะแกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกระิบเองรับไม่ต้องกระซิบก็ได้พูดให้ได้พูดให้พวกคนที่อยู่นี่ฟังที่ไม่อยู่ก็เล่าต่เขาไปไขาอยากจะเลยเขาเขาไม่ว่ากับครับครับโอเคนะครับขอพระกร่านค่นนุ่มที่่าเชิ กับธรรรงกับนมัสการจะข่ า, ขาพระอาจารย์ลูกไม่มีคำถามเหมืนเดิมใช่ไห้มีนะโอเคแปลว่าอะไรจากซื้อชากับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พูดถึงพระไตรปิฎกอะครับพอดีเมื่อสาร์าทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาที่บ้านเขาไปออกกําลังกายหนูก็เลยเอาหนังสือพระไตรปิฎกไปอ่านแต่ว่าซื้อมานานแล้วค่ะเกือบสองปีแล้วก็เคยฟังพระอาจารย์บอกว่า ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องไปอ่านมากเราหนูก็ฟังพระอาจารย์มาร่วมเกือบสองปีแล้วพอเอาพอเอาถือติดไปอ่านนะคะ่ะก็<ม>หลายๆ ห, หน้าที่พระอาจารย์สอนสอนหมดเลยแล้วก็เข้าใจพออ่านปุ๊บก็เข้าใจอ่านแล้วก็สนุกมากมก็แต่หนูก็แบ่งแบ่งเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าอ่านบ้างทําบ้างแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือเรื่องของการการใช้สติอย่าอย่าเสียเวลาการปฏิบัติเพื่ออ่านได้มากเพื่อเพื่อเสริมการปฏิบัติ มัคะ่ะก็อ่านเล็วันวันละชั่วโมองเย่านี้โอเคมันจะได้ทําให้เรามีความรู้เสริมเข้ามาค่ะแตาไม่อ่านเลยก็ไม่เป็นไรไม่ดึกเอาไปใช้เวลาเรียนให้มันหมดเลยแลไม่ปฏิบัติอะไรอย่างนี้ยขาดทุนค่ะหว่าหนูว่าฟังพระอาจารย์แล้วเข้าใจมากกว่าค่ะขคเขาพระกันจะค่ะไม่มีอะไรนะคร่ะคุณครูชี้ต่อครูชี้ อยู่เียวอะไอที่ไหนอยู่ที่ไหนครับการการน้กน้ำสการครับหลวงปู่ครับอยู่ที่อุดรธานีครับหลวงปู่ครับครับอครับผมขอเรียนถามเรื่องการบริกรรมพุทธโภี่ยครับหลวงปู่ครับเพราะที่ผมทํามาแต่คือผมปฏิบัติไม่ต่อเนื่องนะครับคือเวลาผมบริกรรมพุทโภชเนี่ยอตอนแรกคือผมบริกรรมพุทโภแบบอบริกรรมเรื่อยๆพยายามมีสติพยายามมี ควรู้สึกตัวอยู่กับการบริกรรมพุโทโธแต่ละคํามันก็เริ่มรู้สึกสบายสบายสบายพอสบายแล้วทีนี้หลับตอนไหนไปก็ไม่รู้ตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็รู้สึกว่าเออหลับไปแล้วทีนี้ก็เลยมาแก้ใหม่เห็นครูบาอาจารย์บอกว่าเออถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้ท่านลองให้กําหนดคําบริกรรมให้มันเร็วเรเร็วเร็วเร็วเรผมก็พยายามแก้แบบนี้มาสักพักครับจะไปหลวงปู่ครับอ่า พอบริกรรมพุดโธเร็วๆพยายามกำหนดรู้ตามทำบริกรรมเอนึกเสียงพุดโพนะครับหลวงปู่นึกเสียงเช่นนึกเสียงอ่หลวงปู่พูดพุดโพพูดโธมันก็จะนึกเป็เสียงหลวงปู่พูดอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงปู่แต่ว่ามันมันเหนื่อยมากครับรู้สึกก็ภาวนาแบบนี้ทำไมมันเหนื่อยจังเลย อ, อันนีนนมันมก็ณีพิเศษมันกรณีพิเศษเวลาง่วงเวลาไม่ง่วงก็ธรรมดาไปอ๋อครับท<อ>่านเหนยก็หยุดได้หยุดภากได้ แล้วก็ดูความคิดว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันคิดเราก็ใช้พุดโธอยู่เลยถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุดโธก็ได้พักบ้างก็ได้อ๋อครับคือคือถ้าสมมติว่าเราพูดโธไปด้วยแล้วทีนี้จิตหนึ่งเราดูเราดูเราเช็คดูด้วยเช็คดูสเตตัสในสมองเราว่ามันคิดอะไรมันอยู่กับพูดโธหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นการทำงานสองอย่างในอันเดียวกันไหมครับใช่สองอย่างอย่าไปอย่าไปเช็คมันเช่คว่าเราเราพูดโธอยู่หรือเปล่า อ๋อครับครับครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับหลวงปู่ครับอการเรื่องการฟังธรรมขณะภาวนานะครับหลวงปู่ครับคือผมยังมีข้อสงสัยอยู่ครับก็คือยังมีข้อกังวลอยู่ครับว่าเอ๊ะคืออ่าคือผมจะทำสองรูปแบบก็คืออตอนแรกก็คือจะเอาเสียงเทศเพราะนี้ครูบาอาจารย์นี่คือเป็นแบ็กกราวด์แต่ว่ามีหลักของเราคือการบริกรรมไม่ถือไม่ถือ ไม่ต้องเอาเอาเอาเสียงธรรมเป็นหลักแล้วบริกรรมไม่ต้องไม่ตสองทำอ๋อครับก็เหมือนกับว่าเราเอาเสียงธรรมเป็นแทนพุทโธไปเลยครับเราตั้งสติไว้ที่หูเหมือนตั้งสติอยู่ที่ฟังที่เสียงที่เราฟังอ๋อครับแล้วอ่าเหมือนกับเหมือนให้เสียงท่านอ่านเข้ามาสู่ตัวเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่แทนแทนพุทโธพุทโธตอนนั้นไม่ต้องพุทโธไม่ต้องโอ้เราต้องฟังเสียงธรรมอย่างเนียทําง่อให้เกิดความเข้าใจ ครับคือคือถ้าสมว่าเราฟังทําไปสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะฟังทําไปสักยี่สิบนาทีการเคลียรยังไม่จบแล้วทีนี้คือเราติดต่อเราก็อยากฟังต่อแล้วฟังต่อให้จบเพรานื่องมันยังไม่จบแล้วมันยังไม่ได้ข้อสรุปอ๋อครับฟังเพื่อความรู้ไม่ได้เรียนเรียนหนังสืออ่ะวิชานี้ครูก็ยังไม่หยุดสอนแล้วก็ยังต้องฟังต่อไป อาจารย์เรากับกลับไปได้นะเปลี่นเท่าได้นะเปลี่ยนชั้นได้แนะเราค่อยใช้เวลาทำก็ต้องฟังให้มันตลอดรอดครับครับปู่ครับทีนี้คืออ่มันจะมีเอกลกษณีหนึ่งครับหลวงปู่ครับทีนี้คือพอฟังทำแล้วอ่ไม่มีทําบริกรรมเนี่ยบางทีจิตมันไม่อยู่ครับหลวงปู่มันควบคุมความฟุ้งซ่านไม่ได้เนี่ยเราจะ ที่บทใหม่มาเป็นบริกรรมพุทโธแต่ว่าเสียงเทศก็คื อ, อยังเปิดอยู่เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ฟังเสียงเทศเอาจิตเอามายึดกับพุทโธเป็นหลักนี้ได้ไหมครับหลวงปู่ครับหรือว่าเราควรจะไปปิดเทศก่อนไม่ก็กลับมาหาควาเทศต่อไปเพราะรู้ว่ามันเพือยอ่าไปสนใจกับคามทิดให้ยพยายามให้ไปที่เสียงเทศอย่างเดียวฟังแต่เทศอย่างเดียวอ๋อครับคับครักษาธุครับหลวงปู่ถ้าถาถ้ไม่ทำอย่างนั้นก<ถ>็ปิดเสียงเทศไปแล้วก็น่งพุทโธแล้วดูลงไปเลยค็ะ จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมจะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ปัญญาครับที่ตังนี้เพื่อให้ได้ความรู้ทางปัญญาครับครับมันจะ้เราคุยกันท่านเนี่ยถ้าคุณไม่ฟังเราพูดอย่างเงี้ยคุณมามาถามเราก็เสียเวลาของป่ะใช่ไหมครับครับอ่าแล้วอีกอ่าข้อนึงท่าบลุงปู่ครับที่ผมอยากจะกราบเรียนถามเอ่าตามปกติ ในในบางวันถ้าสุว่าขยันสวดมนต์หน่อยก็คือจะสวดมหาสมัยยะสูตรในห้องนอนครับหลวงปู่ช่วงที่ไหนก็ได้สวที่ไหนก็ได้ไอ๋อครับ<ม>คือพอดีมีอ่าได้ได้ยินข่าวมาจากอีกคนนึงเขาบอกว่าเออมหาสมัยเนี่ยคือเขาห้ามสวดที่ บ้านนะเพราะว่าเทว ด, ดาจะมาเยอะอะไรอย่างนี้จะไม่เนื้ไม่เนไม่ไ<ว>เร า, เราไม่ได้สวดเพื่อเทวดาแล้วเพื่อกา ร, ราสวดเพื่อสติอ๋อสาธุครับเราเปจิตเราเป็นสติหยุดการคิดตรงแต่แล้วเนี่ยครับขอบพระคุณหลวงปู่มากครั บ, ารบสาธุคุณบรเวชเชนคุณบรเวชจากเท็กซัสอเมริกาครับมนุษการพระจางครับก็มีข้อสงสัยอยู่ข้อข้อหนึ่งครับแต่ว่า วันนี้ได้ฟังพระอาจารย์ว่าเป็นสิทธิ์พระพุทธเจ้านี่ถึงสองสาครั้งเนี่ยมันผมอยู่ที่อเมริกาสี่สิบปีได้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับได้แค่ครั้งเดียวคือใช่ใช่ใชตอนยอยสมย<อ>ัยที่กลัวกลัวตายมากๆครับทวายเพราะว่าอยู่ใหม่ๆแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรจะมาทำลายเราก็ใช้คํานึกว่าเราเป็นสิทธ์พระพุทธเจ้าแกไม่สามารถที่ทําอะไรเราได้เนี่ยอันนี้ช่วยชีวิตมา เป็นครั้งแรกที่ได้ระลึกถึงนะครับ oh. <Okay. S 2> แล้วก็มามีมีข้อสงสัยครับขนาดที่ผมขับรถเนี่ยผมก็เห็นพวกกระลอกถูกรถทับตายหรือลักคุณถูกรถทับตายเนี่ยผมก็แผ่อา น, นิสงไปให้เขาอันนี้ทำให้จิตใจเราสบายแล้วก็เหมือนกับคนที่ แดือเหมือนกับพี่เคยที่เสียชีวิตไปเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่ก็ผมก็แค่แผ่นนี้ส่ไปให้เพราะว่าไม่สามารถที่จะกลับไปประเทศไทยได้ทันเวลาข้อสงสัยผมถามว่าการสวดพิธีรรมเนี่ยเขามีกฎหรือครับว่าต้องสวดตอนคืนอย่างเดียวไม่มีก่อนม่จริงไม่ต้องสวดเลยอภิธรรมนี้ให้เรียนกะันให้ศึกษากันนี่เรามาแปลกมามาให้มาสวดกันเป็นวิธีกรรมการส่งมันจะได้ไม่งหงเพรอย่างนะั้น เหมือนไม่สอบจ้ามจัดตอนตีก็ไม่ได้อะไรนี่มนภานมาสวดแทนเท่ mm hmm. นั้นเองแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรการสวดไม่รู้ใครได้คนตายก็ไม่ได้ฟังคนเป็นก็ไม่ฟังอยู่ดีคนเป็นก็นั่งคุยกันใช่ไหมเวลาพระสวดแล้วไม่รู้ไปสวดทาไมให้มันเสียเวลาเรมสู้เรานั่งทาสมาธิแผ่จิตอนุษานให้เขา ไม่รู้ว่าได้หรืไม่ได้แต่ว่าจิตใจเราสบายนี้ไม่ต้องไปแพ้เราเอาเอาเขาเนี่ยมาเป็นอาจารย์เราดี่เป่าพิจารณาร่างกายเขาว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาอย่างี้อืมอันนี้เด็ก่ะเจริญจเจริญปัญญาเด็กอะถ้าเรายังกลัวตายอยู่เราจะได้พิจาแต่ขนาณะเขาเขากลัวตายไงเขาก็ต้องตายเหมือนตอนนี้เขาบังเป็นก็เดือดร้อนเขาก็นอนสบายต่อไปเวลาเราตายก็แบบนี้เหมือนกันไม่เยมันไม่เห็นหน้าน่ากลัวเลย ก็เหมือนคนดอนหลับไปท่างนี้ก็เอาเอาเข้ามาเป็นอาจารย์เราได้แล้วเราจะได้ไม่ถุกกับความตายเราก็ก็เหมือนเอาโควิดมาเป็นอาจารย์เรานัครับช่วงโคสองปีที่ผ่านมานี่ก็ทําให้เราปฏิบัติทำได้ไดมาก ถ, ถูกต้องการสวดพิธีกรรมต่างๆนี่มันไม่ไม่มีทางจะเป็นงานสอบนี่ก็มี เ, เพื่อให้เราไปตองในเวลาพิจารณามรณารัติ เตือนเราว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเป็นของของขอ ง, ของจริงนะได้สัจธรรมเป็นทุกข์กษัตริย์เกิดจะเจ็บตายเป็นทุกทุกพไวความอยากมาเกิดกันอยากได้มุก อ, อยากไม่มีนี่ก็เลยมาเกิดกันพอเกิดแล้วก็ลมาเจอความแก่คามเจ็บความตายทาให้ตาเราเห็นธรรม ไม่มีอะไรนะครับอขอคำอมากาพระอาจารย์ครับผมขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอ่า อ, อย่าเพิ่งไปฉีดเข็มสี่นะครับอาจารย์เอันตอนนี้อเมริกากขาเริ่มขอเริ่มสั่งให้ฉีดได้แล้วเนี่ย อ, อ, อ, อนุมัติแล้วครับอนุมัติเม<อ>ื่อสองวันนี้นะใช่ให้เข็มสี่แต่ว่าต้องรอเวลาอย่างน้อยสี่ถึงหกเดือนสี่ถึงหกเดือนใช่ครับตอนนี้ก็มาโดนหน้ากับไพเซอร์ที่อนุมัติให้ฉีดได้ครับโอเค แล้วคุณมาริจะไปฉีดไหมถ้าก้มไปลานะผมผมคงไม่ฉีดเข็มสีครับผมผมเชื่อว่าการออกกาลังกายผมแล้วก็การปฏิบัติที่ผมทําอยู่ก็คือไม่ประมาทนะฮะก็<ม>ยังล้างมือส่หนักกากในสถานที่ทีอ่อันควรแล้วก็เรายัางปฏิบัติธรรมของเราอยู่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทํา่ำสามารถครอบคลุมผมได้ครับผมในถูกต้องอย่าประมาทเวลาอยู่ใกล้ใครให้ใส่หน้า ก, กากไวนะ้เท่านั้น ครับผมเราก็ยังใส่หน้ากากอยู่ครับแม่ไปวัดเราก็ใส่หน้ากากครับแม้ว่าตอนนี้เขาเจ็ดสิสองเปอร์เซ็นที่ฉีดจากในสเตตเท็กซัสเราก็เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นตขึ้นไปแล้วผมก็ว่าแต่เราก็ยังไม่ประมาทนะครับท่านใช่เพราะมันเขาเจ็ดสิบสองเปอร์ตก็ค่อยติดเชื้อกได้แค่เชื้อได้ได้ครับก็ยังมีคนไม่ฉีดอีกเยอะใช่ประเด็นเราก็ต้ระวังตัวว่าเอ็มซีเขไม่ฉีดครับอืมก็ดีเราก็ยังสองเดือนวต้องรอศึกษาหมอแบบ ครับผมผมผมผมว่าเขาบอกว่าบราโดน่ากับไพเซอร์ที่ฉีดนี่คือคนที่ไม่ได้มิกนะครับคือคนที่ฉีดยาอย่างเดียวกันของเข้ามาโดนอย่างเดียวครับที่เขานุญาตให้ฉีดมผมไม่ทราบว่าไอที่ว่าของเราไปมิกไปกับอย่างอื่นแล้วจะมาฉีดแก้มสีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องให้คุณหมอที่เก่งๆเข้าอธิบายดีกว่าครับอเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองเดี๋ยวเข้ามา ครับผมโอเคขอค่าปลอดภัยนะงอค้าปวอดภัยอยู่ไปจนแก่เท่าแล้วข้างเดินไม่ไหวอีกอีกอีกสองีกสวันก็จะครบ70แล้วครับผมโอเคสาธุ Happy b i r t h day โรงงาเลยกาบนะกาบพาจันท์คุณจูนต่อจูนอยู่ที่ไหนคุณจูนก่อนนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ออยู่ที่ไหนเจึงหนูอยู่ปทุมค่ะปฐุมธานีอมีคําดานอะไรไหมคือตอนนี้อย่างเวลาหนูใจอย่างเงี้ยคือหนูจะพยายามไม่ให้ใจมันมันเป็ น, นก็ค่มายถึงว่ามันมันเ ก, ะนนกอะ ก, กับอารมณ์แบบตอนอพูดโทรศัพทพูดโทรศัให้มีอะไรยึดไหมจะได้ไม่จะได้ไม่ไเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นค่ะหนูมไม่มีคําถามแล้วค่ะโอเค ไปเนคุณสุภาพจาจากเท็กซ์เเดียวันอันนี้คุณพ่อ<จ>ไม่มีคําถามเราฝากเขาว่ากลับนมาตการผ่าจานเจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่มีคาถามมีความเห็นอะไรไหมยอยากแสดงความเห็นอะไรไหมไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเจ้าค่ะคุณพ่อไม่ได้พูดถึงเจ้าค่ะค่ะส่วนเจ้าค่ะส่วนส่วนลูกก็กําลังตามหาสติ <laughs> ไปเรื่อยเรืยเจ้าค่ะ ไปหลุนหลุนไปไปมาเลยค่ะเขาเขามีคําพูดม่าคนมหาสตางค์คนฉลาดหาสติเจ้าค่ะตอนนี้สติไม็นว่หายไปไหนไหมลูกถ้าเราาสติกแสดงว่าเรายังเป็นคนฉลาดบางทีก็งงๆเจ้าค่ะเอ๊ะทําไมหายไปไหนเนี่ยก็ดึงไปดึงกันมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเจ้าค่ะยังหายไปเลยนะยังหายไปหายไปสงสัยช่วงนี้อะไรวุ่นวายเยอะนะคะวกันนี้เรื เจ้าค่ะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเข้ามาโควิดเนี้ยล่ะค่ะเขาติดกันก็เลยทําให้สติลูกไปคิดถึงเขาบ่อยเจ้าค่ะก็เลยค่ะตามหาอยู่เจ้าค่ะสุขสันต์มันเกิดคุณประวิตรล่วงหน้าด้วยนะเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพาสโคนจับพาสโคนอยู่ทีไหนยากคุณพาสโคนแปดแปดแปไรเนี้ ได้ยินไหมพูดไดไปพูดเนะไมนไม่ได้ยินผมเหรอครับอ่ใช่ใช่แตว่ามานอะไรมีอะไรอยู่ที่ไหนผมลหรครับอ่กราบนำมรดการของพระอาจารย์ชื่ออะไรในในที่มันเขียนท่าสตรีนะคชื่ออะไรชื่อบุญมีครับผมอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ชลบุรีครับครับมีคําถามอะไรืหมเป็นดีใจมากครับพระอาจารย์ที่ ที่ที่ติดนะครับก็ติดตามทำพระอาจารย์มาระยะหนึ่งครับแล้วก็ได้ปฏิบัตินะครับได้ปฏิบัติเป็นผู้หันมาปฏิบัติธรรมได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับขายของนะขายของอยู่ที่ตลาดนัดมสนามบินครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไ ด, ได้ได้มานั่งฟังธรรมนะครับวันนี้มีมีโอกาสกา็ ถือว่าตัวเองโชคดีมากนะครับ <c oughs> ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็มีคําถามนะครับ อ, อาจารย์ว่า เ, าเกี่ยวกับเรื่องบวชกับเรื่องเรื่องเรื่องการบวชคือผู้พิการเนี่ยบวชได้ไหมครับ อ, อาจารย์อันนี้ต้องไปถามว่าที่เราจะไปบวช ด, ดู ว, ว่าเราพิพจารณาอย่างไรต้องช่วยตัวเองได้คือมาบวชแล้วไม่มาเป็นทาสแค่ทุ่การบวชนี้เป็นครับอย่างพิการขา ที่การขาดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากเพราะว่าต้องบีบจอะไรนี้ครับทำภารกิจครับอย่างนั้นผมก็อย่างนั้นก็ถ้าบวชไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะเหนอยเหนื่อยใจปฏิบัติได้ที่บ้านแล้วก็ไปที่วัดเป็นครั้งเป็นคราวได้ครับผมแต่จะไปบวชเป็นพระอะไรเนี้ยจะไม่ไม่ครับไม่อยู่ในสเปคของของการเป็นพระครับผมครับ ยังไม่ได้ปิดกั้นนะทางทางทางนิพพานทางสวรรค์ น, นี่ยนะคนคนพิการก็ไปไนดะ้อยู่ที่การปฏิบัติทางศีลภาวนาครับแล้วเนี่ยครับอาจารย์คือไม่กี่วันเนี่ยทางทางพี่น้องผมเขาจะเขาจะบวชครับเขาจะเขาจะมีเขาจะมีบุญบวชอย่างเงี้ยผมก็อยากจะแนะนําให้เขาเนี่ยนะครับ ได้บวชให้ให้ถูกต้องตามตามตามธรรมวินัยของขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคือเอ่อผมก็ได้แนะนำไปนะครับแต่แต่แต่คิดว่าบางทีก็ไปขัดไปขัดใจเขาอะไรเงี้ยนะครับคือการบวชอย่างเงี้ยผมก็แนะนำไปว่าบวชก็ให้ไปศึกษาให้ดีอะไรเงี้ยครับก็ไม่ควรที่จะมีพวกอบายมุขอย่างเช่น สุลายามาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวไหมครับถ้าถ้ามีนี่เกี่ยวไหมครับอการบวชนี่พวกสุลายามาพวกการทําปิดศีลนี่ทําไม่ได้ถ้าไปบวชที่วัดที่ต้องมีกาแสดงว่าไม่ใช่เป็นวัดนะคนนั้นก็เศ่องแล้วเป็นก็ค <laughs> ือก็คือไม่ควรใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ ทานนี้ไม่ไม่ไม่เสงอะไรนะถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเพณีที่ก็ทํากันมาแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ไม่ควรที่จะไปเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันเป็นการส่วนทางกับคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การบวชนี่ค่อนข้างที่จะถ้ามีแบบนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้บุญหรือว่าไม่เกี่ยวครับพระอาจารย์หรือว่าหรือว่าคนที่บวชนี่เขาบวชไปเขาปฏิบัติดีเขาก็จะได้ของเขาใช่คนคนบวชก็เรื่องของคนบวชคน คนกินคนฉลาาเรื่องของเขาอันไม่เกี่ยวกันอ๋ออยู่ที่ผู้บวชปฏิบัติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ในทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะมีอบายมุขเกี่ยวข้องกับเรื่องทางประเภทนี้ของทางวันดถ้าวันควรจะห้ามไหมในการเสร็จอบายมุขครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแนะนําไปแบบนี้ก็ก็แล้วแต่เขานะครับอาจารย์ ก็อยู่ที่ว่าเขาฟังเราแบบเขาไม่ฟั ง, งแนะนําไปก็เสียเวลาของเราครับส่วนมากก็ก็อาจจะเป็นไปยึดประเพณีแบบที่ทําตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับรแล้วก็มีคําถามนึงนะครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้คนนึ่นเขาถามบ้งคือวันนั้นผมเมื่อหลายวันมา น, นี้ยผมได้อ่านข้อความในที่อาจารย์โพสต์ขึ้นมาเกี่ยวกับมีคําถามที่เกี่ยวกับการเลี้ยไล่นะครับ การเลี้ยอะไรหมายเขาว่าคือเหมือนเหมือนกับผมเนี่ยอยากจะสร้างกุฏิหรือว่าสาราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเลี้ยไรยกับเพื่อนๆหรือว่าผู้อื่นเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยมีอา น, นิสงส์ไหมครับที่ที่เราไปไปบอกบุญเขาเนี่ยครับคือมันเลี้ยไรยกับบอกบุญนี่มันไม่เหมือนกัน<อ>เนี้ยไรยที่ไปของมงินครับบอกบุญเพียงแต่บ่บอยข้อลืม บอกคุณได้แต่ไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ควรครับผมเพราะว่าการตรงนี้ต้องให้เขามีความสมัครใจครับไม่ใช่เขาเกงใจเราว่าเราไปขอครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราแจ้งเขาว่าอแล้วก็ใช้ได้บอกว่าเราจะไปสร้างกุติสร้างโบสถ์ใช่ว่านี้มั่นเลยสนใจไหมถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่าอะไรกันครับพอดีพอดีผมได้รับให้ทําพระป่านะครับไปทํา สาระการประเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระป่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยทําครับพระอาจารย์ก็เลยแบบอึดอัดใจหน่อยคือว่าเราไม่เคยทําแบบนั้นเร า, เ, าเรามีจะเวลาเราจะทําบุญเราก็บอกบุญครับบอกบุญเขาแล้วกันแล้วแต่ว่าใครเขาจะสมัครใจอะไรเงี้ยครับครับปฏิเสธเข้าไปบอกผมไม่เคยทําอย่างนี้ไม่เคยเรียกรายของเงินใดให้คนอื่นเดียวว่าให้คนอื่นที่เขาทำแก่เราครับแต่อย่างอย่างอย่างอย่างเวลาเรา เราทำเป็นซองสีน้ำตาลเงี้ยแล้วเราก็เดิ น, นไปบอกคากนก็เรี ย, รยลัแล้วไม่ได้บอกวถ้ามีสอะไก็บอกบอย่างนี้เรียลัยใช่ไมครับไปขอแล้วบอกปากเปล่าได้อยู่บอกว่าวันนี้จะไปทอดกรถินที่นั่นที่นี่นะให้นี้ก็จบครับสาธุครับอาจารย์ครับก็เราเราต้องบอกคนที่เขาว่าอาจจะเคยเคยเคยบอกสั่งไว้ก่อนนะถ้าม่งไทำบุญที่ไหนให้บอเราด้วยนะเขบอกนะ ค, คนที่เข้าไม่เคยพูดหนึ่งเรื่อ ง, งทำบุญแล้วก็อยากไปบอกเขาเลยครับผมได้เคยอ่านในหนังสือแบบในหนังสือประมาณแบบนี้ครับอาจารย์แบบนี้เขาเขียนมาเขียนมาว่าถ้าเกิดว่าเราเราทำบุญแล้วเราเราบอกบริวารบอกเพื่อนบอกมิตรสหายด้วยเนี่ยเราก็จะจะได้อานิสงส์ในในในในโอกาสหน้าคือว่าเราจะได้ มีผู้ที่เขาเรียกว่ามีบริวารมีมีมิตรมีมิตรอะไรอย่างเงี้ยครับได้คือเนาะอย่าไปขอัเจ้าหมอเรา<อ>เราไม่เขาไม่ได้มาเป็นบริวารแล้วก็ไม่จะมาเป็นเราจะไม่เป็นการขอทานเจะไมไ่เป็นขอทานครับได้ความรู้ครับอาจารย์สาธุครับร <üh. S 1> แล้วก็เสาธุบุญกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็ผมนั่งฟังตั้งนานแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้หยุด นะครับก็ฟังอาจารย์บ้างครับผมครับผมทุกตารับทุกตาทุกพอาจารย์ครับทุกตาจากญี่ปุ่นอาจรทุกตาการมาสการพระอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงวันนี้ไม่มีไม่มีแผ่นดินไหวค่ะรอาจารย์โชคดีคราวที่รล้เป็นยังไงมา่อกาที่แล้วเสียหายเยอไหมเอ่อ ก็มีแบบหนังสือมีอะไรล้มลงมาค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายเยอะค่ะที่ในโตเกียว <c oughs> ค่ะพราอาจารย์พลีโ <c oughs> ย ม, มีคำถามค่ะคือวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อของโยมอะค่ะโยมก็ไปทำบุญเพราะจริงๆคือตั้งใจจะจะไปปฏิบัติธรรมกับพ่อที่ที่ประเทศไทยที่เมือกลับเมืองไทยแต่ว่าด้วยโควิดก็ก็กลับไม่ได้ค่ะก็เลยไปทาบุญถวายเพนแล้วก็ ถวายสังฆทานอะไรนยี้ยคะแต่มันมีเตรงที่ว่าพอเราเข้าไปวัดเรื่อยๆก็คือโยมมีครูบาอาจารย์ที่ที่สายวัดป่า น, นะคะของออ ท, ท, ที่ใกล้ๆตุเกีอ่ะคะ่ะมันเหมือนเข้าไปแล้วเราก็ไปรับรู้เหตุการณ์ในในวัดนะคะก็รับรู้เฉยๆเลยไปอยไปรับรับรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่ใช่เรื่องวัดค่าเหมือนกับคนที่อยู่ในวัด เข้าวัดทุกวันแต่ค่ะจิตมันจะยๆโยมจะวางจิตยังไงอะคะอาจารย์เอาจิตเฉยๆเลยค่ะหรือว่าใช่ว่าใส่บาตรคาบอะไรอย่างเงี้เหมือครูบาอาจารย์ที่โยมนับถือที่ไปสนทนาธรรมด้วยที่วัดป่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีมัคคุเทศกที่วัดอ่ะก็กล่าวถึงท่านไม่ดีเหมือนอยู่ในวัดก็คือรอรอพิสูจนกัน คำคำพูดของคนใครๆคราพูดได้ดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ก็ต้องลองพิสูจน์ว่าท่านถูกต่างหากและจริงเนี่ยตามที่เขากล่าวหรือปล่าแล้วทำใจเป็นการไว้ก่อนเฉยๆไว้ก่อนแต่โยกเกิดคือโยงคือเชื่อมั่นในในสิ่งเออก็คือศรัทธาในตัวของก็ไม่ต้องเชื่อมั่นก็ได้ไม่ต้องเชื่อมั่นแต่ก็ไม่ต้องไปไปตักบังรอให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาเจ้าค่ะ แล้วอย่างอย่างวันนี้ยเป็นวันเกิดของพ่อของโยมเนี้ยโยมไปไปทําเหมือนกับว่าไปไปทําบุญเพื่อที่จะแบบให้พ่ออย่างเงี้ยค่ะพ่อจะได้รับไหมคะแต่ว่าพ่อก็เหมือนพ่อมันเป็นบของเราเราทําำอ๋อค่ะเหมือ น, นเร า, าคื อ, อ, อมันกินข้าวนะเรากินแทนพ่อได้ปะค่ะก็คือตอนนี้คือคือเหมือนกับโยมก็ให้พ่อเข้าในทางศีลทางธรรมอะค่ะก็คือวันนี้ก็คือก็ขอบคุณคําถามกับ เออของคุณพี่คนเมื่อกี้นะคะเพราะว่าโยมก็สร้างกุฏิอยู่<ม>ก็คือเหมือนกำลังสร้างกุฏิที่วัดป่าที่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ<ม>เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็คือโยมฟังธรรมะของท่านแล้วเกิดความศรัทธาแล้วก็ส่งธรรมะให้ให้พ่อของโยมเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วท่านก็ไปปฏิบัติธรรมก็เลยบอกว่าอยากจะสร้างกุฏิก็ก็มีเหตุการณ์เหมือนกับบอกบุญนะคะบอกบุญแล้วก็มีคําถามของคนที่เหมือนกับ คือพ่อของโยมเป็นคนอีกจังหวัดหนึ่งแต่ไปสร้างสร้างกุฏิที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็เหมือนแม่ของโยมก็มันพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะโยมแม่ก็บอกว่าทำไมไปสร้างที่อื่นทำไมไม่สร้างที่ที่จังหวัดตัวเองญาติพี่น้องอะไรด้วยอะคะ่ะแต่โยมบอกว่าการที่ไปสร้างก็คือทุกอย่างก็คือเกิดที่ความศรัทธาเกิดในความศรัทธาของครูบาอาจารย์เหมือนกับ มือนกับพระอาจารย์นะคะว่าทําไมคนที่อยู่ต่างประเทศถึงอยากจะมากราบถึงจะมาฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วก็เหมือนท่านยน้ยค่ะเหมือนพ่อของโยมก็ศรัทธาโยมก็เลยแบบว่าเป็นเป็นเหมือนกับเอเหมือนทานบุญให้พ่ออะคะ่ะที่จะให้ท่านเข้าเข้าไปอยู่ในในในศีลในธรรมก็เลยก็เหมือนด้วยกําลังของตัวเองอ่ะคะ่ะก็ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ก็บอกบุญไปอะคะ่ะพระอาจารย์ ก็ดีแล้วเนี่ยคือการทําบุญนี่เขาเรียกว่าเป็นปการรับประทานอาหารเวลาเรารับประทานอาหารเราบางทีก็เลือกร้านใช่ไหมร้านนี้ไม่อร่อยก็ไปร้านหนึ่งการทำบุญตอนแรกคือโยมจะแบบว่าพอตอนที่พ่อไปทําตอนแรกคือพอกระเป๋ากระเป๋าตังค์พ่อหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอะไรมาทดสอบท่านแล้วยอมก็แบบมันก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่ซื้อเหมือนกุฏิที่แบบเอ ที่สร้างเสร็จแล้วอะค่ะไปวางแต่ต่อพ่อของโยมกบอกว่าอยากจะสร้างเองแล้วทีนี้พอพอด้วยจิตที่เราตั้งไว้ค่ะก็มันมีคนเข้ามาช่วยเยอะแยะเลยค่ะโดยที่แบบบางคนก็ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้คือมันได้กุศลไหมคะพระอาจารย์ที่ที่ที่จิตที่เราตั้งไว้ค่ะคือกุศลเกิดจากการกระทําของเราจากการเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่จิตที่เราตั้ง ถ้าเราทํำครึ่งหนึ่งเราก็ได้ครึ่งหนึ่งถ้าเราทําเต็มร้อยเราก็ได้เต็มร้อยถ้ามีคนอื่นมาลูกล้วเราทําถ้าที่จะทำร้อยหนึ่งก็มีคนอื่นมาขอแบ่งเราก็เหลือห้าสิบเราก็ได้แค่ห้าสิบคุณสมจะได้กค่เพียงห้าส<ล> <50. S 1> ิบในบา ง, งที่ทํางินไม่อยากจะบอกเงนใครเพราะเข้ามามากก็มาแบ่งเาางินของเราไปแล้วไม่ไม่แบ่งไม่บอกใครดีกว่าทําของเราเต็มร้อยไปแลนะคนเดียว ค่ะเพราะว่าโยมก็มีเพื่อนที่เหมือนกับว่าอยากจะอยากจะให้บอกต่อไหมเหมือนกับบางคนก็อยากจะทําบุญโดยที่<ด>มันทําคนเดียวอะค่ะแต่มันของโยมก็คืออยากจะบอกกาลยานมิตรที่จะมีส่วนร่วมในบุญนะคะพระอาจารย์กไ็ได้บอกก็ได้ค่ะมันก็จะทําให้เราทําน้อยลงหรือเราก็ทําเท่าเดิมก็ได้แล้วทำเพิ่ ม, ม, ม, มคือนอกจากทำวุติแล้วอาจจะทําทั้งน้ำทําอะไรเสริมพร้อมกันที่เราตั้งใจจะทําท มันยังมีเหลืออยู่ก็ทําทําห้มนหมดไปก็ได้ไดเด้ทามากเท่าเดิมแล้วเมื่อตั้งใจจะทำเหมือนอย่างเนี้ยแล้วก็หนึเข้ามาร่วมไปห้าพันแล้วก็เหลืออีกห้าพันแล้วก็เอาห้าพันที่เหลื อ, อนี้ไปทำให้หดต่อไปนะมันจะได้เต็มแล้วค่ะสาธุค่ะอาจแล้วนะค่ะว่าอาจารย์เมื่อกี้ลูกชายวิ่ง <laughs> มาลูกชายเดินมาบอกว่าหมอบ้าน ลูกชายคนเดิมที่วันนั้นนะที่บอกว่ามอม้ามอม้าเปิดธรรมะเสียงดังโยเขาบอกใช่ยัแล้เคือก็ก็เลยแบบวันเขาเขาก็เห็นว่าว่าสนทนาธรรมกับพระอาจารย์อยู่อเค่ะค่สาธุค่ะคนพิณพี่ดาต่อพี่พดาจากเวอร์จิเนียจากนวัตกรรมค่ะพระอาจารย์หนูไม่มีคำถามค่ะ เห็นไปทีกคนบิสยาจากบิสยาจากิสาจาาราที่ว่ า, สสกการรสถานค่ะพระอาจารย์ธรรมามีอะไรไหมวันนี้วันนี้ที่จริงอ๋อมีคำถามฝากถามค่ะจากจากญาติคนหนึ่งเขาเออญาติาหนูฝากถามว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องรับประทานยานะคะแล้วในช่วง มื้อเย็นที่จะต้องทานหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะ <elite> ม <Abdul en> ีวิธ Clear ีแก้ไขยังไงคะถ้าเราอยากจะรักษาสีแปค่ะก็ถามหมอที่ว่ารับประทานโดยที่ไม่กินอาหารได้ถ้าไม่นากัเว้นไปแล้วกันรับประทานแค่ในช่วงที่เรารับประทานได้ช่วงที่รับประทานไม่ได้ก็ไม่ลรับประทานถ้าเราอยากจะรักษาสีเราก็ต้องกินอาหารไม่ได้เอาข้อห้างไม่ได้เอาข้ออ้างมาเพื่อที่จะทําให้เรากินอาหารไม่ได้ ก็ถือสินเจ็ไปก็ได้ถ้าสินสินแปดได้ค่ะเา้าใจไหมเข้าใจค่ ะ, อะโอเคค่ะแล้วก็บางทีอาจะจะรักษาสินก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้รักษาสินแปดตลอดเวลาไม่ใช่ใช่ค่ะกินมาขึ้นครึ่งชีวิตของเ ร, เรายังไม่เคยรักษาสินแปดเลยพยามารักษาตอนปลชีวิตหน่อย ม, มีปัญหาขึ้นมาอืใช่ไหม ถ้ารักษาไม่ได้ก็อยากไปรักษาถ้าเราต้รักษาร่างกายศีลนี่เป็นรักษาใจนั่ต้องเลือกกอาว่าเราจะรักษาใจดีแล้วรักษาร่างกายดีในเมื่อมันขัดกันค่ะแล้วก็เมื่อวานฟังที่พระอาจารย์เทศภาษาอังกฤษนะคะท่านพระอาจารย์สอนว่าเวลาการที่คนออกไปเที่ยวไปไหนมาไหนอ่ะคะ่ะจริงๆเป็นแค่เป็นการเปลี่ยน ภาพให้ตามันเตบแค่นั้นเองแต่ว่าคือปกติหนูไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยค่ะคิดว่าถ้าการออกไปเที่ยวหมายถึงจากที่อยู่บ้านที่มันแคบแคบได้ออกไปโลกที่มันกว้างขึ้นแต่ถ้าถ้าคิดแบบนี้ก็อาจจะทำเพราะว่าเป็นคนที่อึดอัดมากค่ะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ออกไปไหนในแต่ละวันค่ะเพวกที่ไ ม, มีบ้านอยู่เพราะไม่ <c oughs> เาก็กเก็ไม่เาก็อยากจะมีบ้านอยู่ค่ะ มันเป็นเป็นกิเลสเราเราคิดให้เราคิดไปอย่างนั้นเองความเย็นกิเลสมันอยากจะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนรูปเสียงกิ่นเพราเพราะมันจําเจมันมันไม่ชอบของจําเจอเราให้เขามันวิเศษขนาดไหนเถอะถ้าคุณต้องอยู่กับมันไปทุกวันมันก็จะเบื่อเองเช่นอาหารที่มันโปลดเนี่ยเราให้กินทุกวันดูเลยวันละสามเมื่อดูรับได้รับหลอดได้ไม่กี่วันก็เบื่อมันไม่อยากจะกินมันจําเจ มันชินแล้วชินกับรสชาติของมันแล้วแต่ถ้านานๆกินทีมันจะโอ้ยอร่อยดูตื่นใจใช่ไหมค่ะ ม, มันเป็นเรื่องคุณที่เละถ้าทําใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในห้องมันเดืไม่น่ออกไปไหนก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อวันใดสงบแล้วที่เหละแล้ไม่ทำงานใรนันอิม่มบรรเทาจะเอาที่พ่อจารย์สอนไปปฏิบัติค่ะ เ ม, มาปฏิบัติทำปฏิบัติปฏิบัติไปเปลี่ยนที่ไปนูนนะ่นนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจเราปฏิบัตเปลี่ยนใจากใจที่มีกิเลสเป็นใจที่ไม่มีกิเลสนี่ะนั่นจะแก้ปัญหาได้จบมวนเดียวจบไม่ต้องไปยิง่งก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอยู่ที่นั่นแนละ้วปั๊บๆก็เบื่อเหบื่อก็ไปที่นู่นเอาไปที่นูน่นใหม่ๆก็ดีทามากก็เบื่อ นะก<ะ>ระจายนะโอเคคุณเกิดบัณดิตตาคุณเกิดบัณฑิตได้ยินไหมใช่การรับสการ์ครับามาครับก็ดีว่าะจะมีคําถามนิดหนึ่งครับ ส, นะสกุลยอป้าพึ่งไปเก็บผ้าของลูกชายครับวันนี้มันเกิดเขาก็เลย วันเดินซ้ายครับวันเดินซ้ายครับ <c oughs> ทีนี้ก็พอดีเมือ่อเหมือนมันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเชิงมิ่งครับอาจารย์ครับทีนี้ก็มาคุยกับทางภรยออภรยาว่าเอาฟังยังภรรยาก็เป็นคนจีนแล้วก็บอกก็คุยกับาว่าการที่เราไปว่ายอย่างเงี้ยมันจะจะเป็นลนักษณะเหมือนเราทําให้ดวงวิญญาณของปัญหาหลุษเขายึดติดไหมครับ เราไม่มีส่วนเลยดู่วิญญาณเข้าไปตามบุญตามบาปของเขาแล้วไม่มีอะไรมาทําให้เขาเลีย่ยนติดทาําราครับก็ยังบอกเขาว่าเออไอพวกที่เผาเผาถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นการเป็นทำบุญและอุทิศส่วนกุศลน่าจะดีกว่าครับผมก็แนะนําเขาไปแต่ก็ไม่กล้าบอกคนอื่นเขาคือ ม, มันเป็นธรรมเนียมของคนจีนขอเก็ทําเพื่อเป็นการเป็นการรวมมิตรกันคืนสูญญ่ย้าพี่อาพี่น้องสลาย ก, กระจายก็อยากจะให้กลับมาพบปะหน้ากัน เป็นเห <จะ S 1> มือนกุศ<ห>โลบายใช่ไหมครับกุศโลบายให้ให้เป็นเปิดแผนให้ครอบครัวเป็นปิดแผนอ๋อกขาเหมือนคนไทยที่สงการก็จะมีกลับบ้านกันไปไว่าไห ว, ว, ว, ว้ผู้ไหว้ย่าไหว้อะไรไปเนี่ยเพื่อให้รักษารักษาความมัม่นคงของครอบครัวไว้ว่าเราต้องพึ่งพาใสายกันอยู่ด้วยกันจะได้พึ่งพาใสายกันได้ถ้าไม่รู้จักกันเลยมันก็เหมือนกัเป็น ไม่จะเป็นนามสกุลเดียวกันเนข้าครัวเดียวกันแต่ก็เหมือนเป็นค น, ตคนแต่งหน้ากันครับแล้วก็แต่ผมก็จะบอกทางแฟนว่าถ้าอูติดอะไรก็ไม่ต้องไประบุอ่าชื่ออะไรเนะผมกาบอกให้แท่แบบไม่มีประมาณไปอะไรเงี้ยครับอาจก็ตั้งแต่เขาเนื่องาํากคนนี้ต้องอาจจะมีความเชื่อมาไม่เหมือนกันไปพูดมากเดี๋ยวนี้ไม่ดีเ ข, ขาอาจจะรำคาญก็ได้ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่ต้องไปบอกก็ดี อดีตว่าเขาไปไปเชียงเงินมาแล้วกลับมาไม่สบายครับเจอแดดเจอลมมันไม่เกี่ยว ม, นมันเลยก็เลยบอกเออก็อย่าให้ทาบุญมากกว่าเลยแต่ก็แล้วแต่เขาครับเป็นของเขาที่ไม่รู้จารักษาตัวเองไปมันก็เป็นมันก็ไม่สบายนะมันไม่ได้อยู่ที่เชียงเงิก็ไม่เชียงเงินนะทีนี้เอออาจารย์ครับถากจะถามว่าอาจารย์มีเทศเรื่องปฏิจจสมุทบาทบ้างไหมครับ อาจจะมีค<ช>ือบ้างนะแต่มันไ ม, ไมไ่ไม่ได้รายละเอียดนึกเส้งเท่าไรแต่พูดคร่าวๆให้ฟังมันเป็นการทำงานของจิตเป็นเหมือนแผนที่แที่ของจิตเวลาจิตมันทำงานมันทำงานตามปฏิจจส ม, มุปบาทคื อ, อันจิตที่มีวิชาคือความหลงมันก็จะหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสีเยงกลิ่นรส มันก็จะสั่งให้สังขาตรตกแต่งหารูปสื่อกินว่ามีคนคิด ว, ว่ามันนี้จะไปกินอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีนี่ก็สังขารนะเราบอกว่าเไปเที่ยวภูกเก็ตนันก็พาล่างกายถอยไปนะส่งวิญญาณไปเกาะ ไ, ไ, ไปไปสั่งให้ล่างกายไปไปไปเดินทางไปภูกเก็ตอะไรนี้เป็นต้น พดีว่าผมฟังพระพุทธท่าแหละครับแล้วพอดีว่าเหมือนเหมือนฟังรอบแรกก็ยังงงงครับแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องขันท่าเหมือนที่อาจารย์บอกครับพอไินารนแล้วมันก็เหมือนช่วยได้เยอะจิตมันเคลื่นปรุงแต่งแล้วก็ส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาของจมูกนิ่งกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายไปหารูกเสียงจิตรดมาเสกั้นี้พอได้สัมผัสกรรับลูกเสียงจิตแ้ก็เกิดความสุข คึ้นมะาก็เกิดความอยากให้เสดมากๆไปก็ตายปัญญาเศดติดไปเป็นอุปทานยึดติดไปแล้วพอไม่มีเสดก็ต้องไปหาใหม่ไปสร้างภาวะใหม่ขึ้นต้อไปเกิดใหม่ในา่างกายตายไปเพราะความอยากเสดมันไม่หมดไปกับภาพตายของร่างกายครับแต่ก็ได้คําสอนของอาจารย์นะครับที่บอกว่เาเหมือนเอาเวลาไปเที่ยวมาป๊บ ตัวคำที่ไปลึกเออเราก็จะนึกถึงคำของอาจารย์ครับบางทีก็ไปแล้วก็เออเราก็พยายามนึกได้ก็พุดโธต่อเนี่ยถึงจะไปเที่ยวก็ก็สักจะไปเทียวประมาณนั้นนะครับอาจารย์ไปเที่ยวมันความสุขที่ได้แต่การเที่ยมันก็หมดไปพอหมดไปมก็อยากจะกลับไปเที่ยวนันงรวนเวียนอยู่เงี้ยไปไม่มีวันสิ้นสุดครับอาจารย์ทีนี้นั่นต้องตัดตั้งตัดความอยากไปเที่ยวตัดความอยา ก, ยายากด้วยมองไม่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราว ในวเวลาต่อไปเที่ยวไม่ได้จะทุกเวลาแก่นี่อยากจะฆ่าตัวตายอันนีอไปเที่ยวไม่ได้ตอนที่มีเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกาลังว่างชาครับมีคําถามสุดท้ายครับอาจารย์เ อ, อเหมือนช่วงนี้ผมจะมีอาการเจ็บๆหลังนิดนึงครับก็เลยใช้ลักษณะเป็นการเอาหมอนมาอิงหลังนะครับแล้วก็ทีนี้สมมติถ้าเกิดเราปฏิบัติโดยการแบบนั่งให้แบบมีอะไรเออิงหลังให้เกิดสมาธิแล้วค่อย พอมันสมาธิเกิดขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วค่อยไปพิจารณาเรื่องเวทนาได้หรือเปล่าก็มันถ้ามีสมาธินี่มันก็มันจะทําให้เดือดร้อนกับเวทนามันที่มันเดือดร้อนคือตอนที่มันจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะเหมือนว่าตอนถ้าเกิดผมรู้สึกสังเกตถ้าเกมีอะไรยิงหลังมันจะลดการเจ็บหลังแล้วก็ไม่ค่อยฉาชารู้สึกมันนั่งได้นานกว่านั่งแบบ นั่งโดยที่ไม่พิงอะไรครับอาจารย์คือการนั่งนี่มันเราต้องการจะนั่งเพื่อให้จิตมันสงบมันไม่ได้อยู่ที่ว่านานไม่นานแต่วก็ให้มันปเชื่องกับความเป็นจริงไม่ต้องการให้มีอะไรมาเป็นเครื่องบดมันบางภาพเป็นจริงของร่างกายก็คือเวทนาความเจ็บของร่างกายถ้าเราจิตมันยังไม่ไม่แก่ก็พอ ก็อาจะบรรเทาด้วยการหาเบาะหาอะไรมานั่งพิงกันก่อนไปพนะแต่มันจะทําให้เรามันชะงง่าง่วงงาแล้วก็จะไม่มีพลังที่จะสู้กับความเจ็บปวดจริงๆต่อไปเวลาเจ็บไายได้ปวดขึ้นมาที่เรานั่งนี้ให้มันเจ็บเพเราจะได้ฝึกทัดอยู่กับความเจ็บให้ได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไขยได้ปวดเราจะได้ไม่เดินนอนไม่ทรมาร์ดใช่เดี๋ยว้า อาการเจ็บหลังดีขึ้นแล้วก็จะทําตามที่อาจารย์แนะนําครับ ถ, รถ้าเวลาเจ็บแค่ได้เปิดก็รักษาก่อนได้ไม่ไม่ไม่เป็นมหานดีแล้วก็ควรจะไม่ต้องวรไม่ต้องมีอะไรมามมต้องนั่งตามตามธรรมชาติที่ต้องมีต่อไม่ต้องมีอะไรนากครับเพราะบางทีเป็นทำผมเป็นโปรแกรมเมอร์บางทีทํางานแบบทําเขียนโปรแกรมบางทีแบบมัน มันเหมือนมีสมาธิกระตรงนันแล้วก็บางทีอะเรารู้สึกอ้าวบางทีเหมือนทําไปจนแบบมันเกินเวลาไปเยอะก็เลยทําให้เกิดออฟฟิศลินโดมที่หลังนะครับก็เลยครับก็เลยปวดปวดหลังครับอาจารย์อืเดี๋ยวรักษาหายก็จะปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนําต่อครับโอเคครับขอทักนครับอาจารย์ยังไงครับถึงค <ขอ S 1> ุณสิทธิบองเชิญสิทธิ์องอยู่ท <ขอ S 1> ี่ไหนครับ ก, การนมัสการพระอาจารย์นะครับผมอยู่ที่ไหนเลยอยู่อยู่ชนบุรีครับผมมีคำถามไหมะะจะขอโอกาสขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับผมคือว่าเบื้องต้นได้ฟังทำจากพระอาจารย์แล้วนะครับแล้วก็นําไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามความเป็นจริงนะครับที่หลักๆที่เห็นคืออไตรักนะครับพระอาจารย์ครับมันเป็นอ่าทุกอย่างนะครับเราทําให้เราเข้าใจว่าทุกอย่าง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปคือมันมันมันไม่เที่ยงนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดนะครับมันก็เป็นทุกข์แล้วก็สุดท้ายความเป็นตัวตนเรามันก็ครับผมมันก็เป็นเป็นธาตุที่อาจารย์ได้ให้พิจารณานะครับเป็นธาตุสี่ทีนี้มันพอไปพิจารณาเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยมันมันทาให ให้เข้าใจขึ้นนะครับทีนี้พอเราได้กระทบกับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ทําให้เราปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะครับไม่เศร้าโศกเสียใจครับครับครับประมาณนั้นมันทําให้โอ้มันใจนะครับมันมันมันไม่มันมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับอาจารย์มันมันมันก็ไม่สามารถอธิบายได้นะเมื่อก่อนมันน้มันน้องคิดว่าทุกอย่างเป็นความของแท้แน่นอนครับ ทีนี้ได้มาพิจารณาที่พระอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้ฝึกสตินะครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งเหมือนตัวรู้กับตัวสติมันมันมันคู่กันไปนะครับพระอาจารย์โดยตัวสติเป็นตัวกวบคับตัวผู้รู้ทีครับครับทีนี้อ่ามันจะมีช่วงที่เผล่นะครับช่วงที่เผอลอตั ว, ตวหายไปหยุดทำงานชั่วคราวครับ ก็แปลว่าแต่ทีนี้มันก็สามารถดึงดึงกลับมาได้ได้พอรุ่งเรืองกกลับมาให้มีสติทับไปครับครับแปลว่าไอ้ตัวสติกับตัวรู้นี่เป็นเป็นเป็นตัวคู่กันเลยไหมครับไม่น่าจริงเป็นตัวรู้ตัวเดียวแล้วตัวสติทับไปครับครับเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปมันจะอยู่คู่กันไปตลอดครับครับเหมือนเหมือนมันเหมือนมันจะขาดกันไม่ไม่ได้เหมือนมันเป็นของคู่คู่กันเลยนะครับ คือถ้ามีสติมันตัวร น, นมันก็จะได้ปลอดภัยคครรัับบถ้าไม่มีสตินเนี่ยมันก็เหมือนคนขับรถที่เมาอย่างนี้นก็ไม่ปลอดภัยครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกสติ<า>สติรู้ ร, รู้ทุกๆุกทุกขณะทุกขณะใช่ไหมเราต้องมองไปทุกขณะรู้ว่า ร, ร, ร่างกายกำลังทําอะไรครับก็เหมือนเหมือนปัจจุบันเหมือนเราทํางานอย่างเนี้ย เหมือนสติแล้วก็ไอตัวรู้มันก็จะอยู่กับงานตัวนั้นเลยครับออย่างเดียวอย่าไปคิดอย่างนื้นครับครับมันก็ทําให้เรารู้สึกเออมันทําไมมันเพิ่งมารู้ตอนนี้นะครับก็ยังยังเพิ่งมาศึกษาตอนนี้มันก็มนมมารู้อะไรเลยมันเสียเสียเวลาไปไปมากเลยนะครับอก็ต้องกล่าวขอบ พระคุณพระอาจารย์มากๆเลยครับก็จะได้ปฏิบัติต่อต่อไปครับได้ครับขอให้พระอาจารย์รักษาธาตุขันธ์ด้วยนะครับสาธุสาธุครับคุณธนัญชัยต่อเลยต้องรีบหน่อยนะสองสองชั่วโมงกับสตมาสการครับพระอาจารย์ก็มาน่าจะสิบครั้งแล้วครับยุ่งแทบครับก็จะสอบถามพระอาจารย์ในข้อหนึ่งเรื่องอุปปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ นะครับกับคณิกาสมาธิพอดีไปดูใน facebook ของในเพจพระอาจารย์เนี่ยทันนี้เนี่ยจะสอบถามกรณีความสัมพันธ์ของทั้งสามอย่างก็คือตัวอับปปเอ่ะอัปปนาสมาธิอับปปนากับคณิกาสมาธินี่คณิกาคณิกาครับเป็นด่างเดียวกันแต่แตกกันที่ที่สั้นหรือยาว ถ้าสงบแป๊บเดียวเราเรียกว่าคณิกะถ้าสงบแล้วแลมันอยู่ได้ยาวก็เรียกว่าอัปนาสมาธิคือนิ่งสงบนิ่งเฉยไม่คิดปุ่มแต่ไม่ไปรับรู้อะไรทั้งหมดก็เป็นอัปนาสมาธิถ้าแป๊บเดียวก็เรียกว่าคณิกะเหมือนนกกระจอกกินน้านี้สงบค๊บแล้วก็ถอดออกมาทันทีใหม่ๆจะเป็นคณิกะเป็นเราจิตนั่งเรจิตนวลปั๊บสงบปั๊บมันก็เกิดอาการ เดินเต้นตกใจให้มันก็ถอนออกหมดครับช่สาธุครับพอทํำไปเรื่อยๆมันก็จะคับประกองพอมันสงบแล้วทีนี้ไม่เต้นเต้นตกใจแล้วก็มีสติให้มันนิ่งไปเรื่อยๆก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี้มันเป็นสมาธิที่หลังจากที่มันสงบแล้วมันไม่อยู่เฉยๆมันสุขสดมันออกไปรับรู้ความเรื่องราวในโลกที่ต่างๆได้ เพื่ไปติดต่อเทวนาได้ไปเที่ยวทะเลาะเที่ยวสวรรค์ได้ทำอางนี้เนื่องเราลึกชาติได้อ่านจิต ใ, ใจของผู้อื่นได้แต่มันไม่เป็นประโยชน์ในทางวิปัสสนาเพราะมันไม่นิ่งมันเลยไม่มีกําลังมันไม่มีอุเบกขาเราต้องการสัปปนาสมาธิที่มันนิ่งและ ม, มีอุเบกขาเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ต่อสู้กับกิเลสคือความอยากต่างๆได้ต่อไปองั้นทานัสมาธิแล้อย่าอย่าไปทาง อู้ปราชะสมาธิถ้ามีวาสนาไปทานั้นก็หนึ่งมันกลับมาให้มันอยู่กับอัปปนาสมาธิให้มันอยู่นิ่งเฉย เ, อเอจาาทุกับก็จะถามต่อท่านกับท่านพระอาจารย์ก็คือแสดงว่าพอถ้าอย่างนั้นฌานที่มันเป็นขั้ น, นต่างๆที่เป็นเรียบฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนี่ยจะไปไ ป, ปสัมพันธ์กับอัป ป, ปนาสมาธิด้วยใช่ไหมครับอัปปนาสมาธิในฌานที่ฌานสี่ ชั้สิ่ครับแล้วน า, าน้ก็ยังยังถือว่าเป็นชนสมาธิที่กำลังก้าวขึ้นบันไดขึ้นสู่ชา้นสีเป็นขั้นบันไดข อ, ของของการเข้าสู่ชา้นสีับสาธุครับก็สูงไปถึง น, น, นั่นก็คือในสมัยพุทธกาลก็จะมีอาราบอุทกกาศดาบทท่านก็จะได้ไปถึงชั้นนั่นถึงขั้นได้รดสมาชิกสาธุครับแล้วครา้นี้ เท่ากัาบว่าถ้าเราเข้าสมาธิไปถึงอัปปปนาสมาธิแล้วเนี่ยเท่ากัาบว่าพอเราถอนมาเราค่อยมาพิจารณาอย่างที่คือที่ท่านอาจารย์เคยเมตตาบอกว่าแยกแยกธาดแยกขันธ์นะครับใช่ถ้าเรากำนานของการปฏิบัติสมาธิที่สมบูรณ์แล้วเกิดชนานาญแล้วเข้าออกได้ทึงเวลาที่ต้องการแล้วค่อยมาจัดการปัญญาต่อ ถ้ายังไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์ตามสมาธิก็พยายามทำสมาธิให้มันสมบูรณ์ก่อนครับสาธุครับกหมดคำถามครับพรนอาจารย์ขอข้าวสารสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุสาธุครับนที่คนทีทน่ตอนตอนที่ตอนอยู่ที่ไหนธรรักถานครับพระอาจารย์ครับมมน น, นท บ, บุรีครับผม อ๋อคือผมเรียนถามอาจารย์ครับคือสมัยก่อนตอนผมนั่งสมาธิผมนั่งสมาธิโดยการเหมือนใช้หลับตาแล้วก็นึกภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือ น, นึกสิ่งที่แบบผมศรัทธาครับแล้วก็น้อมไปแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆแบบมันก็สงบนิ่งดีครับแล้วก็ทําแบบนี้มาตลอดสมัยบวชสมัยอะไรก็ทําแบบนี้ครับนึกนึกแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนแบบเออมีแบบ กัลยะาณมิตรเขาก็บอกว่าเออทำแบบที่ผมทำเนี่ยมันเหมือนแบบมันคล้ายๆกับไม่ได้ไม่ได้พิจารณาหรือไม่ดูอะไรเลยอยู่ดีก็ไปเลยแล้วมันก็รู้สึกสงบนิ่งดีไปแล้วก็ไปไม่ได้สนใจว่าเราได้ขัดเกลาอะไรหรือเปล่ารเรอะไรเงี้ยครับเหมือนไม่ได้พิจารณาอะไรมาเนี้ยครับเขาก็พยายามสอนผมแบบเออลองแบบให้ดูลมหายใจหรือทำอะไรเงี้ยก็เลยหลางจากที่ทำแบบนั้นมานานก็เลยเปลี่ยนนิสัยตัวเอง ก็เลยมาแบบหัดเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาอะไรเงี้ยครับแล้วแต่พอเวลาเดินจงกรมไปก่อนเนี้ยไปทําอะไรไปก่อนเนี้ยครับพอสวดมนต์เสร็จเดินจงกรมพอมานั่งสมาธิครับมันด้วยความที่อาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนด้วยติดนิสัยแบบเดิมๆหรือเปล่าพอเริ่มนั่งสมาธิดีแป๊บเดียวผมยังไม่ทันจะเริ่มพุโทโธแบบที่สไตล์แบบที่หลวงปู่มั่นเคยบอกให้เราพุโทโธยังไม่ได้เริ่มทําเลยอยู่ดีมันก็ปึง้ง ปึ้งเหมือนสัญดานของเราหรือสัญญาของเราเดิมที่มันปึ๊บแล้วมันก็ตกหลุมไปแล้วปึ๊บไปเรียบร้อยแบบไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์คือมันยังไม่ทันเริ่มจะพุดโทรดูศูนย์กลางกายยังไม่ทำอะไรเลยมันไปมันข้ามไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นทางมันบครับไม่ต้องกังวลวิธีอันถึงถึงความสงบก็ใช้ได้อ๋อโอเคครับผมว่าไปฟังคนอื่นเขาวิเคราะห์ จะนั่งรถเมลไปจะนั่งรถสามล้อไปหรือแท็กซี่ไปก็ได้ขอให้มันถึงจุดหมายปลายทางแล้วโอเคครับผมจะได้สบายใจพอดีผมก็ไปเวลาไปคุยกับคนเยอะๆแล้วเขาก็แบบเหมือนไอ้ทำไมของผมมันไม่เหมือนของคนอื่นใช่ครับเดินทารไปไม่เหมือนกันบางคนก็นั่งสามล้อไปบางคนก็นั่งแท็กซี่ไปโเคครับได้ครับอาจารย์หนุงั้นก็งั้นก็แปลว่าปล่อยไปไม่ต้องสนใจครับโอเคครับตป้าหมายก็คือความสงบในของจิตใจครับผมครับผมได้ครับผมครับผมครับแนี่มันเพียงเครื่องเดียวนะคือสมาธิ ครับผมใช่นิอันอใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนีงต้องมหัดเจริญปัญญามากครับถูกต้องครับแล้วจะทำยังไงต่อครับอาจารย์มันจะไปภาคสองต่อไงครับพิจารณาร่างกายและของเราและของคนหนึ่งว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนอ่าร่างกายไม่สวยงามเช่นในอาการการติดสองอยู่น่างกายท่าคล้ายๆกับมังกายอยี้ใช่ไหมครับอาจารย์คล้ายๆการเรียนรู้คอมจีนของร่างกายก็จะได้ปล่อยวาไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไป ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้าลมไฟเป็นของดินน้ำลมไฟคือเมื่อสองสามวันก่อนมันเหมือนแบบพอดีสักสิบกว่าปีแล้วมันเคยอ่านเคยฟังเคยฟังที่หลวงพ่อพูดท่านเทพเนี่ยแล้วอยู่ดีมันจิตมันปึ้งขึ้นมาเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นสิ่งเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันปึ้งขึ้นมามันถูกใจครับแล้วอยู่ดีมันจอย่อย่าให้มันลืม มันถูกใจแล้วเราให้มันฝังใจอยู่ตลอดอ๋อโอเคครับครับได้ครับอาจารย์ครับครับครั้ครัเข้าใจครับอาจารย์รู้อะไรที่ได้เรารู้แล้วต้องอย่าให้มันหายต้องให้มันอยู่เราไปตรอดครับผมครับผมเราจะได้ดับความทุกข์ได้อะไรเกิดเวลาใครจางเราไปแล้วบอกว่ามีการเกิดขึ้นไม่ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาครับผมสาธุครับสาธุด้วยคุณสมพรเลยคุณสมพรอาจารย อันนี้ต้องไว้ไหนนะ่นะเกือบาห้าทุแ่แล้วหมาไพมาอยู่ตอนปลายนี่เท็ไหร่้งหน่อยคุณสมภอกดไปได้ไหมอันนี้เลยฮะมือมซ้ายล่ามมีปุ่มหมอยกด อ, อันนี้ยังไม่กดเลยยังไม่กดมันสีแดงอยู่ถ้ามันเป็นสีขาว หมวดแม่จาร์นะแม่จาร์ุ่มซ้ายอะได้แล้วครับพูดได้เลยครับอยู่ที่ไหนอยู่บึงการครับพระอาจารย์ครับบึงการมีอะไรไก็พอพุดโธไปเรื่อยมันก็เริ่มรู้สึกที่เฉยครับก็ได้นในนอกบ้ามันเฉยๆไงให้มันนิ่งเมือนสงบบ้านมันคิดปรุงแต่ครับเออเอ็ด บางทีก็เออทาไมมันเฉยอย่างเงี้ยอะไรเงี้มบางทีก็มีบ้างครับ อ, อุปยามให้มันเฉยนานๆต่อไปเวลาเจออะไรปัญหาเราจะเฉยได้ครับก็พอดีตอนนี้ก็เป็นโควิดด้วยครับเพิ่งกัดตัวเพันแรกครับอ่าอนนีเป็นเป็นแฟชาั่นธนาะคารธนาครไม่ติดโควิดแสดงว่าไม่ทันสมายนะครับนี่อยู่ที่ไหนยอยู่ที่กระท่อมที่บ้าน อยู่คนเดียวยนะ <ผม S 1> แค่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวก็ก็ถือโอกาสภาวนาด้วยครับเอา่าดีดีค่ะผมับก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็เข <Okay. S 2> า ม, มาอาจารย์ก่อนนะว่ามันเดอกนะเดี๋ต้องไปคผมครับคนณชนะดาต่อสมุดปราการนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงพรุพ่งนี้อาหารอะไรบ้างมา ส่งเมนูให้ฟังเย้ยพรุ่งใช่ค่ะพรุ่งนี้เป็นข้าวผักปีค่ะฟ้าจานกับแตงโมควรควรจะถวายเป็นอะไรไม่หรอกทุกอย่างได้หมดไม่ไม่ไม่ไม่หมดะเปลี่ยนไปเดื่อยก็เราอนุญาให้เปกินซ้ำๆทุกวันครัทุกทก็ตอนนี้จะให้ ฝากให้พี่เอ๋ถวายน้ำวันพุธ ด, ด้วยค่ะเป็นน้ำแร่อะไรเงี้ยค่ะถวายพระอาจารย์เพราะว่าวันพุธพระอาจารย์ใช้เสียงเยอะอะไรเงี้ยค่ะ <laughs> จะได้ให้ <laughs> ได้โอกาสได้ถวายน้ำให้พระอาจารย์ได้ฉันระหว่างแบบเนี้ยค่ะตอนที่พู ด, ดอะไรพระอาจารย์อย่าลืมฉันนะคะเดี๋ว <laughs> <laughs> ร้านแม่มันนี่ก็ บัวถ้าบัวสีเหล่าใช่ไหมคะบัวที่อยู่ใต้ใต้ใต้ตมมาค่ะพระอาจารย์มีโอกาสที่จะได้ไม่มีไม่มีมันจะกลายเป็นอาหารของตัวออกปลาไปหรือว่าคนที่ไม่เข้าวัดพวกคนที่ไม่สนใจคําคําสั่งคําสอนของพระเจ้าเนี่ยว่าพวกบัวที่ไม่ในตมไม่ครบเขาจะไม่มีโอกาสสนใจไหมคะหรือว่าเขาจะต้องทําบุญอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางครั้งก็มาสนใจก็ได้ทั้งวัน ็นบางคนแกแล้วอยาคิดข่าตัว ต, วตายแล้วมีค น, นแนะนำว่าเราไปศึกษาธรรมะดูไม่มีกนรจะไปจะต้องฆ่าตัว ต, วตายอืมค่ะพระอาจารย์ค่ะอะไรอีกเรื่องนึงค่ะพระอาจารย์ยมเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราสงถ้าเราเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็มีมีชอบมีไม่ชอบมี อะไรในนั้นเราเลยรู้สึกว่าเพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กันมันก็จะมีความต้องการมีความคาดหวังซึ่งการละการอะไรเงี้ยค่ะพอผิดหวังมันก็จะเสียใจอ๋อใช่ค่ะมันจะเกิดเหตุอย่างนั้นตลอดตลอดเลยค่ะคือคือพอพอโยมเห็นแล้วไม่เราก็เลยแบบีอยู่เฉยๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เรื่อยๆใชของพระอจย์ที่ไม่สมบอาจารย์ม่สงบมันก็จะมีรากชังกลัวหลงค่ะ ถ้าเ<ป>ราปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะลดความร่างฉังกลัวลงือหนุนไดการมองการมองเห็นคนอื่นมองเห็นอย่างเออ่มองเห็นคนอื่นมองเห็นเรื่องราวอื่นแล้วมันแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเราคิดว่าเราไม่เอาแบบนี้ดีกว่าเราไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าได้ามาสอนเราได้มาช่วใจเรไ ด, ได้นะค ะ, คะพระอาจารย์ได้เป็นตัวอย่างค่ะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็แบบพระพุทธเจ้าดีกว่าค่ะค่ะ ออโอเควันนี้ก็รบกวนพระอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะพระอาจ า, ารย์นคุค่ะคุณจอยพทัทยาเชิจยเปนยังไรขายของอยู่หรือเปล่าขายค่อะอันนี้พ้นโควิด้ใช่ไหมพ้นแล้วค่ะนเนอะเดี๋ยวันอาทิตย์ไปใส่บอคะมาได้แล้วน ะ, ะโอเคม<ด>ีมีคถามอะไรหม มาแล้วคุณเองสวัสดีครับน่จะได้มาใส่ไ่ะอออืไม่มีคำถามอ่อครับอ่าก็สบายนะปลอดภัยกันนะอ๋อโอเคอ่ะคนทัดชรีเหมือนกันนะชื่อไม่ถูกก็ปลอดภัยด้วยกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ไม่มีคำถาม ใช่เจ้าค่ะอยู่อยู่ข้างบ้านน้องปังวันไลเจ้าคะ่ะไม่มีอาการนี้จิตใจดีขึ้นแเกี่ยวกับเ้องภัยใกล้เคียงอบพคุณที่เมตตาถามถึงค่ะดีขึ้นคับอาจารย์ก็น้อมนําไปไ ป, ไป ล, ลึกแล้วก็ปฏิบัติอยู่บ่อยๆนะคะคมีเรื่องคนที่ก็เป็นมะเร็งแล้วสองคนเป็นมะเร็งคนหนึ่งรักษาอีกคนหน่บอกเขาไม่เอาเขาเอาธรรมะ เจ้าค่ะคนที่รักษาตายไปแล้วแต่คนที่ทําเป็นเอาใช้ธรรมะนี่อาการดีขึ้นเพราะจิตใจเขาสงบจิตใจเาปล่อวางค่ะพอปล่อยวางมันก็ ม, มีความสุขมากขึ้นเยอะใช่ไหมมันไม่ไปกดดันร่างกายความเครียดหรือความทุกข์ของใจเ้าไปกดดันร่างกายแลย้วยายายามันก็ไปทําลายร่างกายด้วยมันมีประโยชน์มันฆ่าทั้งมะเร็งบ้างนเข้าไปฆ่าเซลล์หนึ่งของร่างกายใช่ไหมแล้วค่ะ พยายามบาลานซิ่งค่ะแล้วก็อะไรคนที่ไม่รักษากรรมอยู่ได้นะขอที่รักหรือว่ามันก็มีกรรมมีบุญมาหลาย อ, อย่า ง, า ง, งหลายอย่างด้วยก็ได้นะใช้ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะมันก็รัาใจด้วยเนาะรักษาใจด้วยนะเอารักษาที่สองอย่างนะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณค่ะพี่เมตตาสาทุกค่ะรู้สึงว่าคําถามของท่านที่อยู่ในห้องนี้หมดแล้วก็ไปที่คําถามถัดไปต่อเลย ถามมีไหมมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบห้าคำถามค่ะถามว่ามาเลยคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการศึกษาธรรมะศึกษาเฉพาะพระธรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ศึกษาศึกษาคุณของพระพุทธและพระสงฆ์สามารถศึกษาแบบนี้ได้ไหมครับไม่ใช่ไม่เข้าใจความหมายคำว่าพระธรรมคำสอนนี่มันครอบคลุมทุกอย่างทั้งพุทธกุณตธมมกุณสังคุณเนี่ย เราต้องศึกษาหมดนะครับว่าธรรมะเป็นชับกักาเป็นแต่ว่าคำสั่งสอนของพธธระพุทธเจ้าคำถามต่อไปจากคุณฉันหรือเธอขอโอกาสครับทำไมเวลาสวดมนต์มักจะมีมารมารบกวนครับก็เพราะว่าเราเวลาเราไปปลุกมันเลยส่วดมนต์เาก็ไปปลูกมารขึ้นมา ก็ ม, มาล็อกป่วนเวลาไปเที่ยวมามันก็ไม่ ม, มันก็ไม่มันไม่ไปปลุกมันก็ไม่มาล็อกปว่วนหรอกคำถามต่อไปจากคุณลุชนะการทําบุญใส่บาตรการทําทานจําเป็นต้องแผแ่เมตตาไหมเจ้าค่ะการทําบุญมีการาแผ่เมตตาอยู่ในตัวถ้าไม่มีเมตตามันก็ไม่ทําบุญมันใหญ่เลคนที่มีเมตตาก็คือคนที่มีความปรารถนาดีครับต่อผู้ เช่นเราทำบุญอยากคนนั้นคนนี้ว่าเรามีความปรารถนาดีกับคนนั้นคนนี้เราก็ไปทำบุญทำทานากับเขาไปเน้นต้องมีคนที่ทำบุญแสดงว่าเป็นการทำบุญที่เป็นการแผ่เมตตาแบบนในรูปแบบหนึ้งคำถามต่อไปจากคุณพิชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนนอนเอนตัวลงบนโซฟาตอนกลางวัน ได้ลองทำสมาธิดูลมหายใจในอริยบทนอนพอสมุกแล้วมีอาการบทธรรมเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งจนหยุดไปพอตื่นกลับรู้ตัวขึ้นมาจะพยายามนึกในหลักธรรมนั้นนึกอย่างไรก็จำไม่ได้สักนิดเลยอาการในการเปลี่ยนพบต่างๆหลังจากตายไปแล้วก็จะจำพบเดิมไม่ได้ คล้ายๆกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้มาสามครั้งแล้วครับในอริยบทนอนครับแต่ว่าแต่พบเดิมเลยเมื่านที่ทําอะไรไปมากก็จําไม่ได้แล้วทั้งนั้นความจําเรามันสั้นอย่างไม่สําคัญหรอกสิ่งที่มันไม่ลืมก็คือบุญกรรมบุญกบาะมันไม่ลืมบุญกบาะมันก็ทำหน้าที่ของมันต่อไปตายไปถ้าบุญมีบุญบุญก็ทําหน้าที่ ให้กับจิตใจถ้ามีบาปบาปตรองมทน้ที่ให้กับจิตใจไป้นถามต่อไปจากคุณใบไม้ในกำมนอการเรียนถามค่ะการอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนทําอย่างไรจะอ่านแล้วเข้าใจคะต้องปฏิบัติสมาธิระยะหนึ่งก่อนหรือไม่คะจึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็มีส่วนท้าจิตสงบมีสมาธิก็อ่านอะไรมันก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพรใจมัน มันไม่ไปคิดเรื่องอ่นในขณะที่อ่านนันก็จะได้ดูดความรู้เข้าไปในใจเต็มร้อยมันก็จะเข้าใจได้ดีกว่าถ้าใจยังวอกแวกอยู่อ่านไปบางทีมันก็ไปคิดเรื่งองมันก็ทําให้ใจไม่ค่เข้าใจว่ากําลังอ่านอะไรก็ได้ดงนั้นการจะทําอะไรถ้าไม่มีสมาธิ้มันจะทําให้ใจนี้ไม่สามารถทําได้อย่างเต็มเต็มประสิทธิภาพ ถามต่อไปมีสองคำถามจากคุณนาเรศกลับเรียนสอบถานพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งสมาธิเป็นอนิจจังใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นการเข้าสมาธิในแต่ละครั้งจะไม่ได้อั ป, ปนาทุกครั้งใช่หรือไม่ขอรับก็ก็ไม่แน่นอนใหม่ๆมันก็ไม่แน่นอนแต่ถ้าต่อไปทํำไปเรื่อยๆมันก็แน่นอนมันม่นยามมากขึ้นนั่นมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรม คนนั่งยิงปืนเนี่ยเขาแข่งกันยิงปืนเขาก็ซ้อมอยู่เงื่ยใหม่ๆก็ยิงเข้าเป้าวางไม่เข้าเป้าวางแต่พอซ้อมบ่อยๆเข้าก็จะโอกาสที่จะเข้าเป้ามันก็มีมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับคำถามที่สองมีอุบายอย่างไรที่จะทําให้ไม่เสื่อมจากการได้สมาธิครับก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆไม่หยุดเนี่ยต้องทำต่อเนื่องไปจักผู้ไม่ประสมออกนาม การทรงฌานขณะเริ่มลืมตามีวิธีปฏิบัติอย่างไรต้องส่งมาจากการนั่งทางในหรือไม่ครับโดยชานนี่มันต้องมันต้องมานปิดตามมันต้องไม่ไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับร่างกายเประชานได้พรอจิตออกมาเกี่ยมากลับมาที่ร่างกายแล้วมันจะออกจากฌานนะมันอยู่ในฌานต่อไปไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณกล้อง กับเรียนถามพระจารย์ผมนั่งสมาธิแล้วจับลมหายใจเข้าออกและเหมือนจะใช้ระยะหายใจน้อยลงอย่างนี้ก็ผมมาถูกทางหรือไม่ขอรับลมหายใจนี่ไม่กวรที่จะไปบังคับห น, นึ่นั่งก็ดูมันไปมันจะสั้นจะยา ก, ก็ปเป็นเรื่องของมันมีสามคำถามจากคุณปอปโป้คำถามแรกนวัส ก, การครับ อยากทราบเหตุผลที่พระวัดป่าไม่รับกิจนิมนต์ไปสวดสดครับคือปฏิบัติพระปฏิบัตินี้ท่านต้องการเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หนึ่งไม่อยากไม่รับกิจนิมนต์ทั้งหมดไม่ใช่แต่เฉพาะการสวดสดเพียงอย่างเดียวกินิมนต์ทั้งทั้งหมดมันมันเป็นการดึงดึงเวลาของการปฏิบัติไปแล้วก็มันเป็นการดึงจิตให้ออกไปสัมผัสกับลูกเสียงเกิณรดที่จะมาทําให้จิตคลุ้มคลาดได้ ท่านไม่ได้ยอมไปรับกิดนี้หมดค่ะคำถามที่สองอยากทราบว่าชาวพุทธควรจัดงานศพอย่างไรให้ถูกต้องถ้าไม่มีการสวดครับก็เผาเลยไงเอาใส่เมลน้าจุดไฟเผาเสร็จก็จบคำถามที่สามพิธีศพโดยเฉพาะการสวดนั้นพระพุทธเจ้าเคยมีบรรัญญัติไว้หรือไม่ครับ ก็ทรงมนยาวิธีเผาศพ ข, ของของตัวพระพุทธเจ้าเองแล้วก็สั่ว่าหลังจากที่ท่านตายเวลาสรีลาของท่านก็เอาผ้ามาพผันแล้วลกิีห้าร้อยรอบนั่นองนะครแล้วก็เอาไปใส่ในในโรงที่มีหลอหลอด้วยน้ำมันอะไรแล้วไปถึงเวลาก็จุดไฟเผาไว้เลยถต่อไปจากคุณสุชีรากลับนมัดกการพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่า ถ้าเราต้องอยู่กับคนที่ทําให้เราทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรทําใจอย่างไรคะก็อย่าไปทุกข์กับมันเพรจะทําทให้เราทุกข์แต่เราจะไปทุกข์กับเขาเราก็ไม่ถึงได้เราก็เฉยๆไปไม่อยากจะทําทอะไรก็ปล่อยก็ทําไปคำถามต่อไปจากคุณมาชนากลางของโอกาสพระอาจารย์เมตตาครับยาโลกในกรนิพานหมายถึงการให้ปฏิบัติอย่างไรครับ อันนี้ความโลภในพระนิพพานนี้ต้องมีถ้าไม่มีก็จะไม่ได้ไปฏิบัติดังต้องมีความโลภจะไปพระนิพพานต้องเป็นความโลภที่ดีไม่เสียหายอะไรเมื่อเราโลภอยากไปนิพพานเราก็ต้องปฏิบัติทางทำด้วยเหตุทีท่จะพายเราไปสู่พระนิพพานถ้าเกิดการทําทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยคำถามสุดท้ายจากคุณเน น้ำปัสสวะดีมีประโยชน์ใช่หรือไม่ครับท่านอาจารย์ก็ในสมัยพุท ธ, ธการท่านก็ให้ออกมาใช้เป็นยาดองดองดองผลไม้อะไรต่างเมาดื่มรับประถานเป็นยาได้เป็นัญญาดองสมัยนี้เขาใช้สุรามันดองแล้วเป็นยาดองในสมัยก่อนนี่เขาใช้น้าปัสสาวะด้วยแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ประเทศอินเดียกาย็าก็ยางนิยมดื่มน้ำ ป, ปัสสวะเป็นยา ด้วคนไทยบางคนท่าเคยได้ยินบางทีเขาอดื่มนะ้ํำปัสสาว่าก็ช่วยรักษาโรคเบาหวานได้มันทําตาลองได้อันนี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยืนยันนะแต่เคยได้ยินหมดแล้วใช่ไห ม, ไมหมดแล้วค่ะหมดแล้วก็วันนี้หมดเวลาก็นี้นะว่ามันก็ห้าทุ่มวาที่ที่มาขอสังค่วนแก่เวลาก็อขอให้ท่านทรงนำเอาเสี่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพินพจนาะไปปฏิบัติ